วันนี้คุณมุดิตาเข้ามาก่อนเลยเชิญคุณมุริตาวันนี้ภาษาไทยค่ะกลับ น, นวัดสกาลคะ่ะท่านพระอาจารย์มีอะไรไหมมีมีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะคือหนูหนูไม่แน่ใจว่าหนูเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะพอดีหนูอ่านหนังสือปฏิปทาของพระทุดงคากรรมัฐานสายท่านพระอาจารย์มันนะคะพระอาจารย์ตรงตรงหนู อ่านเจอตรงตอนที่หลวงตาบัวท่านเขียนว่าเมื่อพระพระท่านเวลาจิตลงสู่ของฐานสมาธิเวลาสงบแล้วสามารถนั่งได้หลายๆชั่วโมงอยู่ในสมาธิโดยที่พอออกจากสมาธิแล้วก็จะไม่เจ็บปวดหรือเมื่อยตามร่างกายใดๆเลยนะคะเจ้าค่ะแล้วแต่ว่าพออ่านต่อไปอีกก็จะเจอตรงที่ว่าบางบางท่านจะฝึกทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆเช่นนั่งนาน นั่งสมาธิเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้เจอทุกขเวทนาแล้วใช้ปัญญาพิจารณาแยกกายเวทนาจิตยอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างที่สองเนี่ยคือเป็นการนั่งแต่แต่ไม่ไม่ไม่ให้ลงถึงสมาธิใช่ไหมเจ้าคะ่ะคือการนั่งแล้วใช้พิจิใช้ปัญญาพิจารณาใช่ไหมเจ้าคะ่ะท่านก็นั่งไปแล้วก็จิตนั้นไม่เข้าสู่สมาธิมันก็เจ็บเจ็บท่านก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณา อเจ้าค่ะจนกว่ามันปล่อยวางได้มันก็จะสงบแล้วเดี๋ยวสภาพหนึง่งมันก็ถอนออกจากความสงบแล้วท่านก็นั่งต่อท่านไม่ลุกอล้เดี๋ยวก็มีความเจ็บใหม่ขึ้นมาอีกท่านก็พิจารณาใหม่พิจารณาจนสามารถสงบได้ได้จากการพิจรานะรณาเลยใช่ไหมเจ้าค่ะอ๋ะอเจ้าค่ะโดยที่ท่านใช้ปัญญาแล้วพิจารณาเห็นว่า ทุกเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเจ้าค่ะต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องหนีมันไม่พ้น ไ, ไม่ไม่แปลเปลี่ยนมันไม่ไปกลัวมันเจ้ค่ะทําใจให้ใจดีสู้เสือไปเจ้าค่ะไปอยากให้มันหายเจ้าค่ะพอใจไม่ต่อต้านทุกเวทนาไม่มีความอยากให้มันหายมันก็ไม่ทุกเจ้าค่ะ มันก็อยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้จ้าค่ะนั่นก็คือวิธีปัญญาถ้าเราต้องการปล่อยวางมีทนาเราก็ต้องไม่หลบเข้าไปในสมาธิจ้าค่ะแต่ถ้าช่วงแรกๆเรายังไม่มีพลังเราก็เข้าไปในสมาธิไปสร้างพลังก่อนสร้างโมเบกจ้าค่ะแล้วพอเรามีพลังของสมาธิแล้วที่เราก็นั่งแบบไม่ต้องให้มันรวง จะค่ะนไปแล้วให้มันเจ็บแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณารู้ถ้อยวันเวทนาขีหนึ่งจะค่ะแล้วมันจะรวมก่อนก็ได้รวมแล้วเวลาออกมาก็าไม่ลุกออกมาจะสมาธิพน่งต่อไปจะค่ะ๋ยวมันก็เจ็บจะค่ะเพเจ็บก็ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้สมาธิช่วยหลบมันก็าใช้ปัญญาพิจารณาสอนให้มันรู้จัก ธรรมชาติของเวทนาว่าเป็นอย่างไงที่ยงไม่เที่ยงค่ะเจ้าค่ะเป็นอตตาแลือเป็นอนัตตาอเจ้าค่ะทุกข์เพราะอะไรท<ะ>ุกข์เพราะไปอยากอืมอ่าอะะ่าความวิจารณาอย่างรอบคอบเห็นใต้ร่างอย่างรอบคอบแล้วก็ปล่อยวางความอยากให้ความเจ็บหายไปได้เจ้าค<ะ>่ะเโดยธรรมชาติของจิตของพวกเราทุกคนมันอยากจะให้ความเจ็บหายไปได้ไ เนี่ยต้องมาแก้ตรงนี้หยุดมันอยากไปให้มันอยากให้มันหายไหวให้มันอยู่ของมันไปตามธรรมชาติของมันมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ปล่อยมันไปแต่เราไม่มีความอยากอยู่กับมันได้มันมาได้ไม่มาก็ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ถ้าอย่างอย่างอย่างหนูเนี่ยยังเข้าสมาธิไม่เป็นยังอยู่ในขั้นฝึกสติอยู่ก็แต่ว่าถ้าจะถ้าอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดความทุกข์เขเวทนาแบบปวดขาขึ้นมาก็คือให้ทนทนไปก่อนแล้วก็ใช่ใช้สติช่วยใช้สติช่วยให้อยู่กับให้อยู่กับพุทโธมันมันเทิร์นไม่ไหวหรอกค่ะให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บจ้ะค่ะ พ อ, อจิตนั้นอยู่กับพุโทโธมันก็ไม่สามารถไปสร้างความอยากได้พอมันไม่สร้างความอยากความทรมานใจมันก็ไม่มีนะใจมันก็อยู่อยู่กับความเจ็บได้ด้วยพลังของสติตคือสติทําให้ใจใเป็นอุเบกขาให้วางเฉยได้แต่ยังไม่มีปัญญายังไม่ได้ศึกษาธรรมชาติของเวทนาว่ามันเป็นอย่างไร ค่ะมันอยู่ที่ไหนกันแนะ่อยู่ที่เราแลืออยู่ที่ใจอยู่ที่ใจแลืออยู่ที่ร่างกายค่ะถ้าไปควบคุมบางครับมันได้หรือเปล่าอืมเจ้าค่ะเพราะงั้นต้องใช้ปัญญาแยกแยะดูทีจ้าค่ะเพิ่งต้นนด้ยังไม่มีพลังก็ใช้พุทโธก่นอนบริกรรไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าเพิ่งลุกอย่าไปขยับ ให้มันเจ็บไปแต่เราจะใช้พุโทโธรักษาใจให้เฉยๆไม่ให้ไปผู้บายไปกับมันเจ้าค่ะเข้าใจนะเข้าใจแล้วเจ้าค่ ะ, อะ ข, อขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะจะน้อมนําไปปฏิบัติเจ้าค่ ะ, อคะโอเคอถูกค่ ะ, ค, ะคุณเวลาสินีจากเยอรมันอยู่เมืองอะไรนะคุณเวลาสิรินี่ยยู่ใกล้เมืองอะไรเมืองใหญ่ อ่ะยังไม่ได้เปิดไม้เลยเปิดไม่ก่อนอันนี้มันยังไม่เปิดแต่ยินแล้วค่ะค่ะยมอยู่จะใกล้ที่ไหนมันก็ไม่เชิงค่ะอยู่ใกล้ใกล้เบอร์ลินนะคะสักสองร้อยค่ะสองร้อยกิโลค่ะห่างไปทางทิงตะวันออกค่ะตะวันออกของเบอร์ลินค่ะใกล้ใกล้เป็นติดเติดกับปรัสอะค่ะท่านอ๋อเยอะมันตะวันออกมาก่อนเยอะมาก่อนค่ะ ห่างจากปรากก็เราไปเบอร์ลินนะคะ200กิโลจากปราก 200, 200กิโลกว่าไปเบอร์ลินนะคะก็ <ต zer. S 1> อยู่เกือบชายแดนเลยใช่ค่ะติดาชายแดนเลยค่ะเชโกสโลวาเกียใช่ค่ะเมื่อก่อนทีนี้ก็เยาวชคใช่ไหมค่ ะ, อ, ะอันนี้คงจะหนาหน้าดูนะค่ะวันจันทร์ที่ผ่านมาลบเจ็ดองศาค่ะท่าน หิมะตกแต่วันนี้ดีขึ้นนะคะหิมะละลายหมดแล้วค่ะโลกร้อนทางนี้ก็เลยไม่หนาวมากค่ะตอนนี้18องศาก็หนาวแล้วมันชินแล้วค่ะท่านอยู่มานานนะคะปีแรกๆยมก็ต้องแบบเครื่องกันหนาวเพียบเลยค่ะแล้วไม่ยอมออกไปข้างนอกเลยเปิดฮีเตอร์จุดเตาผิงเต็มที่แต่ตอนนี้เริ่มชินค่ะอเริ่มปรับตัวได้จิตนนั้ค่ะต้องออกไปข้างนอกบ้างค่ะไม่งั้นมันไม่สดชื่นค่ะ ท่านอาจารย์คะยมนําคำแนะนําท่านมาทํากันบ้านนะคะคือพยายามบังคับจิตให้อยู่ให้อยู่ในกายะคะ่ะแรกแรกมันก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ล้มลุกคลุกคลานไม่ต่อเนื่องยมก็เลยท่องอาการ32อะคะ่ะมันกระจบไปใช่ไหมคะยมก็เลยเอาสองรอบสามรอบอะคะ่ะให้มันดูร<ด>ูป<ด>ค่ะซ้ํำๆไปมันก็ไม่ค่อยคล่องยมก็เลยเข้าไปในแอปสตอร์แล้วก็ไปหาดู anatomy ที่มันเป็น 3D อะค่ะ ก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็มาดูไปเป็นทีระบบก็ก็ดีขึ้นค่ะก็ดีขึ้นแล้วคล่องขึ้นตามลำดับเชื่อว่าถ้าฝึกอดทนทาต่อไปก็คงจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่โยมสังเกตนะคะท่านในเวลาที่จิต้อนออกมาจากสภาพอุเบกขาเรายอมมาพิจารณากายนะคะแล้วพอพิจารณาไปสักพักหนึ่งนะคะ ท่าน ท, ที่ยมใช้ความคิดนะคะท่านทำไมจิตมันละเอียดละคะละเอียดลงละเอียดลงเนียนแล้วก็ใส่ใสุดสว่อ ง, งมันคิดเรื่องปัญญามันก็เลยทําให้จิตละเอียดอ๋อมันเหมือนรอบภาวนาเลยอะคะมันละเอียดลงละเอียดลงอ่ะใช้ปัญญาปัญญาลงสมาธินี่ลเนี่ยยมนึกว่าเมื่อไร่ที่เราออกจากสภาพอุเบกขามาแล้วเกิดความคิดนะคะมันก็จะไม่ใช่สมาธิอีกต่อไปอย่างนี้ค่ะยมเข้าใจอย่างนั้นนะคะแตม่มันเจอคราวนี้เอ้า มันสุกสว่างขึ้นสว่างขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะใช่แล้วรักษามันเนีลยเรารักษาอุเบกขาที่เราได้จากสมาธิด้วยการใช้สติและใช้ปัญญาเนี่ค่ะไม่ปล่อยให้เบริดตามความอยากถ้าไปคิดถึงความอยากก็อุเบกขาจะลดไปความอยากนี่ทำให้ใจร้อนขึ้นมาค่ะแปลกดีเหมือนกันค่ ะ, ก, คะก็ดีค่ะสภาพมันละเอียดประณีตดีค่ ะ, อ, ะอ่าแล้วเออเจ๋อ จิตถ้ามีธรรมมามีสติมีมปัญญามันจะสมบมันจะละเอยียดโดยที่ไม่ต้องอยู่ในสมาธิก็ได้อืมมีวิธีการไหนไหมคะที่เราจะในระหว่างวันนะคะที่เราจะทําจิตให้เป็นแบบนี้ได้ะคะยกว่ <c oughs> า <c oughs> มันเป็นกะ็ตามคนี้ทําอยู่เนี่ยคือว่ามันต้องอยู่คนเดียวใช่ไหม <c oughs> ถ้าไปยุ่กับคนอ <c oughs> ื่นมันก็ทําไม่ได้แล้วถ้าไปทํางานหรือไปทำอะไรมันก็ต้องใช้ความคิดไปในทำอื่นใช่ค่ะพอคิดไปทาำอื่นมันก็วุ่นขึ้นมาวิจอบกาวได้ ขึ้นยมยมจะไม่ได้ตอนเช้านะคะยมต้องตั้งเวลาไวค้ค่ะท่านชั่วโมงหนึ่งนั่งเสร็จออกมาปุ๊บก็ต้องรีบจัดการตัวเองแล้วมาเปิดคอมทํางานเลยอย่าเงี้ยค่ะมันก็จะไม่พอออกมาแล้วอารมณ์มันก็จะแบบเหมือนคัทเลยะคะ่ะจากธรรมะปุ๊บก็เข้าสู่งานเลยเงี้ยค่ะถ้าเป็นตอนกลางวันก็เหมือนกันคะ่ะต้องตั้งเวลาไว้แต่เป็นตอนเย็นจะไม่ตั้งเวลาก็คือมันถอนเมื่อไหร่แล้วค่อยพิจารณากายอยเงี้ยค่ะมันก็เลยจะต่อเนื่องยาวนานไปนะคะ่ะ นั่นนหละก็ อ, อยู่ที่เวลาที่เราให้กับการปฏิบัติถ้าเราต้องการผลมากเราก็ต้องมีเวลากับการปฏิบัติมาก <Rid. S 2> แต่ถ้าเราไม่มีเวลารเราก็แล้วก็ทําตามเท่าที่เราทําได้การปฏิบัตินี้มันมีสองระดับระดับใต้ทางด่วนกับระดับบนทางด่วนะนะคะผู้ใต้ทางด่วนก็คือผู้ที่ยังมีภาระกิจการงานเกี่ยวข้องกับผู้คนอยู่ ส่วนพวกที่อยู่บนทางโดยนก็เหือนพวกนักบวชเนี่ย น, ยนักบวชนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องใครเขาไปปีกว่แวกอยู่คนเดียวเขาว่าสามารถเจริญสติปัญญาได้ทั้งวันยมต้อมพอใจกับสภาพนี้ไปก่อนค่ะท่านมันพรยังขึ้นทางโดินไม่ได้มันยังครับมันยังหาหาเงินจ่ายค่าด่านไม่ได้ใช่ค่ะมันออกลูกออกหลานมาเต็มราคาท่าน <laughs> เป็นขยงเลยค่ะอื ต้องต้องทำหน้าที่ไปก่อ น, นค่ะแต่มันก็จะถ้าเรารักษาทำที่เรามีได้มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นกำลังใจเป็นเครื่องหล่อเลี้จิตใจให้เราอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปใช่ค่ะใช่ค่ะ <c oughs> ที่ผ่านมายมก็เข้าไปหาเทศ เทปเก่าๆของท่านฟังอะค่ะมันจะเป็นสองสามปีที่แล้วอะค่ะมันจะมีชื่อตอนไว้ด้วยอะค่ะโยมก็เลือกตอนที่มันถูกใจแล้วกรโดนใจโยมฟังนยคะฟังเสร็จก็ได้กำลังใจเลยค่ะเหมือนที่คุณมุทิตาที่พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะที่แบบว่ามันเจ็บปวดขนาดนั้นเราจะทนความเจ็บปวดได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราเหมือนโยมแบบนึกถึงตัวเองที่ท่านว่า รักษากายก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้ค่ะให้หมอผ่าตัดแล้วรักษาใจก็ต้องให้พระสุปฏิปโนผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วโยมก็คิดว่าสมัยไอตอนที่เรารักษาโรคมะเร็งเราก็เจ็บปวดมากเรายังทนมาได้เลยเพื่อรักษากายนี้อย่างเงี้ยค่ะท่านแล้วตอนนี้มานั่งมสมาธิปวดแข้งปวดขาก็ควรจะทนให้ได้อย่างเงี้ยค่ะต้องใช้ความอดทนเหมือนกันอืมก็ได้กําลังใจดีค่ะท่านค่ะวันนี้โยมมีคําถามแค่นี้ค่ะเดี๋ยวอ ก็นัฟังไปเลยถ้าเกิดมีคำถามก็ถามได้อีกรอบหนึงนะค่ะกขอบคุณค่ะถ้ามีที่รับมีความจำเป็นจะต้องไปก็ไปได้ไม่ได้บังคับค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไปหมอภาสนาภาสนาอยู่กรุงเทพใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่นอนด์เดอรบูร์อยู่กรุงเทพค่ะแต่ขี้หนาวเลยใส่เสื้อหนาวหน่อยค่ะอาจารย์สวัสดีคุณบอยคุณหลาแล้วก็คุณชัยด้วยนะคะ ค่ะ hmm. ก็จากที่พระอาจารย์ได้ให้การบ้านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ก็คือตอนเช้าเนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือตื่นตีสามแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยประมาณสองชั่วโมงก็ตอนช่วงนั่งเนี่ยก็จะนั่งได้เพราะว่ามอยู่ในสมาธิแล้วพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็ก็นั่งต่อนั่งนั่งต่อเพื่อจะได้ให้มีเวทนาะเพื่อจะได้ลองลองเรื่องของปัญญาก็พอมีเวทนามาปุ๊บเนี่ยคือพอใช้ปัญญาเนี่ยมันก็มันก็คือยังรู้ว่ามันเจ็บอยู่พระอาจารย์แต่ว่าก็ยังนั่งได้ ก็เลยนั่งจนกระทั่งมันมันแบบไม่ได้อยากให้มันหายเจ็บจนกระทั่งมันมันก็ไม่เจ็บมันคือมันยังเจ็บอยู่แต่ว่ามันทนได้พอผ่านจุดนี้ไปก็เลยลุกขึ้นมาก่อนนี้ไม่เคยเดินจงกรมแลพระอาจารย์เพราะว่านั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าเออแล้วก็ไปทํากายกตาสติแต่พอตอนช่วงหลังที่นั่งมันนานเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าคงต้องเดินจงกรมนิดนึงเพราะว่าพอออกมาแล้วมันมันพอออกจาก พอเจริญปัญาเสร็จนะ่ะมั น, เ จ, มนเจ็บมันก็เจ็บเหมือนกันแลนะอาจารย์คือเดินมาแล้วรู้สึกว่าขามันแบบจงขาเบี้ยวไปเลยมันนั่งนานแต่ว่าก็เลยเดินจงกรมเพื่อจะทําให้ปรับสภาพให้มันเหมือนเดอมาอาจารย์ไม่ทราบระถุงหรือเปล่าคือหมายถึงว่าพอนั่งปัญญาปัญญาหายไปได้แล้วนะครัอาจารย์ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเดินจงกรมเดินวนๆไปให้ให้มันหายหายเมื่อยนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็ค่อยแล้วก็ค่อยออกไปทํางานค่ะอ เราก็ยังตั้งเวลาตั้งเวลาอย่างที่บอกคือคือพยายามคือมีความรู้สึกว่าตอนนี้ยตอนพิจารณากายก็คือจะพิจารณาเรื่องของธาต์ของธาตุอะธาตุอดีณ์มลไฟแล้วก็เรื่องของอาการที่12ก็คือพยายามทําเรื่องใจรักทั้งทั้งเวทนาแล้วก็ทางกายคําถามพาะอาจารย์นะคะคือว่าเราต้องทําให้มันคือต้องฝึกสมาธิความสาคัญของสมาธิทีส่สติคือให้ให้แบบเราต้องการสมาธิ มันต้องมาเลยใช่ไหมพระอาจารย์หรือเราถ้าเกิดเราเราจะละเวทนาที่อาจารย์บอกก็อย่าประมาทเพราะเวทนามอาจจะยังไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความตายเนี่ยสมาธิมันต้องมาเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์มันถึงต้องฝึกที่มันต้องเกให้จิตอย่างไน้อมีสติควบคุมความคิดความอยากได้ถึงแม้ว่ายังไม่สามารถทําลายมันได้เมื่อเวลามันความอยากมันรุนแรงแล้วก็หยุดมันความทรมานใจมันก็จะไม่มีแต่มัน พอเราเพลิดสติปล่อยให้ความอยากขับมาใหม่มันก็เกิดความทรมานใจได้ถ้าเราอยากจะให้มันหายไปเย่ยมเด็ดขาดเราก็ต้องพิจารณ์เวทต า, าให้เห็นว่าเป็นกา ล, ลักษณ์โดยเฉพะว่ามันอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เสมอไปบางทีบางเวลาเราก็สั่งมันได้แก้ได้แต่บางทีมันแก้ไม่ได้จะทํายังไง ก็มีสองดานทุกหรือไม่ทุกถ้ามีปัญญาก็สอนใจว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้มันหายอยากว่าทุกถ้าไม่อยากแล้วก็ไม่ทุกไม่ต้องหัดอยู่ไปกับมันไปให้ได้พอมันเข้าใจว่าระหว่างทุกหรือไม่ทุกมันก็จะาไม่ทุกมันก็จะหยุดต่อต้านหยุดอยากไม่ให่อยากให้ความความเจ็บนั้นหายไปก็อยู่กับมันไปเจ็บมันก็เจ็บต่างคนต่างอยู่มัน เวท น, นาก็อยู่ของมันไปจิตผู้รู้ก็รู้คำมดู้มันไปแต่ไม่มีความอยากให้มันหายมันก็อยู่ด้วยกันได้เพราะในจิตไม่มีทุกข์ที่เกิดจากความอยากอันนี้ก็ต้องลองปฏิบัติไปดู เริ่มเข้าใจค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะทำให้มันมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเดือนนี้ก็จะทําก็จะถืออุโบสถศีลสามวันแต่ว่าจะทําเป็นได้คําเอ้ยจะทําเป็นทุดงวัดหนึ่งวันก็คือว่าสองวันศีลแปดแล้วอีกหนึ่งวันในเอ่อเป็นทุดงวัดก็จะทําทั้งเดือนแล้วก็กะว่าเป้าหมายของปีเนี้ยคือว่าตอนช่วงเข้าพรรษาจะถือศีลแปดแหละพระอาจารย์คือพยายามทํามากขึ้นเพราะว่าฟังตอที่อ่านที่พระอาจารย์รู้สึกว่าเข้าใจแล้วที่ที่แล้วอ่ะพระอาจารย์เทศพค่ะ เป็นเรื่องอริกกยสัจกติลักษณ์ทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยอ่ะคือรู้สึกว่ามันก็เลยยิ่งเข้าใจมากขึ้นอะพระอาจารย์มันเหมือนกับเสิร์ฟมาให้ว่าเอออ๋อเนี่ยการลักษณ์กตททำยังไงอะไรแบบคือมันมันเข้าใจมากขึ้นพระอาจารย์ก็เลยตั้งใจจะทําสติกับสมาธิให้มันให้มันได้มากกว่านี้พระอาจารย์ใช่พยายามทำ ส, สองวเนี้สติกับกับปัญญาสติกับสมาธิแล้วก็ปัญญามัญญาบางทีทำว่าซ้อมไว้ก่อนทําแบบเป็นการบ้านไปก่อนสอนว่าทุกอย่าง ที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยมันเป็นตายรักทั้งหมดเราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้เสมอบางเวลาก็สั่งได้บางเวลาก็สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ก็ต้องยอมยอมให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราพยายามจะต่อสู้พยายามจะหาวิธีเปลี่ยนมันจัดการกับมันให้เป็นไปตามความอยากของเรามันก็จะเคื่อน แค่ความอยากอาจารย์รู้สึกคุณดูแลก็กำลังใจดูวันยากดูวันง้ายแต่ดูวันอ่ยนะว่าอยากให้เป็นอย่างงั้นอย่ากให้เป็นอย่างนี้ได้คระอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวจะพยายามตั้งใจทําพระอาจารย์เพราะว่าดูแล้วแบบมีพระอาจารย์อยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันง่ายนะอาจารย์ถึงฝึกสติกับสมาธิให้มันเยอะขึ้นมากๆมจะได้ตัดความอยากได้อย่างเร็วใอ่าขอบคุณค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรจะทาต่อค่ะอนนี้นะค่ะ ท่านต่อไปอคุณพลพลิพลพลศนะ พ, พลกิศนะลกลิพลกลินะครับพลกิจครับกดกดปุ่มอันมิ้วได้เลยโอเคครับนมัสการครับอืมพูดได้แล้วได้ยินแล้วพูได้อย่างนี้ครับก็หลังจากที่ได้กลับเรียหรือพวกครั้งก่อนเรื่องที่ต้องลาออกนะครับช่วงนี้จิตใจก็ถูกโลกกรรม ฝ่ายลบย่ายีนะครับก็คือมีความรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรมันทุกข์ที่ว่าตัวเองทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วรู้สึกว่าแม้จะทําดีแค่ไหนเพื่อนฝูงก็ไม่มีความรักหรือความจริงใจให้นะครับก็หาหาทําอะไรที่เราสําเร็จได้เนี่ปฏ<ส>ิบัติทํำดูเล ย, ยถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ลองมาปฏิบัติทําดูก็ได้ครับ คือมันเราก็ต้องยอมรับ ว, ว่ า, าบางสิ่งบางอย่างเราต้องการแล้วก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนความต้องการของเราอยากก็อยากมันอยากได้อย่างนี้มันไม่ได้ก็อาก็เอาอย่างอื่นครับก็ต้องดูความสามารถของเราแล้วดูสภาพแวดล้อมด้วยว่ามั น, ม, นมันเป็นอย่างไร ขนานดููมันมันก็ต้องได้เลยทักอย่างหนึ่งนะ ล, ลองผิดลองถูกไปลองอย่างนี้ไม่ได้ก็ลองอีกอย่างไปแต่ทางที่ดีถ้าเราลดความอยากได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีถ้าอยู่เฉยๆได้แล้วไม่เดือดร้อนก็อยู่เฉยๆดีกว่าครับก็ บางทีที่ผมทุกข์ใจหนักสุดคือทําไมผมไม่เข้าใจว่าผมเองก็ดีกับคนทั้งหลายมากแต่ทําไมเพื่อนฝูงกับเขากับเหมือนกับเขาไม่มีความจริงใจกับผมมากเท่าที่ผมจริงใจให้กับเขานะครับ อ, อ่ามันเรื่องธรรมดานอะมันเราไปบังคับใจเขาไม่ได้นะใจของคนบางคนเขาก็อาจจะจริงใจกับเราก็มีไม่จริงใจกับเราก็มีเราจะไปเจอพวกที่ไม่จริงใจกับเราเข้าแต่นั้นเอง ก็ไม es si ่เมื่อเขาไม่จริงใจกับเราเราก็อยากไปคบกับเขาเนยเขาหมดเรื่อยคบกับคนที่เขาจริงใจกับเราโบราณนั่นบอกว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนพบกับคนไปเรื่อยๆก็จะรู้เองว่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าพบใหม่ๆก็ไม่รู้หรอกว่าบางทีเวลาช่วงคบใหม่ๆมันผลประโยชน์ลงตัวมันก็มันก็เหมือนการจริงใจแต่พอ ถัดผลประโยชน์กันขึ้นมามันก็จะรู้ว่าจริงใจต่อกันหรือเปล่าครับแล้วอย่าไปยึดมั่นถือมั่นโดยละคือพูดง่ายๆก็คือคบกับใครก็ได้แต่อย่าไปหวังอะไรจากเขามากเกินไปคิดเผื่อว่าอาจจะหวังพึ่งเขาไม่ได้อาจจะหวังความจริงใจจากเขาไม่ได้แต่และาจริงใจเขาแต่ไม่เสียหายหรอกเราเป็นคนซื่อสัตย์เราก็จริงใจไปของเรา เขาไม่เข้าไม่ซื่อสตัตย์ตอบมาก็ได้รู้ว่าอ๋อเป็นแบบนี้เราก็จะได้ไม่ต้องค บ, ออ ก, บกับเขาครับกลับขอบพระคุณครับมีเท่านี้นะเท่านี้ครับโอเคเดี๋ไปที่ท่านต่อไปคุณอะลางครับครับทวิสาครับคุณทวิสาจากสวิตเซอร์แลนด์นะวันนี้อยู่ห้องพระเออ ค่ะโอ้ได้ยินแล้วเมื่อกี้กดทิ้งได้ยินแล้วใช่สาวสวัสดีค่ะท่านอาจารย์วันนี้อยู่ที่ทํางานค่ะอยู่ที่ร้านค่ะเป็นร้านอะไรเนอะอ่าเอ่อโยมเปิดร้านนวดค่ะท่านอ๋อร้านนวดค่ะร้านนวดไทยค่ะเออเห็นมีการอ่าประดับเป็นลายไทยอะไรไหมค่ะท่านมีทิ้งผ้าด้วย ค่ะมีแบบว่าพอดีเปิดหน้าร้านเข้ามาก็จะเป็นแบบว่าฉากหลังก็จะให้แบบออกเป็นไทยไทยสไตล์ไทยนะคะท่านดูสวสดีขอบคุณค่ะท่านพอดีวันนี้มีมีนัดลูกค้าตอนบ่ายสามก็เลยเอาลืมกันเลยว่าพอดีนัดลงตัววันไม่ไม่ลงตัววันนี้ก็เลยงสงสัยได้ฟังท่านพระอาจารย์ตามหลังเพราะว่ามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงค่ะ <c oughs> ได้ค่ะ อย่ย้อนหลังได้นะค่ะวันมีอะไรอยากจะถามไหมวันนี้ไม่มีค่ะท่านการปฏิบัติก็ยังต้มเตรียมอยู่แต่ว่าใช้หลักที่ท่านแนะนําก็จะพยายามต่อไปค่ะค่ะชายต้องฝึกสติมากๆค่ะติชาควบคุมควบคุมความคิษควบคุมความอยากนะค่ะค่ะกลาวขอบพระคุณค่ะเห็นใบทานต่อไปเด็กชายคือละเสร็จนะ คุณอะไรอยู่ที่ไหนธรรมชาติหลวงพ่อค่ะต้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยเสียงเบานหน่อยหน่ะหนูวงาลีค่ะบาดีอยู่ที่ไหนวันนี้อยู่คอนโดอุทกาศอะคา่ะอุทกาศค่ะวันนี้หนูรายงานการปฏิบัตินะคะแล้วงพใช่คือเมื่อวันอาทิตย์เนคืนวันอาทิตย์หนูก็ปฏิบัติปฏิบัติตั้งแต่ก่อนสองทุ่มนะคะแล้วก็เลิก มาดูเวลาเทียงทุ่มอะคะ่ะหลวงพ่อหนูไม่เคยปฏิบัติได้นานแล้วก็ดีมากขนาดนี้เลยค่ะหลวงพ่อคือตอนนั่งนั่งภาวนาไปอะจิตมันก็ภาวนาพุโทโธในใจใช่ไหมคะตอนช่วงแรกๆอะมันเหมือนมันยังมีหลุดออกไปข้างนอกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็เริ่มเริ่มเหมือนคุมคุมสติให้ให้มันอยู่อะคะ่ะหลวงพ่อ mm hmm. แล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยพอ ผ่านเวลาผ่านไปอ่ะมันรู้สึกมันมันสงบแล้วมันก็นิ่งจนรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันมันเหลืออยู่แค่ครึ่งข้างบนหนาหลวงพแล้วเสร็จเสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็รู้สึกว่านั่งนั่งไปนานๆสงบแสนแต่หนูมีสติรู้รู้ทุรู้รู้หมายถึงว่า ร, รู้สึกตัวทั่วไปหมดเลยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าไม่ไม่ได้หลับไม่ได้งูกเงกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยเหมือนจิตหนูอ่ะ มันรู้สึกว่ามันมันเหมือนว่าไอความรู้สึกเราอ่ะมันเหมือนกับเราอยู่ในเหมือนจับขีดค่อยไว้ในขวดอ่ะหลวงพ่อจิบมันเพื่อขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่ามันเกาะคำภาวนาไว้อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยหนูรู้สึกว่ามันมันเหมือนว่าไอไอตัวที่เรารู้สึกกับตัวเราเนี่ยมันคนคนละคนละอันกันใช่ไหมหลวงพ่อห น, หนูรู้สึกแบบเนี้ยค่ะก็ มันอย่าไปสนใจกับความรู้สึกเนี่ยให้เราอยู่กับพุทโธอยู่กับอานมณ์ที่เราใช้ใควบคุมจิตดีกว่าว่า <S S 2> แล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือความสงบนิ่งของจิตเราจิตสงบนิ่งแล้วไอ้ความรู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นเขาเขาเป็นเราเนี่ยมันก็จะหายไปเองมันจะเหลือแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้เฉย แต่หนูก็แค่รู้รู้สึกเฉยๆว่าเออเนี่ยมันมันมันรู้สึกแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเวทนามันก็มามันก็เริ่มปวดหนูหก็ก็ปล่อยมันก็ก็สเต็ปแรกมันก็เหมือนทนได้ทนได้ทนได้ก็รู้รู้รู้สึกตัวตลอดหนูเพราะแต่ว่าพอตอนนานๆสุดท้ายที่เจ็บมากที่สุดคือเจ็บขาหลวงพ่อมันเหมือนกับแบบว่าจิงเนี่ยมันบอกว่ายอมยอมอยากจะเจ็บก็เจ็บไปแบบเนี้หลวงพ่อ ก็ก็ปล่อยก็ปล่อยมันไปค่ะพ่อใชพอปล่อยแน่มันก็มันก็สบายใช่ไหมใช่คช่ค่ะอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยาให้มันเจ็บไปอยู่กรือความเจ็บไปค่ะแล้วก็วันจันทร์หนูก็ไปทํางานแล้วหนูไปเปิดเทเทปอันก่อนๆของหลวงพ่อค่ะพ่อบอกว่าเอ่อให้เหมือนให้จําว่าเราเคยนั่งแบบไหนแล้วรู้สึกว่ามันดีอะไรเงี้ย แต่ทีเนี้ยหนูก็ไม่ไม่ได้จดคือใจอ่ะมันนึกว่าเออจะนั่งยังไงให้เหมือนกับเมื่อคืนนี้อะไรเงี้ยหลวงพ่อบอกว่าคือถ้าถ้าเราอยากอย่างเงี้ยมันมันก็จะไม่เหมือนกับมันจะไม่ได้อะไรเงี้ยหลวงพ่อเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานเนี่ยเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ใช่มานั่งคิดแต่อยากให้มันเหมือนเมื่อวานนี้อยากให้มันได้แทนี่จะดูพุทโธพุทโธไปมันไม่มีพุทโธมันก็เลยไม่ไม่สงบหนูก็เลย พอฟังเทปเก่าของหลวงพ่อหนูก็เลยตัดไปแต่ว่ามันก็นั่งนั่งได้ชั่วโมงกว่าซึ่งปกติหนูได้แค่สิบนาทีที่เคยผ่านมาก่อนอันเนี้ยหนูมาฟังหลวงพ่อประมาณพุดเนี้ยพุด ท, ที่สี่แล้วค่ะแล้วแล้วทีเนี้ยที่เคยปฏิบัติมาหนูไม่เคยได้นานขนาดอย่าง น, นี้เลยเอ่ะตั้งแต่มาฟังหลวงพ่อค่ะก็ดีก็รู้ว่ามันเรามีการพัฒนาเราทํามาถูกทางค่ะ เรายึดสติเป็นหลักสติเป็นผู้ที่ยะให้ผลกับเราครั้งต่อไปถ้ามันนั่งมันไปอยากให้มันยาวมันมันจะไม่ได้นะต้องอยากไปอยากให้มันนั่งยาวเหมือนเขานี่ะก็าพอเราเริ่มต้นแล้วก็อยู่กับพูดโธพูดโธไปมันจะยาวไม่ยาวก็ไม่ต้องไปสนใจมันหลงพ่อคะแล้ ว, แ ล, วแล้วทีนี้พอดีเมื่อวานเนี่ยหนูมีปัญหา ก, กับลูกอะค่ะลูกที่หนูเคยบอกหลวงพ่อว่าเขาเป็นเด็กพิเศษอะคะ่ะหลวงพ่อ S <S เหมือน <ừ. S 1> อารมณ์เขาแบบไม่ไ ม, ไม่ค่อยแน่นอนเงี้ยเขาก็อาเราว่าทีสปาเนี้ยซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยหนูก็จะทนไม่ได้หนูก็จะไม่อดทนหนูก็จะแบบไปใส่เ้าอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานเนี้ยหนูก็เหมือนแบบว่าเหมือนมีสติมากขึ้นอะ่ะก็คือเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าเราก็เลี้ยงเขาเท่าที่เราดูแลเขาเท่าที่เป็นเป็นไปได้ตามความเป็นจริงค่ะ แต่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะทําให้เราเครียดแล้วพอเราไม่ได้เราก็จะโกรธใช่ค่ะแต่พอหนูนึกถึงพ่อหนูก็เออใจมันเหมือนก็มันซอฟๆลงมันก็ไม่ไม่ได้แบบไปผูกแบบเจ็บมากอะไรเงี้ยหนูก็ปล่อ ย, ป, อยป่อยเข้าไปแล้วก็พอเช้ามามันก็เหมือนแบบเขาก็รู้เหมือนเหมือนรู้สึก ผิดบ้างอะไรเงี้ยหนก็วันนี้ก็อพอสงบลงได้บ้างสำรับพ่อได้มันมันทําให้เขามีความรู้สึก ว, ว่าเออเราไม่ได้ไปอไปอไปต่อ<ห>ต้านเขาไปทํำลายเขาทำลาย ไ, ไปขัดใจเขานะไหวเขาไปแล้วเดี๋ยวพ่อก็ได้สติเขาก็จะรู้ว่าอานี่เร า, เ, าเราไม่ได้ไปทําอะไรเขาให้เขาไม่พอใจ หลวงพ่อคะแล้วอย่างนี้หนูก็ปฏิบัติแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะหลวงพ่อถูกต้องก็ใช้สติเป็นหลักแล้วก็ใช้ปัญญาคือเหตุผลเป็นตัวช่วยเราพิจารณาว่าควรจะทําอะไรมากน้อยเพียงไรอย่างไรอันไหนทําได้ก็ทําไปอันไหนทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยวาง พ, พอเราไปควบคุมบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามาใใความต้องการของเราไม่ได้แร้ว สัพเพ昙มาหน้าตาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเห็นแต่ว่าบางเวลาเราควบคุมได้เราก็เลยคิดว่าเราจะไปควบคุมมันได้ตลอดเวล า, าเเ๋ยวราต้องพยายามนึกถึงนว่าเดี๋ยวต้องเจอเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไปทํำอะไรไม่ได้พอทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเฉยยอมไหวเข้าไป มันมันก็ทุกมากๆเลยค่ะหลวงพอถ้าพ <ไป S 1> ยายามต่อสู้กันไปเพื่อให้ได้ตามใจอยากมันก็เครียดขึ้นค่ะทุกขึ้นเลยอย่างที่เขาอารวาสเมื่อวานกลับมาหนูก็คือทำํำธุระอะไรเสร็จหนูก็เข้าห้องสวนมนแบบเหมือนให้ให้ใจมันได้พกักหนพูพอแล้วหนูก็ปฏิบัติไปชั่วโมงกว่าค่ะเออไม่เลยเขาก็หลับไปแล้วอะไรดีนะปล่อยเข้าไปเมื่อพูดพูดจะไม่รู้เรื่องก็ต้องปล่อยเขาแล้ว ค่ะก็รู้สึกเหมือนใครใครลงมาบ้างคือไม่ได้ปล่อยแบบไม่มีการดูแลเลยก็ดูแลไปไม่ก็ดูแลให้ไปโรงเรียนอะไรเนี้ยค่ะอย่างวันนี้ก็ไม่พ่อเขาสอนไม่ได้ก็ไปไม่ได้ไม่ไปก็ไปก็เหมือนแล้วไปค่ะถ้าไปได้ก็ไปพอดีช่วงนี้เขาโควิดใช่ไ่มคะก็เลยเอามาอยู่ที่ออฟฟิศนะคะหลวงพ่ออืแล้ววันนี้ก็ กลับมาก็ให้พ่อพสอนทํากันบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็มาฟังหนูพ่อตอบโอเคใช่พยายามมีสติอยู่กับตัวตลาดเวลานะคอยควบคุมความคิดควบคุมความอยาก อ, อ, อาจารย์ดีก่อนนะค่ะหนูพ่อขอบพระคุณค่ <Okay. S 2> ะโอเคแต่หนูขอฟังตอบไปเรื่อยๆนะคะได้เชิญอาจารย์พรหมวิไลจากกรุงเทพมีอะไรไหม เลยจะฟัาางไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ค่ะขอฟังไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่า uh huh. ได้ข้อคิดดีมานะคะ uh huh. ในเรื่องหกปัญญาเพราะว่าก็ตามดูตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเราเนี่ยเวลาอะไรมากระทบเนี่ยใจเรานิ่งไหมอ่านะเรก็พยายามที่จะเรียกว่าไม่วิ่งหนีนะคะแต่ว่าถามตัวเองว่า uh huh. เออมันก็เท่านี้เองนะคะล้วก็ปล่อยมันผ่านไปผ่านไ ป, อ ย, ปอ ย, ยอมอยู่เยน็น ยอมแล้วก็หยุดเฉยๆไตมันจะเย็นใช่ค่ะก็สบายเลยค่ะโอเคก็สบายมากๆค่ะตอนนี้เมื่อกี้ยอนมีเทวดามอยู่โผลมาข้าเทวดาโผล่มาค่ะฟังจากเฟซบุ๊กแล้วฟังคนละเครื่องค่ะอ๋สบานะเป็นยังไงสบายไหมสบายดีนะโอ้โหกับนักมรสการพู้อาวุโสสบายดีครับ เมื่อเช้าเพิ่งไปเล่นกอล์ฟอากาศดีมากเลยชอากาศเย็นสบายเพื่อนที่ทำงานเ็าว o r k from home แล้วไปพูปชินเราก็เสียแรงปล่อยจิดว่างโอเคนะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะได้คุยกับท่านต่อไปคุณเกสเลนจากนอร์ทแคโรไลนาเชิญ การนับการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้เมื่อวานโยมนั่งสมาธิแล้วจิตมันนิ่งสงบแต่ว่าพอจิตนิ่งปุ๊บเนี่ยลมหายใจหายมันจะเป็นช่วงขณะที่ว่าอยู่ดีๆลมหายใจเนี่ยมันจะแรงออกมาแล้วมันก็หายเป็นชั่วงขณะนะเจ้าค่ะเออมันเหมือนจะหากไันเกิ ด, าดจากอะไรไมเหมือนกับขาดใจเวลาจิตมันสงบก็ไม่ต้องไปสนใจ มันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปอันนี้เราจิตเราเราเราคิดรวมลวงในไตลักษ์ได้ไหมเจ้าคะว่าจิตไม่สนิท จ, จิตที่นิ่งก็ไม่ ไ, ม, ไ, ม, ไ ม, ม่ไม่ไม่เที่ยงอืมไม่มีเวลาเที่ยแน่นอนอนะคะแล้วก็เมื่อวัน ก, อนก่อนก็มีเรื่องนิดหนึ่งในครอบครัวพอเวลาเราเราเกิดอารมณ์โทสะเนี่ยเกิดขึ้น มันจะรับรู้ได้ทันทีเลยเจ้าค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยอารมณ์โทรศัพ์เราออกมาแต่เพียงแต่ว่าเรารู้อยู่เฉยเพอจิตเราสติเราเดี๋ยวนี้มันไวขึ้นงไงเมื่อก่อนเราจิตเราจะทรงออกหน้ามือนี้จิตมันกลับเข้าไปข้างในมันเลยเห็นอาการต่ า, า, รางๆที่เกิดขึ้นข้างในได้เร็วขึ้นะเวลาเราศึกษาโ<ต>ย<อ>มยก็เราดึงจิตให้เข้ามาข้างในแล้วค่ะโยมโย ม, ยมตอนนี้โยมฝึก เ่อช้าโยมเพิ่งครั้งแรกว่าฝึกนักสมาธิที่ว่าท่องในกายนะเจ้าค่ะท่องท่องดูในกายทําให้แบบว่าไม่ง่วงถ้าถ้าเราเหมือนกับว่าบางทีนักสมาพิธมันเกิดอาการง่วงก็เลยลองมาพิจารณาดูท่องดูในกายดูมันก็ช่วยละไปวิวนไปได้นะเจ้าค่ะได้มันทํำเราตื่นเพราะเราต้องบังคับให้มันคิดคถึงอาการสามสิบสองใช่ไหมเจ้าค่ะอื ที่ยอมยมเอ่อที่เจนาผมขนเล็บฟันหนังนม่เจ้าค่ะออบางทีเราก็คิดคิดแต่ว่าบางทีภาพมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแต่เราก็ให้แค่รู้ว่านี่ผมนี่เล็บนี่หนังอะไรประมาณเนี้ยเจ้าค่ ะ, ะดีอันนี้เป็นการฝึกสติแล้วก็ฝึกปัญญาภายในตัวได้เจ้าค่ ะ, ะช่วงนี้ปฏิบัติได้เยอะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยู่บ้านก็เลยมีโอกาสปฏิบัติได้เยอะ รีบช่วยอากาศใช่ไหมไม่อันนี้ก็ไม่ทิ้งแต้แน่นอนเจ้าอากาศก็จะอาจจะกลับมากันอีเจ้าค่ะโยมพยายามช่วยอากาศตรงนี้โยมไม่มีอะไรเจ้าค่ะโยมแค่มาฟังธรรมเจ้าค่ะอันนี้เองเจ้ายังไม่ตื่นนะเจ้ายังไม่ตื่นใช่ไหมยังเจ้าค่ะอากาศเย็นนกแก้วนกขอกระทูนกขอกคอกระทูเจ้าค่ะ ที่นอกชาแนาตอนนี้หนาวไหมโอตอนนี้หนาวมากเจ้าค่ะแต่โชคดีที่ว่าไม่มีหิมะนี่โอเคแต่นนหนาวอย่างเดียวเจ้าค่ะค่ะทุกเจ้าค่ะทำไปต่อนะเดี๋จะไปค่อรดาจากชติอยู่ใกล้ๆกันนี้การกราการเจ้าค่ะมีอะไรหมมีคาถาม น, นิดเดียว ถ้าเราปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ได้ในข่ำมะบารมีใช่ไหมเจ้าคะได้ได้เพราะเราไม่ได้เป็นนอนที่นอนอ่าอย่าไปเสพกลามอะไรอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสอก็อย่าไปดูหนังฟังเพลงอย่าไปหาขนมอะไรกินอะไรนอนเครื่องดื่มอะไรอยู่ในห้องพระอย่างอ่เราก็อยู่เหมือนกันเราตอนที่เราอยู่ที่วัดเนี่ยเราก็สํารวมจิตรจผูกจมูกนิ่คกาแล้วก็ได้วันได้ข่ำมะ าาค่ะค่ะก็ถือสินตากันนะสินตาก็คือให้ความมัอ๋อเจ้าค่ะยังมาสินตาก็ไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนะค่<ภา>ไม่กินอาหารให้อร่ออร่อยให้มันอให้เป็นความสุขกินเพื่ออยู่จะไม่อยู่เพื่อกินแล้วก็ไม่หาความสุขจากพวกบันเทิงมอกระศอกอะไรต่างๆไม่หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายใส่เสื้อผ้าสวยๆงาม แต่งหน้าทาปากอะไเนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบัติในธรรมะแล้วก็ไม่นอนบนทุกข์หนาๆเตียงใหญ่ๆนอนบนเตียงแข็งๆไม่ให้มันสบายจนเกินไปไม่ให้ะความสุขจากจากเรื่องสิ่งเหล่านี้ในว่าเนธรรมะอดนีไปอ่านแล้วบอกว่าออกออกจากบ้านเรือนหนูก็เลยสงสย่ใช่กจากบ้านเรือนออกจากการเสพการ ออจากค่ะออกจากการเสพอะการมคุณห้าือรวบเสียงกินลดบทพระซึ่งส่วนใหญ่เขาไปเขาก็ออกจากบ้านเลยเงไปเพราะมันปฏิบัติในบ้านไม่มได้องไปอยู่ที่วัดกันแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวหรือคนสองคนแล้วเรามี ค, ความเป็น ส, ส, วนส่วนตัวมี<อ>มห้องเราก็เราก็ทำห้องของเราเป็นวัดไปก็ได้เขียนไปาม่ยู่ข้างหน้า <laughs> ตันนี้กําลัง่จะรู้ค่ะเขารู้เมื่อก่อนเขาจะซื้ออาหารไว้ให้หนึ่งมื้อเดี๋ยวแต่ว่าันเลยควยให้เราเป็วันพระด้วยใช่ไหมวันนี้วันพระค่ะถ้าถ้าปฏิบัติคือเขาจะจะซื้ออาหารไว้ให้มื้อหนึ่งค่ะแค่นั้นไม่มีอะไรเจ้าค่ะวันนี้วันนี้เอามื้อเดียวเ เปล่าค่ะวันนี้วันนี้ไม่ได้ถือศีลค่ะหมายถึงว่าตอนที่ตอนที่ตอนที่ถือศีลนะเขาจะจะมีคนเขาจะซื้อเหมือนหนึ่งเจ้าข่ะพระอาจารย์คะมีเท่านี้ค่ะท่านต่อไปคุณเอกจากเชียงรายไปไงมีอะไรไหมหนาวไม่ที่เชียงรายวันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยหม่ทันมิ้วการ ไม่เจอไอ้ที่กดแลอุมอยู่ตรงกลางไหมตรงกลางกลา ง, งหน้าจอเลยจอันนี้ใครใครกดได้วันนี้ราไปกดไม่ได้มีเมนูขึ้นที่กลางหน้าจอไหมฮะด้านล่าง เฮ้ยรัยวไม่ขึ้นอ๋อมาแล้วมาแล้วพูดได้แล้วเชิญพูดได้ครับพระอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินแล้วเชิญผมกรับมาพิการพระอาจารย์ครั บ, บ, รรรรรรบแล้วสวัสดีคุณบอยกับทางทีมงานด้วยนะครับครับวันนี้เ อ, อที่เชียงรายก็หนาวอยู่ครับพระอาจารย์ วันนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานครับเมื่อวานเมื่อวาน11องศาครับวันนี้ก็13องศามีอะไรไหมวันนี้ไม่ได้ยินอย่างครับผมก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็กลับเรียนพระอาจารย์นะครับพอสัปดาห์ที่ผ่านมาพอดี มีการบ้านเข้ามาสู้กับเวทนาไม่ไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ครับพระอจารยคือปวดที่ไม่ใช่สติเนี่ยไม่ใช่พุทโธที่เดียจพ<อ>ุทโมันก็เลยทนไม่ไหวครับผมอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไปไม่ไต้องไปสนใจอืมครับคงสติคงน้อยไป น, น้อยไป น, นะครับอย่าหยุดพุทโธครับผม หรืสวนมนต์ไปก็ได้ที่ปีโสรประกวาลามสัมมาสัพพุโทโธวิชาชาชนะสัมปันโนอมครับผมครับผมก็ไม่ไม่ผ่านตรงที่เวทนานะครับแต่ว่าพระอาจารย์ก็ได้เทศให้กับท่านก่อนหน้านี้ฟังไปแล้วก็เดี๋ยวคมคงเอาไปปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ได้ได้เทศไว้อ่ะครับออพยายามฝึกสติไปเรืนะ่อยๆหัดท่องพุโทโธไปเรืนะ่อยๆ พอถึงเวลาจะใช้มันมันจะได้ท่องได้ถ้าไม่ท่องไว้ถึงเวลามันจะท่องมันท่องไม่ออกครับผมครับผมก็มีกับเรียนพระอาจารย์คณีครับกับขอบคุณพระจารย์ครับผมถึงไปที่คุณกัปี้ก๊อฟจากสุราษฎานีนะคุณก๊อฟตามนรมัสการครับอมีอะไรไหมอ๋อ วันนี้ไม่มีครับมานั่งฟังครับเพราะว่าทํางานทุกวันแล้วก็วันพุธเป็นวันที่ได้มาพักเบรคแบบชาร์พลังนะครับผมอครับมาฟังไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไปปฏิบัติต่อนะค ร, อครับผ ม, มครับแต่ผมครับคุณสุทัศนีไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเปิดไมค์ก่อน อ, อันยูออยู่ที่ไหนอยู่ปทุมธานีจ้าค่ะพระอาจารย์อมีอะไรไหม มีคำถามเรื่องการปฏิบัติเจ้าค่ะเชิญปกติหนูนั่งสมาธิค่ะผ่านไปสักส0มสิบนาทีมันจะเกิดเวทนาค่ะก็คือมีความรู้สึกเจ็บบริเวณขาที่นั่งทับนะคะอาจารย์แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิตอนนั้นหนูใช้อนาปานสติเจ้าค่ะวันนั้นทำไมนั่งแล้วรู้สึก ไม่ไม่มันไม่รู้สึกถึงเวทนาเลยค่ะมันอยู่ที่สติเราไงถ้าเราสติดีจิตมันก็สงบเร็วสงบก่นที่เวทนาจะเกิดมันก็เลยไม่รับมันเลยไม่รู้สึกว่ามีเวทนามารบกวนเจ้าค่ะแล้วก็ถา ม, มถามเรื่องอ่าสมาธิวันนั้นนะเจ้าค่ะอะพอนั่งก็ตั้งใจดูลมที่ปลายจมูกเจ้าค่ะพอผ่านไปสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นลมลมมันแรงผ่านพัดเข้ามาค่ะ พอเราดูไปเ ร, เรื่อยๆเรื่อยๆลมมันจะเริ่มเบาลงเจ้าค่ะเบาลงเบาลงจนพักใหญ่หนูก็ไม่เจอลมเลยค่ะพอไม่เจอลมปุ๊บมันมันว่างอาจารย์คะพอมันว่างว่างได้สักห้านาทีหรือไม่ไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่าแล้วมันก็วุ๊บเจ้าค่ะอาจารย์คะพอวุบค่ะแต่มันหนูตกใจมากเจ้าค่ะเพราะว่า มันมันไม่เคยเป็นแรกไม่เคยเป็นไม่เป็นไรนั่นแหละเวลาดูลมแล้วจิตเวลาสงบมันก็จะเหมือนลมหายไปแล้วเหมือนกับว่ามันจะบุกลงไปค่ะรู้เฉยเฉยให้มีสติรู้เฉยเฉยต่อไปไม่ต้องไปกลัวไม่มีปัญหาอะไรมันเหมือนหลุดออกไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเจ้าค่ะเอมันเข้าไปข้างในมันเข้าไปในจิตเนี่ยออกจากกายเข้าสู่จิตเนี่ยค่ะแต่มันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวแล้วพอหนูตกใจตกใจมาก อนึกถึงท่านพระอาจารย์ก็เลยแบบเป็นอย่างนี้เลยเหรออุทานในใจแล้ครับแล้วจิตมันก็หยาบแล้วก็เด้งออกมาเอไม่เป็นไรละอันนี้ส่วนใหญ่เวลาเจอขรัง้งแรกมันก็จะตื่นเต้นตกใจต่อไปมันพอรู้ว่าเป็นอะไรแนละ้วมันก็จะเฉย ๆ, ๆต่อไปก็มี <จะ S 1> สติรู้ต่อไปค่ะ อ, อะถ้าถ้าเราวุบลงไปแล้วเราจะต้องทอํายังไงต่อคะพระอาจารย์ แล้วเราไม่ต้องทำอะไรนะมันก็จะเนิ่งใจก็จะนิ่งเฉยๆมันเราก็เ่าดูมันไปเฉยๆสัตวแต่ว่ารู้ไปรู้กับความเนิ่งรู้กับความว่ารู้กับความเย็นสบายของจิตนี่ขนนั้นลมไม่มีก็ไม่ไม่ไม่ก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปค้นหาลมอยู่กับสิ่งที่มันมีอยู่ซึ่งมันจะไม่มีอะไรมันจะเป็นความว่าค่ะใช่เจ้าค่ะ ก็อยู่กับความมากไปจึงป่าจิตมันจะถอนออกมาแล้วเริ่มคิดถ้าอยากจะนั่งต่อก็ดูลมต่อก็ได้ค่ะพอมันวุบเข้าไปมันเด้งออกมาแล้วก็มันมาจาักที่ลมหยาบต่อเจ้าค่ะอ่าเริ่มต้นใหม่มมหมอ๋อค่ะแล้วค่ะแล้วก็มีคำถามอีกคำถามหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะคือก่อนหน้าที่จ ะ, ะปกติหนูปฏิบัติก็คือใช้ อ่าพุโทโธช่วงระหว่างวันเจ้าค่ะช่วงที่เราทํางานแล้วไม่ได้ใช้ความคิดก็อ่าพอดีมันดูดูร่างกายมันเอาไว้อยู่อะค่ะอก็เลยพุโทโธสั่งทับได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ค่ะพุโทโธนี่ใช้ได้ตลอดเวลาดูไปด้วยแล้วก็ใช้พุโทโธกํากับไปด้วยก็ได้ดูว่าเรากําลังทําอะไรแล้วถ้ามันจะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็ใช้พุโทโธพุทโธช่วยอีกที เจ้าค่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่ต้องเข้าผ่าตัดใหญ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ปีหนูเป็นอ่าเนื้องอกที่ต่อมไทรอยช่วงนั้นเริ่มปฏิบัติสติได้ประมาณสักเกือบเกือบปีเจ้าค่ะอะ่าแล้วก็ได้ศึกษาทําจากท่านพระอาจารย์ค่ะช่วงนั้นก็เพิ่งเริ่มฝึกสติอ่าตอนก่อนเข้าห้องผ่าตัดเจ้าค่ะก็ไม่รู้จิตมันกลัวมากหรืออะไรแต่ว่าตอนที่เขาจะมาฉีดยาสลบเข้าที่แข็งเรา จิตมันก็เริ่มบริกรรมเลยเจ้าค่ะพุโทโธพุโทโธพุโทโธแบบรัวเลยค่ะแล้วก็คุณหมอดมยาก็มาบอกอีกทีหนึ่งค่ะว่าเขาจะอ่าหลับแล้วนะจะให้เราหลับแล้วนะ <c oughs> แต่จิตมันก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยเจ้าค่ะมันอยู่ที่พุโทโธจนจนสติเราขาดเรารู้เลยค่ะว่าสติมันจะขาดแล้วนะเราก็พุโทโธจนเพือกสุดท้ายเจ้าค่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนี้สมมุติว่ามีอะไรเกิดขึ้นขณะที่ ที่ที่เราผ่าจัดเช่นเกิดตายอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ไปดีไหมเจ้าคะอาจารย์ครับมันสงบถ้ามีพุโทโธมันก็มัน ก, มนก็มันก็ไปดีอ๋อเจ้าค่ะถ้ามันไม่ตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวเป็นบ้าอะไรเงี้ก็จะไปดีหรือว่ากูาไม่จิตมันนน่งสงบพระมันสักแต่ว่ารู้ไปเจ้าค่ะวันนั้นไม่เป็นเลยรู้สึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเจ้าค่ะอ่าใช่เป็นที่พึ่งทางใจได้รักษาใจ ให้ตั้ง<ะ>มันอยู่ในความสงบอยู่ในความสุขถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่มากระตุกตกระเทือนกับใจถ้ามีถ้ามีสารณะมีพุโทโธนั้ฝึกสติไปแล้วถ้าใช้ปัญญาได้ก็พิจารณาร่างกายเพามันไม่ใช่ตัวเราของเรา<ะ>เราเป็นนายเจ้าร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นนายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิด เมื่อถึงเวลาจะต้องยากผูกจักรันก็ปล่อยมันไปอยไปยื้อย่าไปยึดอย่าไปติดเจ้าค่ะตอนนั้นใช้ใจให้ปล่อยนะมันจะตายก็ปล่อยมันตายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราจะอยู่กับพูดโทรพูดโธไปค่ะรู้สึกเลยว่าตอนนั้นแบบจิตมันมีที่เกาะเจ้าค่ ะ, ะมันจะแบบไม่กลัวเลยแล้วค่ะออค่ะแล้วพอพอผ่าตัดเสร็จตอนที่คุณหมอเขาถอดเครื่องดมยาออกเราก็เริ่มเริ่มเริ่มจะเหมือนจะรู้สึกตัวเจ้าค่ะ อ่ามันก็มีความเหมือนรู้สึกอึดอัดแล้วก็เจ็บช่วงนั้นเราก็ไม่ได้กระวนกระวายแล้วก็ท่องพุทโธเจ้าค่ะอาจารย์คะพอพอได้สติแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไปเลยมันดีมากเลยเจ้าค่ะออดีแล้วล่ะได้สติแล้วได้ที่พึ่งนะแล้วก็ได้สติต่อไปก็สร้างปัญญาขึ้นมาซึ่งจะเป็นที่พึ่งดีกว่าสติเจ้าค่ะอาจารย์ปัญญาจะสอนให้ปล่อยว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา ไม่เทียมเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาเราจะม่กขขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะคจะต้องรักษาสติไว้อยู่เรื่อยๆนะอย่าทิ้งนะได้แล้วมันถ้าไม่ทำต่อมันหายได้นะสติตนี้มันเสริมได้เ<ต>จริญได้เสริมได้แต่เวลาปัญญา ฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันมันก็ค่อนข้างยากนะพระอาจารย์ค่ะมันมันมีความคิดที่คอจะดึงออกไปตลอดเลยเจ้าค่ะแต่พยายามทำไปเรื่อยๆต่อไปมันจะติดเป็นนิสัยมันจะไม่พ้ไ ป, ไปเวลาไปมันก็จะดึงกลับมาทันทีค่ะอีกคำถามสุดท้ายค่ะพระอาจารย์ค่ ะ, อะตอนนั้นหนูเดินทางไปไปประเทศเยอรม น, นีเจ้าค่ ะ, ะไปมิวนิกค่ ะ, ะไปไปงานของบอ็มไทยแลนดอแล้วก็ไปพักที่โรงแรม แห่งหนึ่งในในกลางเมืองเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะ อ, อตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้ปฏิบัตินะเจ้าคะแต่เริ่มอ่าเริ่มทําบุญแล้วก็รู้รู้ทานรู้ศีลแต่ยังไม่ได้ภาวนาเจ้าค่ะ อ, อตอนดึกคืนนั้นประมาณตีสี่ของเยอรมันเจ้าค่ะอาจารย์หนูหลับไปนะคะแล้วก็พอหลับแล้วพอหลับไปแล้วมันกึ่งหลับกึ่งตื่นตอนนั้นมันเห็น มันเห็นเหมือนดวงวิญญาณของผู้หญิงเจ้าค่ะพระอาจารย์คะเขาเข้ามาในตอนที่เราหลับ เ, เข้ามาแล้วก็เสียงเขาค่อนข้างชัดเจนมากเขาอยู่เฉยๆแต่ว่ามันมีเสียงเหมือนกระแสจิตส่งมาที่เราแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่ตรงนี้มันมืดมากเออแล้วหนูก็ได้สติแล้วก็หุยตกใจกลัวแล้วก็ตื่นขึ้ น, นมาเลยเจ้าค่ะแ mm hmm. ล้วอยากถามพระอาจารย์ว่าเออมันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่ามีมีดวงวิ ญ, ญญาณจริงๆ มันก็เป็นได้สองอย่างาคือมันอาจจะเป็นจิตเราส่งไปปรุงแต่งขึ้นมาเองหรือว่าเป็นดวงวิญญาตจริงๆก็ได้จะรู้ว่าเป็นจริงก็ต้องคุยกับเขาได้ถามชาวทุกสุขติว่าเป็นยังไงอยู่ที่ไหนมีอะไรอ่ตอนนั้ น, ถ, น, นถ้าคุยกันได้ก็เป็นของจริง ตอนนั้นมันกลัวมากค่ะพี่ตันขาแล้วก็มันเหมือนจริงมากพอกลับมาถึงเมืองไทยหนูก็รีบไปทําอ่าบุญถวายสังฆทานอุทิศบุญให้เขาเลยเจ้าค่ะได้ไปก่อนก็ได้ถ้าเรายังไม่มีกาลังที่จะเผชิญหน้ากับเขาได้นะคก็บเราก็หลบไปก่อนค่ะกลัวเจ้าค่ะตอนนั้นค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกก็เหมือนดูทีวีเหมือนกับเราดูกันตอนนี้ คเราคุยกันตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายเราเป็นภาพของเราบนจอเนี่ยจะขาดกระจาย์สิ่งที่เราเห็นใจของเราก็เป็นจอจอทีวีแล้วสิ่งที่เห็นก็เป็นภาพที่ปรากฏบนจอทีวีนี่ค่ะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เราเป็นคนดูอย่างคนที่อยู่ในจอนี่จะวิ่งออกมาตบหน้าเราตะหัวเราไม่ได้หรอกอาจารยงขาแล้วแล้วเราอุทิศบุญเนี่ย<ม>เขาอยู่เขาอยู่สมมติว่าเขาอยู่ไกลเราก็สามารถส่ง สมบูรณ์นี่เขาได้ใช่ไหมใช่ใช่ใชคือถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับบุญถ้าเขาไม่ได้รอรับก็เขาเราก็ให้คนอื่นไปต่อก็ได้ที่ได้สัพพสัตทั้งหลายไปด้วยให้ให้ผู้นี้แล้วถ้าเขาไม่ไม่รับก็คอยเป็นของสรรพสัตผู้ใดที่ต้องการก็ให้เขารับไปเจ้าค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์หน้าเจ้าค่ะโอเคออย่าทิ้งนะจะเรามาเราได้ของดีแล้ว ต้องรักษาไว้ต่อไปนะค่ะตอนนั้นดีใจมากแล้วก็ก็คิดในใจเลยเจ้าค่ะว่าเออเรารู้แล้วว่าต้องเข้ายังไงทีนี้ทีนั้นแหละ่อไปจะได้มีที่เวลามีปัญหาอะไรก็หลบได้เข้าไปเพิงได้เข้าไปหาความสงบค่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะอาจารย์จะได้ให้ท่านอื่นต่อโอเค บบเมื่อกีนี่บอกว่าอยู่เงเทใช่ไังนอยูป่ประทุมธานีเจ้าค่ะระจนทร์นน ค, ค่ะท่านต่อไปคุณสุภัตนาอยู่บเวนเชิญกลาวรวัติาการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ยินไหเจ้าค่ะได้ยินได้ยินใช่ถ้าดังสักหน่อยก็ได้ พอดีว่าวันนี้ตอนแรกว่าจะฟังเสฉยเพราะเออวันนี้มันได้ฟังทำคำหนึ่งที่ที่โยมเข้าใจว่าคําว่ารู้ทุกเนี่ยหมายถึงว่าทุกทุกคือว่าให้ใจรู้ทุกทางกายแต่ว่าคําว่ารู้ทุกในที่นี้หมายถึงว่ารู้ว่าใจมันทุกใช่ไหมคะพระอาจารย์เูอไม่สบายใจมันไม่สบายใจนี่ แล้วก็ที่เราปฏิบัติธรรมแล้วที่บอกว่ารู้ทุกรู้ทุกแล้วก็ละนี่ก็หมายถึงว่าทำทำปฏิบัติโดยที่ให้ใจหายทุก์ให้ใจคลายทุกใชค้นจากทุกอันนี้คือคืออย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่โดยการไปละเหตุที่ทําให้ใจเราทุกเนี่ยออเหตุที่ทําให้ใจเราทุกก็คือความอยากของเราเนี่ยโอเคก็คือเข้าใจในขณะที่ไม่ได้นั่งสมาธิเราหาแต่ว่าเหมือนกับว่า พิจารณาอันนี้ไม่ได้พิจารณาไตรักแต่พิจารณาคําว่าการการที่เรามีความทุกข์เรามีความคําว่าลําบากก็คือร่างกายลําบากแต่ถ้าใจไม่ลําบากก็คือใจไม่ทุกข์ไปกับกายอันนี้อันนี้ยอมเขา้าใจถูกไหมเจ้าคะใจเฉยๆร่า ง, งกายลําบากก็เรื่องของมันนะคะบังเทามันได้ก็บังเทาไปบังเทาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันให้มันอยู่เือของมันไปค่ะก็คือว่า ทำทําให้ใจหายทุกข์อ่จะไม่ไปทุกข์กับมันเพราะไม่มีความอยากให้มันหายจากความลำบากเจ้าค่ะอันนี้โยมเจ้าใครจะเข้าใจถูกแล้วนะเจ้าค่ะมันมีสองส่วนเงี่ยทุกข์กายกับทุกข์ใจพอมีทุกข์กายปั๊บใจมันจะไปทุกข์ตามด้วยถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสติแล้วมาฝึกแสดงมีปัญญาแล้วก็มีสติปัญญายับยั้งความทุกข์ใจได้ไม่ให้ไปทุกข์กับความทุกข์ของทางร่างกายได้ เนาะค่ะพอดีวันนี้มีมีเพื่อนมีน้องที่เขาปฏิบัติเหมือนกันเขาบอกว่าตอนเนี้ยช่วงเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าเขารู้ทุกข์รู้ทุกข์ก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าเอคําว่ารู้ทุกข์ในที่นี้คือถ้าเราจทุกใมีความยากจนหรือว่าอย่างอย่างคนที่เขาลําบากเขาเขาถ้าเขาไม่มีความทุกข์ใจเขาก็จะสบายแต่ว่า ความเป็นภูเขาก็ไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงอย่างเงี้ยค่ะพระพุทธเจ้าพระลานี่ท่านเป็นคนยากจนมีไม่มีสมบัติอะไรเลยก็ค่ะมีสมบัติแค่แปดชิน้รบบรนนัทถบุญขันธ์แต่ท่านไม่ทุกข์ใจท่านสุขใจนะคะเพราะท่านไม่มีกิเลสไม่มีความอยากกค่ะส่วนนาเศรษฐีมีเงินเป็นล้านล้านพันล้านกต่ไม่มีความทุกข์ใจกะค่ะเพราะมีความอยาก อยากให้มันรวยกว่านี้แล้วอยากไม่ให้มันเงินที่มีอยู่เนี่ยหมดหายไปมันก็ทุกข์ขึ้นมาและเข้วค่ะใ่ไหมเข้ค่ะอ๋อขอบคุณพระอาจารย์เจ้ค่ะอเควันนี้มาการาบพระอาจารย์ด้วยนะคะสาธุเค่ะสาธุจ้าท่านต่อไปคุณโคคอนัทคุณโคคณนัทไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ได้ยินไหมคะได้ยินดังสักหน่อยก็ดีเข้ามาใกล้กัน ตอนนี้อยู่ภูเก็ตค่ะอ่าภูเก็ตนะครับปกติก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็อ่าไปคอยอดูแลแม่ผลัดน้องอะ่ะที่ระยองอแล้วก็เคยไปหาพระอาจารย์ด้วยอะค่ะอ่าตอนนี้ก็อยู่ภูเก็ตก็อยู่คนเดียวก็ตั้งใจว่าหนีโควิดมาแล้วก็อยากจะมาปฏิบัติให้เยอะๆค่ะแล้วก็ความที่แบบเอ่า คนอื่นเขาไว้ว่าจะวาดรูปอะค่ะคือว่าติดเอาไว้หลายปีแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะวาดวาดแล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วยอ่ะปรากฏว่ากลายเป็นว่าเราก็ไปติดเรื่องวาดรูปแล้วทั้ทงทังที่ก็อยากจะปฏิบัติทุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็วาดรูปไปก็ปฏิบัติได้มีสติให้อยู่การวาดรูปไป อ, อคแล้วก็อย่าไปคิดอะไรให้อยู่ในปัจจุบันคิดอยู่กับรูปที่เรากาลังวาดอยู่อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็เป็นการปฏิบัติเจริญสติไปถ้าเราอยู่คนเดียวนี้โอกาสที่จะปฏิบัติดีมีมากมีมมตัแต่ตืน่นขึ้นมาจนหลับเลยคือเริ่มต้นก็ฝึกสติไปปฏิบัติสติไปพยายามควบคุมใจให้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายกำลังมากภาพให้อยู่กับมันอย่าให้มันไปขึน้นเรื่องเลยนนี่ก็เป็นการฝึกสติพอเราไม่มีงานที่ต้องทําแล้วก็นั่งหลับตาดูลมหายใจต่อ ก็ได้ปฏิบัติเนร่วงนั่งหลับเนี่ยนั่งหลับตาเนี่ยนะคะอาจารย์ถ้าหลับก็เดินลุกขึ้นมาเดินเดินจงกรมกันเดินจงกรมเดินในบ้านเนี่ยเดินกลับไปกลับมาเวลาเดินก็ดูเท้าไปก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือจะท่องพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ก็ดูเหมือนว่าบางทีทําเยอะหมายความว่าแบบเลยจับจุดไม่ถูกหรือว่าสลับกันไปเรื่อยๆ ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้แต่ต้องรู้ว่าทำเพราะเหตุใดทําเพื่ออะไรทําเพื่อควบคุมความคิดควบคุมความอยากพยายามหยุดความคิดต่างๆให้ได้จะใช้วิธีไหนก็ได้ที่มันเหมาะกับเราในตอนนั้นถ้าใช้พุโทโธหยุดมันได้ก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปใช้บุดสวดบนได้ก็สวดไปก็ได้แล้วคอยบังอคอยบังคับให้มันอยู่กับงานที่เราทําอยู่ก็ได้ เราให้ทำงานอยู่อยู่กับงานอย่าไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่เราทำงานไปด้วยอาจารย์คะแล้วก็ เ, เวลาเวลานั่งเนี่ยตอนนี้อ า, อายุมากแล้วว่าหกสิบห้าแล้วก็คือแบบเกิดเป็นโรคโรคเขาเรียกภาษากฤษเขาเรียกอะไรเนี่ยค่ะภาษาไทยเขา อ, อะไรก็ไม่ทราบอะค่ ะ, ะเป็นโรคเจ็บเส้นหรือยังไงจากหลังแล้วก็ลงไปที่ ลงไปที่ขาค่ะเออก็ปกติเป็นคนนั่งขาชาอยู่แล้วค่ะครึ่งชั่วโมงนั้นเราก็ต้องยืดขาออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็แบบเหมือนก็ต้องมันต้องมีการขัดจังหวะอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าสมมติว่าจะนั่งสมาธินั่งเก้าอี้อย่างเนี้ยได้นั่งเก้าอี้ก็ได้จะนั่งได้นานๆเลยใช่ไหมคะได้ถ้าร่างกายมันไม่นั่งนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไปก็ได้ แต่เมื่อจะนั่งตรงไหนเนี่ยมก็ต้องเจ็บมันไม่เจ็บขามันก็ไม่เจ็บก้นแต่เมื่อ น, นั่งนานๆครับมันก็เจ็บในวิธีที่จะทำให้มันไม่ลาคาญก็คือเวลาเจ็บก็อย่าไปสนใจให้ท่อพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้อย่าให้ใจไปคิดถึงความเจ็บแล้วความเจ็บจะไม่มารบกวนใจแล้วเราก็จะนั่งต่อไปได้ขอแท้อีกเรื่องได้ไหมคะขอโทษเช่นะ <c oughs> <c oughs> <Okay. S 2> คือยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะที่นี่บ้านมันเป็นหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็ก็ทราบผ่าผ้าจารย์อ่านของพระ้าจารย์มาตลอดบอกว่าให้ให้ปล่อยเข้าไปอย่าไปสนใจอย่าไปให้คิดเป็นไตรรักษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางครั้งเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วมองไปที่สวนเนี่ยเราอดไม่ได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยจ้างคนมาดูแลเนี่ย <c oughs> แล้วแล้วแล้วแล้วเขาไม่ทำํำ <c oughs> อยากที่เราอยากจะให้ทำนะคะพูดไปเขาก็โกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะปล่อยวางมาก็หลายเดือนแล้วค่ะแล้วเขาก็บอกเลยบอกว่าไม่ต้องมาบอกให้เขาทําอะไรนะอะไรอย่างงี้ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านอ่ะแล้วนี่คือส่วนกลางที่เราจ่ายเขาอะไรเงี้ยนะคะเขาไม่ชอบเราอยู่คนเดียวหรือยังไงก็ไม่ทราบปรากฏว่าบ้านในเนี่ยค่ะก็แบบมีคนอยู่อยู่ไม่กี่คนก็พอดีเราก็แบบว่าปกติก็ไม่ค่อยจะไม่ได้อยู่ค่ะพอดีโควิดก็เลยหนีมาอยู่ตรงนี้ ปกติเขาดูแลกันเองเราก็ไม่เคยได้สนใจก็คิดว่าเมือนกาตอนที่เราไม่อยู่ก็แล้วกันตอนที่เราไม่อยู่เราไม่เห็นเดือนร้อนเลยเขาก็ทำของเขาไปตามเรื่องของเขามันมองว่าต้นไม้มันไม่ได้ตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใจเราใจเราไป็ําคาเองไม่ใช่เขาตอนที่เราไม่มาอยู่มันเราก็ไม่ลาคาใช่ไ้มเราก็ปล่อยมันเป็นไปได้ก็คิดถึาทำใจมันก็ว่าเราอยู่กรุงเทพก็แล้วกันอุบายใช่ไหมฮะอันนี้ เห็นเหมก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยได้ค่ะได้ค่ะเพรว่าเห็นแล้วทาอะไรไม่ได้ไปสั่งก็ไม่ได้ไปบอกเขาไม่ได้เนี่ยฮะต้องให้พระอาจารย์พูดเข้าหูตรงนี้เลยปกติอ่านแล้วยังแบบไม่อยากจะซึมมันก็แบบมันโกรธมันทําใจยอมหยุดเย็นใช้สูตรสามยอมยอมแพ้เขาคระเมื่อบอกเขาแล้วสั่งเขาแล้วก็ไม่ยอมทําก็เราก็ยอมแพ้เขาหยุดพูดหยุดไปสั่งเขา พอหยุดปับใจก็เย็ยนสบายเโล่งออกไปบอกพี่น้องนะเนี่ยยกทงขาวแล้วบอกยกธงขาวแล้วพี่น้องบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอะนั่นแหละให้อุบายเราให้แบบใจ<ห><ด>เรายัองอยากชนะอยู่มันปัญหาอยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่เขาเราให้เงินเขาแล้วเขาไม่ทำอะ่ะอโอ้ยเราทำบุญแม่เหนเราเดือดร้อนเราใส่บาตรเราก็ไม่ได้อะไรจากพระทำไมเราไม่เดือดร้อน ก็คิว่าเราทำบุญกัเข้าไปก็แล้วกันเสียบานก็เข้าไปก็แล้วกันค่สะสาธุเลยค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอปัญหาเป้าหมายคืออยากทุกข์ใจของเราอยากทุกข์นั้นคิดแบบไหนไม่ใช้อุบายน์แบบไหนคิดแล้วทําทให้ใจเราปล่อยได้ก็ดีนะเอาใจไว้ก่อนใช่ไหมค ะ, ค ใ, จะใจเราอย่าไปทุกข์เราต้องยอมยอมเขาเมื่อเขาไม่ยอมทําตามเราเราก็ยอม ปล่ยให้ก็ททำตามเรื่องของเขาไปสามยอนะคะอาจายามยอยอมแล้วก็หยุดยอมหยุดเย็นอแล้วก็ใจเย็นพอหยุดได้แล้วก็จะเย็ น, อ ย, ดดยน อ, อย่างพระพุทธเจ้าบอกองคนณีิมาว่าเราหยุดแล้วเธอานั้หากที่ยังไม่หยุดเนี่ยหยุดจากความโลภความโกรธความหลงแต่องคุณลิมายังมีความโลภยังอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยูอ่เอาตามค้าพระพุทธเจ้าถึงจะได้ บรรลุเนี่ย <Okay. S 1> เขาจ้าบอกว่าไม่ใช่เป็นการบรรลุจะบรรลุต้องหยุดนหยุดความโลภโกรธหลงก็เลยมามามา ม, ามานับถึงว่าพระเจ้าปฏิบัติแทนที่จะไปฆ่าคนก็นมาฆ่ากิเลสแทนฆ่าความโลภ ค, ความโกรธความหลงก็บรรลุเป็นพระอรหันได้เราต้องฆ่าความโลภ ค, ค, mm hmm. ค, ความอยากของเราเนี่ยอย่าให้ก็ทํำอย่างมุ่นทำอย่างนี้ ก็พูดได้เมื่อมีหน้านที่บอกเขาก็บอกได้แต่เมื่อก็ไม่ทําตามว่าถือว่าจบทําอะไรก็เขาไม่ได้อะค่ะเออไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องายอมนะ้วคะยอมแพ้หรือไม่เช่นนั้นก็ใช้วิธีอย่าไม่มีเวรไมีนนกรรมมันดีกว่ายอมดีกว่ า, ถ, าถ้าเราไปใช้วิธีอื่นเช่นไม่จ่ายเงินค่าส่วนกลางแล้วบอกกรรมการเขาว่าเป็นเพราะคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็อาจจะเป็นอ่ไปทําให้เขาเดือดร้อนขึ้นมาได้ เขาก็จะรู้ว <Lang is ie> <les Korean> ่าเราเป็นคนกระทำเขาก็จะมาเกลียดชังเราเองงั้นอย่าไปอย่าไปมีเรื่องมีรากับของที่ไม่มีสาระเลยต้นงุ้งต้นไม้มันก็ผ้าอยู่ในป่าไม่เหนท่านกังวลต้นไม้มันจะต้องตัดต้องแต่งที่ไหนปล่มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันโอเคนะค่ะค่ะสาธขอบคุณค่ะ ท่านต่อไปคุณซรลินทานตอนนี้อยู่ยังอยู่ดอมมิเนกันริพอบลิกอยู่ DR อยู่หรอยังอยู่ DR ค่ะการธรรมศาสการพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ออยอ<ม>ยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ยมก็พยายามเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตความเป็นจริงในชีวิตประจำวันค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเหมือนเราได้ศึกษามาบ้างแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่เราต้องเอามาใช้เมื่อเวลาที่เราเจอกับผู้คน โยมก็ยังอยู่คนเดียวอยู่อะค่ะก็ยังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไปไหนมาไหนก็ลําบากแต่ก็เริ่มใช้ภาษาใบ้ได้ดีขึ้นอส่วนอาหารก็วันไหนมีก็กินวันไหนไม่มีก็ไม่กินค่ะก็แต่แต่พอคิดอย่างนี้มันก็มีกินทุกมื้อก่าอาจารย์โยมก็วันไหนเคขาเร์ฟิลเที่ยงใช่ไหมคะพระอาจารย์วันนั้นโยมไม่พราด โยมก็นึกว่าออกไปสิบเอ็ดโมงจะไปหาอะไรทานปรากฏว่าเขาปิดหมดแล้วเพราะเขาต้องให้ต้องให้คนกลับบ้านทุกคนต้องกลับบ้านก่อนเที่ยงโยมก็ไม่รู้เดินออกไปตอนสิบเอ็ดโมงก็กลับมาก็วันนั้นโยมก็กินกล้วยกับกินซีเรียลแล้วก็กินอาหารที่เหลือจนกระทั่งต้องวันรุ่งขึ้นเขาวันรุ่งขึ้นร้านเขาถึงจะเปิดใหม่อันนี้โยมก็รู้สึกว่าไม่ได้มีความลําบาก กายลำบากใจกับตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่ได้ไม่มีปัญหาหรคราวนี้เนี่ยออยอมย้ายออกมาอยู่คนเดียวตั้งแต่วันที่สี่อะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าประมาณวันที่ห้าวันที่หกลูกโยมเริ่มเป็นไข้แล้วก็ปรากฏว่าคนในครอบครัวที่ลูกไปอยู่ด้วยเขาเป็นโควิดค่ะแล้วก็คราวนี้ยอมก็เลยคือพอนับเวลาย้อนหลังกลับไปโยมก็มี เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าอาทิตย์ก่อนหน้านั้นโยมก็อยู่กับลูกทุกวันตัวเราเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกกลัวอะไรค่ะพระอาจารย์ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าก็มีเมื่อยเนื้อบวยตัวบ้างเล็กน้อยแต่ตอนนั้นโยมก็คิดว่าเอ๊ะเราอาจจะวิตกจรหิตไปหรือเปล่าแต่คราวนี้เนี่ยคนในครอบครัวที่ลูกเขาไปอยู่ด้วยนะ่ะเขาคอนเฟิร์มว่าเขาเป็นแน่ๆวันศุกร์ที่แล้วว่ะคะ่ะ โยมก็เป็นห่วงว่าเอา้าเราถ้าอย่างนี้เราลูกเราเพราะว่าเขาใช้ห้องน้ําด้วยกันแล้วคนในครอบครัวเขาทั้งหมดเขาก็เท่ากับว่าเขาก็เสี่ยงทุกคนแต่ว่าสรุปคือลูกไปลูกไปเทสโควิดผลกลับมาเป็นน égative วันเสราร์ที่ผ่านมาแต่ไอ้ช่วงจังหวะอาทิตย์ที่แล้วซึ่งเรากังวลว่าเราเป็นหรือเปล่าแล้วลูกเราเป็นหรือเปล่าโดยความที่รู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขาเรารู้สึกว่า ตัวเราเองมาอยู่ที่นี่ไม่ได้กลัวไม่ได้กไม่ได้กลัวการอยู่คนเดียวไม่ได้กลัวการที่พูดภาษาไม่ได้ไม่ได้กลัวการที่ไม่มีอาหารทานแต่เราเอาจิตเราไปห่วงลูกว่าเขาจะปลอดภัยไหมคือรู้สึกว่าตัวเองกับตัวเองเนี่ยโยมไม่ห่วงเลยถ้าจะเป็นโยมก็ไม่ห่วงด้วยแต่เราห่วงว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าคราวนี้เนี่ยโยมไปฟังหลวงตามหาบัวเทศเรื่องที่ การสร้างความเมตตาพอลูกโยมไปเทสอบเราผลปรากฏว่าเป็นเนกาทีฟแต่เขาก็ยังอยู่กับครอบครัวยังอยู่กับคนที่เป็นโพซิทีฟอยู่โยมก็เลยซื้อข้าวของซื้ออาหารไปฝากเขาแทนเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องเมตตากับทุกคนในบ้านเพราะว่าลูกเราได้ไปอาศัยเขาถ้าถ้าทุกคนไม่ปลอดภัยลูกเราก็ไม่ปลอดภัยโยมก็ เขาอยากได้อะไรยมก็บอกมาเดี๋ยวยมก็หาหารดถนั่งรถไปแล้วก็เอาของไปให้เขาแล้วก็ตลอดเวลายมก็ไปเข้าไปในบ้านเขานะคะพระอาจารย์ก็เข้าไปแล้วก็ใส่แมสแต่ว่าเรื่องมาจากว่าไอ้เคอร์ฟิเนี่ยมั น, ม, นมันได้ถึงแค่เที่ยงยมก็อาจจะไปได้แค่สองสามชั่วโมงแล้วยมก็ต้องกลับมาอย่างนี้ค่ะจนกว่าเขาจะตอนนี้ก็ยังเป็นโพิทีฟอยู่ต้องรอจนกว่า สองอาทิตย์เขาต้องไปตรวจอีกทีหนึง่งมันก็เลยทําให้โยมรู้สึกว่าคือเราไม่ได้กลัวเลยเลยแม้กระทั่งตัวเราเองถ้าเราจะติดเราก็ไม่ได้กลัวไม่กลัวอะไรเลยแต่ห่วงห่วงแค่เขาอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะความทุกข์ไปเกาะเกี่ยวกับแค่เนี้ยตัวเนี้ยตัวเดียวเลยค่ะอาจารย์มันเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณของแม่ที่มีกับลูกลว่าเราสร้างเขามายุคอยู่ในท้องเรามาตลอดแล้วก็รับนะ ห่วงวงใหญ่มาตลอดมันก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ใช้ปัญญามาช่วยมรนเทาได้พิจารณาว่าร่างกายมันของทุกคนก็เหมือนกันต้องแก่เจ็บตายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่เป็นของใครเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนในร่างกายวันหนึ่งมันก็ต้องแยกสลายกับคืนส่วดินน้ำลมไฟไป ถ้ามันคิดอย่างนี้มันก็จะทําให้ใจเราบันเทาความหัวใญีญยไปไปได้ตัวลูกเองก็คือตัวจิตของลูกไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายตัวเราก็เหมือนกันตัวเราจิตของเราก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายของเราร่างกายของลูกสักวันหนึ่งก็ต้องขับเคืนสู่ดินน้ำลมไฟกันไปหมดใช่ค่ะอาจารย์คือเหมือนกับว่าคนในครอบครัวเขาเอ อ, อย่างที่โยมเคยเล่าอะค่ะว่าคนที่นี่เขา ไม่ค่อยใส่แมสกันเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วตัวตัวของคนที่ติดหรือคนในครอบครัวก็ให้ความสําคัญกับตรงนี้น้อยอเขาไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตอะค่ะแล้วคนในบ้านก็มีเด็กสองขวบเด็กเจ็ดขวบซึ่งเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าคนในครอบครัวเป็นโควิดแล้วเขาก็ใช้ชีวิตปกติโดยที่ก็ไม่ได้ใส่หน้ากากในบ้านเพียงแต่เขาให้แยก คนที่ติดอยู่ในห้องนอนเท่านั้นเองแค่นั้นเองอะคะ่ะคือตัวของคนในบ้านไม่มีใครใส่ให้ความสําคัญแต่เหมือนตัวโยมเองต่างหากที่ไปใส่ใจกับเขาว่าทําไมเขาไม่ทําไมไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทําให้ดีกว่านี้เราจะคิดว่ามันเหมือนโรกหวัดธรรมาดามเป็นแล้วเดี๋ยวก็หายได้ใช่ค่ะพระอาจารย์ใช่ใช่ทำไมหายก็ตาย <laughs> ทกทอัน ส, นส่วนส่วนส่วนน้อยที่ตายท่านดูสถิตินะน้อยต้องเป็นคนสูงอายุคนที่มีนอกประจักตัวใช่ไหม ค, <น S 2> ค<น>รัาค่ะเพราะคนธรรมดาทั่วไปนี้บ้าง<ข>จะเกินแบ้วกายกันค่ะพระอาจารย์แต่เขาก็ปวดปวดกระดูกอะค่ะ เ, เขาก็เล่า เ, เขาปวดกระดูกแล้วก็หายใจได้ไม่ลึกเท่าที่ควรจะเป็นหายใจไม่ได้ดีสุดแล้วก็มีเป็น เป็นไข้บ้างแต่ว่าก็กินได้นอนหลับยงก็เลยคิดว่าเขาเป็นเรื่ของเขาแล้วกันเขาไม่ใส่นาฬิกาเพราะเป็นของเขาเราใส่ของเราไปก็แล้วกันยงก็ใส่ไปยงก็เอาอาหารไปถือว่าเมตตาซื้อยงซื้อยาซื้อวิตมงวิตามินคือถือว่าเราเมตตากับเขาทั้งหมดเพราะว่าเขาก็เมตากับลูกยมดีก็ถูกต้องพระอาจารย์คะแล้วยมก็ไปเจอเพื่อนเก่า ที่ไม่ได้เจอมานานแล้วซึ่งเป็นคนต่างชาตินี่แหละค่ะก็เป็นคนเป็นเป็นเป็นคริสเน่ น, นะคะแต่ว่าเขาเคยมาปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยอะคะ่ะสิบวันคือจากคนที่ไม่เคยเป็นคนที่ไม่ไม่ยึดมั่นในาศาสนาใดๆแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีก็ไปปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยสิบวันอยางงี้นี่เขา เ, เขาผูกพันกับเมืองไทยหรอคะพระอาจารย์เป็นไปได้ไ้ยคะ ก็แล้วแต่มันไม่หลายสาเหตุด้วยกันอาจจะถือว่าเขาเขาอยากเขาเบื่อบ้านเขากาอยากจะไปต่างประเทศบ้างบางทีก็อาจจะสนใจเรื่องการปฏิบัติเนี่ยพอเขารู้ว่าที่เมืองไทยมีที่ให้เขาไปอยู่ปฏิบัติทำได้เขาก็ไปก็ได้ค่ะคือยมแค่แปลกใจเพราะยมไม่เคยเห็นเพื่อนคนนี้ ทางด้านศาสนาใดๆทั้งสิ้นแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีทําไมถึงก็อาจจะได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดความสนใจถึงเรื่องการปฏิบัติขึ้นมาก็ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องอเราอะนะก็ไม่ใช่เรื่องของเราพี่แต่ยังแปลกใจเท่านั้นเองเออเอาใเราดูใจเราให้สวบก็แล้วกันใจเราอย่าไปทุกข์อย่าไปเครียดกับใครก็แล้วกัน ค่ะพอยมเพราะว่าพอพอเคอร์ฟิลพอยมกลับมาจากเอาเข้าของไปฝากเขาโยมก็กลับมาปฏิบัติต่อ mm hmm. ก็ปฏิบัติได้ดีค่ะเงียบสงบรู้สึกดีเพราะว่าโยมก็ยังอยู่คนเดียวอยู่แล้วตัวเคอร์ฟิลมันก็ทําให้โยมมีเวลาในการปฏิบัติมากขึ้นแล้วเรต้องอยู่ที่นั่งนานเท่าไหร่แล้อว่าเราจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้โยมยังไม่ทราบเลยค่ะพระอาจารย์ ยัยังไม่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับเลยค่ะพระอาจารย์จะรอจะรอให้ดูว่าลูกปลอดภัยก่อนอแน่แนก่อนอแล้วอาจจะอยู่อีกสักแักบหนึ่งะคะแล้วก่อนจะกลับนะคะพระอาจารย์ก็ไปดูลูกทุกวันนะไม่ค่ะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ค่ะพระอาจารย์แล้วไปทไําไมมาเยี่ยมลูกเนี่ยนั่นนะสิค่ะพระอาจารย์ทุกวันนี้โยมก็ยังคิดอยู่เลยว่าเราตั้งใจจะมาเยี่ยมลูกแต่พอมาถึงแล้วมันมีเคอร์ฟิลโยมก็ไปไม่ได้แล้ว ไปแล้วมันก็ไปได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ต้องกลับอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็รอตอนนี้อาทิตย์นี้เห็นบอกว่าเคอร์ฟิวจะเปลี่ยนจากเที่ยงเป็นสามโมงเย็นก็อาจจะมีเวลาเจอได้นานหน่อยอะค่ะ mm hmm. แล้วก็หลังจากที่ทุกคนเอ่อทสโควิดอีกรอบว่าเน mm ็ติฟิตแล้วยอมค่อยค่อยไปหาเขาไ่อยอย่าง่อาจารยาไม่อยากจะกลับไปอยู่กับเราเรยเขาไม่มาค <laughs> ยอมถามแล้วเขาไม่ยอมมาเขาบอกว่ายอมอยู่แต่ในห้องโรงแรมมันไม่มีอะไรที่ที่เขาไ ม, ไม่ถึงให้เขากลับมาที่ซาลัดอ๋อพอดีโรงเรียนเมื่อวานนี้เขามีาประชุมกันของไอ้ board of education นะคะแล้วเขาเลื่อนเปิดเทอมไปวันที่สิบห้านาเขาก็เลยยังเรียนออนไลน์ได้อยู่ถึงวันนั้นนะคะพระอาจารย์ก็ยังอยู่ได้ถึง แล้วพอโรงนี้เปิด่เขาก็จะกลับไปเรียนที่สหรัฐใช่ใช่ค่อาจารย์ที่ตอนนี้รอโรงเรียนเปิดอย่างเดียวะค่ะแต่ยังไม่น่าเปิดได้เลยค่ะยังจํานวนคนติดกันมากอยู่โยมก็เลยบอกเพราะว่าถ้าอย่างนั้นโยมก็กลับก่อนแล้วก็จะกลับเมื่อไหร่ก็บอกแล้วก็ก็มาแล้วเด๋ยวจะเป็นค่ะค่ะค่ ะ, คะวันนี้โยมก็ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ก็ยินได้ทราบอะไรแปลกๆบ้าง ไ, ได้ เปลี่ยนรสชาติหนยสนุกดีค่ะแต่ก็แต่ก็ไม่กลัวนะคะก็อยู่ได้ถ้ามีสติคอยควบคุมใจอย่าไปกลัวอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรใอ้ตัวที่เป็นมันไม่กลัวหรอกคือร่างกายใช่ค่ะถ้ามันจะเป็นมันก็ต้องเป็นใช่ไหมถ้ามันไม่ได้เป็นเราก็อย่าไปตื่นเต้นแทนมันเยอะเลยโอเคนะครับรักษาใจมันรักษาใจให้นิ่งอย่าไปกลัวนะปล่อยวางค่ะ ค่ะธ <Okay. S 1> ุกค่ะพระอาจารย์ท่านต่อไปคุณสายทิพย์อยากมาสารคามอาจารย์สายทิพย์ค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะ อ, อวันนี้มีเรื่องจะเรียนถามพระอาจารย์สองเรื่องค่ะเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องของสมาธิค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยถ้านั่งสมาธิแล้วเห็นแสงสว่างจะตกใจแต่พอตอนหลังเราไม่สนใจแสงสว่างก็ดีขึ้น แล้วก็ถ้านั่งแล้วมันก็จะมีเหมือนบืดแล้วก็ตัวมันก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นเหมือนเหมนสงบมากขึ้นค่ะก็นั่งสงบแบบนี้หรือว่ามีอาการวืดเนี่ยหมายถึงเป็นแทบทุกครั้งที่นั่งค่ะทีนี้อาทิตย์นี้ค่ะที่ปฏิบัติต่อก็คือนั่งประมาณหนึ่งชั่วโมงของทุกวันค่ะผู้อาารย์แต่ว่าอาการวืดไม่มีค่ะก็คือนั่งแล้วก็สงบไปเรื่อยๆถึงหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่า มันดีขึ้นหรือว่าในเรื่องของสมาธิหรือว่ามันมันตื้นกว่าเดิมเนี้ยค่ะคือถ้ามันสงบมันมันไม่ฟุง้งซ่านมันมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าได้ผลมันจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กำลังสติของเราค่ะก็คือไม่ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ค่ะก็นั่งสบายไปเรื่อยๆเลยค่ะได้ก็ทำไปเรื่อยๆ มานการปฏิบัตินั้นก็มีผลแต่ละข้างแต่ละคำมันก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะมากบ้างน้อยบ้างอะไรทราาํานองนี้ก็คือปฏิบัติไปก็แล้วกันค่ะก็เลยคิดว่านั่งไปเรื่อยๆก็แล <อ dispers. S 1> ้วแต่วันค่ะแต่ว่าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันดีหรือไม่ดีแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะก็คื อ, อก็จะมาถามพระอาจารย์เฉยๆว่ามันสมาธิมากหรือน้อยอะไรงเงี้ยเฉยๆค่ะ นนส่วนอีกแล้วเราต้องรู้เองอนนสงบมากมันก็ต้องรู้ว่ามันสงบมากกว่าคราวที่แล้วอะไระสงบน้อยกว่ามันต้องรู้เลยเหมืกินข้าวอิอ่มอิ่มมากอิ่มน้อยมันก็ต้องรู้อ่ะอ่าค่ะมันเหมือนก็สงบไปเรื่อยๆจนถึงเวลาโดยทั่วๆไปเหมือนเหมือนสมาธิมันจะเป็นช่วงที่เรานั่งไปเรื่อยๆพอถึงช่วงเวลาเนี้ยเท่าเทเดิมเลยค่ะมันจะถอนออกมาอืตลอดค่ะ แต่ว่าพระอาจารย์เคยแบบว่าก็ลองดันมันเข้าไปใหม่ค่ะแต่ด้วยความที่เราค่ะนั่งกลางคืนก็เลยง่วงก็เลยนอนดีกว่าค่ะถือว่าเรามีกําลังเท่านี้ก็แล้วกันค่ะแต่ว่าจะพยายามมานั่งตอนเช้าด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ที่จะเรียนถามพระอาจารย์ก็คือเรื่องของจิตตกค่ะหมายถึงว่าเอปกติเราก็จะไม่ได้คิดอะไร แต่ทีนี้พอเรา อ, อยู่ในอยู่ในครอบครัวกับคุณคุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะเราจะเห็นท่านอายุมากขึ้นพอบางทีท่านก็เริ่มป่วยแล้วก็จะแบบเหมือนกลัวคำว่าพัดพลากอะค่ะเป็นอยู่ประมาณสองวันรู้สึกจิตมันมันเป็นห่วงเป็นกังวลค่ะเราลืมว่ามันเป็นความจริงไงเรายังไม่ยอมรับความจริง พระอาจารย์บอกให้แล้วให้นึกอยู่บ่อยๆว่าเมื่อเกิดแล้วย่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดา <c oughs> ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากกันไปไม่ได้เนีย่ยต้องคถ า, านี่ทุกวันเวลาอาจารย์นั่งสมาธิออกจากสมาธิอย่าเพิ่งลุ่นั่งท่องคาถาที้ไปก่อนค <c oughs> มันจะได้มีคติเตือนใจมีปัญญาสอนใจถ้า <c oughs> มันจะทําให้เราเริ่ม เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความเป็นจีิที่จะเกิดขึ้นทั้งกับเราและกับผู้อื่นค่ะก็เลยไปอ่านเจอธรรมะของพระอาจารย์ค่ะบอกเหมือนบอกว่าก็คือร่างกายเราเราก็ต้องวางร่างกายคนอื่นก็วางก็ปล่อยเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของเขาไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยดีขึ้น เ, <อ>เหมือนยอมรับป ะ, <อ>ะก็เป็นต่างคนต่างก็มี มีการมีามงตัวเอง<น>ะอะไรงนี้คะ่ะการทำกรรมอันใดว่าดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเน<ช>ี่ยทำ <ขอ S 1> บวบวนี้ไว้เนี่ยชมาทำโมผิดชลามณนติตโต ร, รามีความแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้นะ<อ>่ะทำไปทุกวันมันเป็นการฝึกสอนใจให้เตรียมรับกับความจริงของร่างกายของเราและของผู้ ค่ะอเกิดเหตุการณ์จริงแล้วบอกโอ้ยเรารู้แล้วเราไปตื่นเต้นตกใจทำไมค่ะดวงพ้นไปไม่ได้ต้ก็บอกนี้แล้วค่ะเหมือนเหมือนตอนแรกก็ทําใจได้แต่พอวันหนึ่งเหมือนแบบผลแ a บอะไรออกมาแล้วเราก็ตกใจแล้วก็แล้วก็จริงๆก็ทําใจยังไม่ได้ปัญญายังน้อยไปค่ะก็อะไรเงี้ยค่ะเราต้องพยายามเล่นเล่นความเพียรถอนใจให้มากขึ้น ใหมากขึ้นคิดทำปัญญาให้มากขึ้นอืกข้อนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวหนูขอรบกวนอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเราพยายามฝึกสติตื่นเช้ามาแล้วก็พุโทโธที่นี้พอช่วงระหว่างวันเราก็เหมือนแต่ก่อนเราจะไม่รู้สึกตอนนี้คือเวลาเราเดินแล้วก็เห็นเท้าที่เราเดินอะไรเงี้ยค่ะบ่อยขึ้นคือเออแต่เหมือนมันมันอยู่กับร่างกายบ่อยขึ้นอ่าสติสติดีดีขึ้นค่ะ ค่ะแล้วก็เวลาเราจะคิดเหมือนเราจะคิดอะไรไปสักหน่อยเหมือนเหมือนแบบความคิดมันโผล่ขึ้นมาแล้วอยู่ๆ อ, อิติปิโสมันก็โผล่ขึ้นมาตัดมันก็ดีดจังอะไรเงี้ยค่ะเกิดจากการฝึกฝนไงฝึกสติไป<ม>บ่อยๆต่อไปสติมันก็จะไวค่ะมันก็จะมาหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆได้ต่อไปค่ะค่ะก็จะมีประมาณเนี้ยค่ะ ก็ปฏิบัติต่อไปทำทำต่อไปจนกว่ากิเลสจะตายหมดถ้ามันไม่ตายเราก็ตายนะเราตายกนเหมือนพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่ที่ใต้คนต้นโพธิทนานก็บอกท่านจะปฏิบัติไปจนกบ่ากิเลสตายถ้ากิเลสไม่ตายร่างกายท่านก็ต้องตายท่านถึงจะท่านยังยังปฏิบัติได้ท่านก็จะไม่อยู่จนในที่สุดกิเลสของด้านก็ตายหมดนพอตายหมดท่านก็บรรลุตัสศลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นา ยานยาอย่าหยุดนะทางนี้หยุดไม่ได้จนกว่าค <c oughs> ่าศึกษตัวได้ถูกกําจัดให้มันหมดสิ้นไปจากใจแนละ้วแล้วเราก็จะรู้เองว่าตอนนี้ไม่มีค่าศึกษาตัวแล้วถ้า ม, มีใครมาบรบกวนใจไม่มีใครมาสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วอันนี้ภารกิจของเราเสร็จสิ้นลงแนละ้วค <c oughs> ่ะมุสิตันปรมจริยา์ก <c oughs> ิจในปรมจรย์ได้สิ้นสุดลงแนละ้วกิจอื่นที่เหนือกว่านี้ไม่มีแล้วเนี่ยมันจะรุนภายในใจของเราเอง ค่ะทำต่อไปน ะ, ะคุณไอโฟนท่านต่อไปคุณไอโฟนอยู่ที่ไหนอันนีไมโครโฟนก่อนนไอโฟนยินไหมคุณไอโฟนเปิดไม่ไห้ไอนได้ได้ยินได้ยินไหมครับคุณไอโฟนส่งสัญญาไหนนี่ ได้ยินหรือเปล่าคุณไอโฟอนได้ยินไหมครับรู้สึกนิ่งไปแล้วเอาไปที่ด้านต่อไปก่อนครับคุณไอโฟอนอ้อมอ่าคุณอ้อมไอฟอนอ้อมเชิญนวัสดการค่ะพรอาจารย์อยู่ที่ไหนมอวินค่ะมอวินจำไม่ค่อยได้คนเยอะบางคนจำได้บางคนจำไม่ได้มีอะไรไหมวันนี้อ่อ มีอยากให้พระอาจารย์อธิบายตัวปัญญาที่อยากให้พระอาจารย์พูดให้เห็นภาพของการใช้อริยศาสตร์แล้วก็ไตรลักษณ์อะค่ะในในเรื่องของการใช้ปัญญาค่ะก็เช่นเวลาเราไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเงี้ยเหมือนถ้ถ้าใจเราทุกข์เนี่ก็แสดงว่าอริยศาสตร์เกิดขึ้นอลไรใช่ไหมทุกข์ใจ ทุกไปกับความตายของร่างกายกวบเจ็บไข้ของร่างกายแล้วก็คนดูจะว่าความทุกข์ใจของเรานี่เกิดจากอะไรนี่เป็นการใช้ปัญญาแล้วปัญญาจะค้นหาดู ว, ว่าเราทุกข์ใจเพราะอะไรเมื่อก่อนที่เราก็ไม่ได้ทุกข์ใจแต่พอมาเจอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ทุกข์ใจขึ้นมาก็แสดงว่าเรามีความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหม เรากิด okay, ความอยากนี่ขึ้นมามันก็เลยทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาทีถ้าเราใช้ปัญญามิคอ้อต่อไปว่าแล้วร่างกายนี้มันไม่แก่ไม่เจ็ บ, ไ ม, จบไม่ตายเหรือมันต้องแก่แล้วเจ็บต้องตายวันใดวันหนึ่งใช่ไหมวันนี้ถึงเวลาของมันแล้วมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันจะตายแล้วแล้นะฮะมันได้เปล่าหมอบอกถ้าหมอบอกรักษาไม่ได้มันก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องตายไปในที่สุด เราก็พิจารณาตามความเป็นจริงว่าเนี่ยอนิจจังคือร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอนัตตาไปห้ามมันไม่ได้ไปหยุดมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยให้มันตายไปยอมตายพกยูกนี้ไงเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าหยุดความตายไม่ได้เมื่อมันจะตายก็ต้องยอมตายถ้าไม่อยากจะทุกข์เพราะเมื่อเรายอมตายความอยาก ความอยากให้ร่างกายไม่ตายมันก็จะหยุดความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราอยากให้ร่างกายไม่ตายเรียกวิภาวะตัณหาอพอหยุดความอยากได้ยอมตายพวกใจก็หายทุกข์ร่างกายจะตายหรือไม่ไมก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปพาจใจอย่างนี่เกิดปัญญาตายเร า, เราต้องใช้ ใความคมเราต้องใช้อริยาสาัจสีแล้วก็ใจรักอ่าอ่นั่นแหละมันอยู่ในมันมันมันอยู่ด้วยกันอ่ะทุกทุกมันก็อยู่ในตายรักเี่ยอริยาสัจสีก็มีมาร์ก็มีมีตายรักอยู่ในมาร์กเองทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นตายรักหมดร่างกายของเราไม่เที่ยงทรัพย์สมบัติชอบพรองเงินทองของเราก็ไม่เที่ยงวันดีกันดีมันก็หายไปหมดไปได้ เวลาหมดมันถ้าเราอยากจะให้มันไม่หมดเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่ามันมันมันอาจจะหมดได้แล้วแล้วเราก็ไปบังคับไม่ให้มันหมดไม่ได้ว้ามันจะหมดก็หมดไปยอมยอมอยู่แบบไม่มีไปมันก็จะไม่ทุกข์ใจเข้าใจไหมแล้เราต้องมันสอนใจให้เราอยู่ที่ไห้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาอยู่นี่เป็นนันทิจังทุกขรังนัดตานั้ มันไม่เที่ยงมันมีเกิดมีดับมีมาแล้วมีไปเดี๋ยววันหน้าวันหนึ่งก็จะต้องมีการพัดผ่าจากกันไปถ้าอยากถ้าไม่อยากให้มันไม่พัดผ่าจากกันมันก็จะทําให้เราทุกข์แตถ้ารู้ว่าถ้ามันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเป็นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็ยอมนะยอมให้มันเป็นไปยอมพัดผ่าจากกันไปใจมันจะไม่ทุกข์ เราใจหรืยนตอนนี้พยายามแล้วก็ อ, อ, ย อ, อยู่ดีๆสอนใจแล้วเนี่ยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเงินทองทรัพย์สมบัติคนนั่นคนนี้ญาติพี่น้องบิดามารดาปุย่าตายายร่างกายของเราเดี๋ยวก็ต้องไปสู่ความตายด้วยกันทั้งหมดนี้ แต่มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นดินน้ําลมไฟตัวเราก็เกิดจิตใจไม่ได้ตายไปกับมันเราะฉะเราไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ตายไปกับมันขอพระอาจารย์โอเคนะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านต่อไปคุณจอยจากพัทยา น, นากเกลือแลพัทยาจอยสวัสดกัน พูดเสียงดังเลยไม่ได้ยินได้ยินไหมคะอา่าต้องต้องดังๆเลยไม่ได้ไปใส่บ่าพระอาจารย์เลยโดนกักตัวอยู่อีกกาทิตย์หนึ่งค่ะอ่ายป็นไงอาการมีไหมไปตรวจมาแล้วคะ่ะอืมไม่เป็นไม่เป็นโอเคค่ะ <c oughs> แต่ก็ให้กักตัวต่อไปใช่ค่ะเขาให้กักโดยการแน่ <c oughs> ใจนะใช่ค่ะตรวจคนเดียวตรวจทั้งบ้านเลยตรวจทั้งรูกด้วยเหรคนเดียวค่ะคนเดียวอ่ะแล้วลูกไม่ต้องตรวจนะ ไม่นี่ตัวค่ะคือถ้าแม่ไม่เป็นลูกก็ไม่เป็นนะะอ๋อโอเคโอเคง่ครับผมเอีเรวเเดี๋ยวพาอ่าสาธุหน่อยสิสาธุน้องตาหน่อยใครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปสายบาทนะไปเอานมอยู่บ้านคือแบบคือจะเครียดแล้วค่ะถามว่าเป็นไรบอกจะบ้ากิเลนมันหนอกไงกิเลนตอนนี้ เนี่ยก็เรียกว่าทุกใจเนี่ยจะเป็นบ้าว่ามันทุกใจมไม่ได้มันไม่ได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสค่ะแต่ว่าแม่ก็ดีหน่อยได้ปฏิบัติธรรมค่ะได้ถือสิ่งแปะทุกวันเลยค่ะเออดีก็คือเพล็กวิจิตให้เป็นโอกาสถ้าไม่ติดเชื่อก็ถ้าไม่ได้ติไม่ได้สงสัยว่าติดเชื่อก็จะต้องออกไปข้างนอกทุกวันใช่ค่ะพอไม่ได้พอไม่ได้ออกไปก็เลยมีเวลาได้ปฏิบัติ ก็เลยได้ปฏิบัติตั้งิบสี่วันเลยค่ะเออดีเหลืออีกเหลืออีก4ี่วันนะคะครบโอเคค่ะไม่มีอะไรค่ะมาฟังเฉยๆค่ะสีวันก็พอดีต้องกับวันเสาร์พอดีนะเยไอไม่นะเกินไปวันจันทร์เกิดไปเลยค่ะวันจันทร์เลยค่ะอะไรเปึงวันจันทร์อาทหน้านู่นเลยค่ะได้มาเมื่อไหร่ก็ได้สาธุค่ะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรค่ะโอเคค่ะ รักษาตัวให้ดีนะโอเคท่านต่อไปคุณจุธาที่อนนี้อยู่สัตหเบหรออยู่ที่กรุงเทพเนี่ยอยู่กรุงเทพคพระอาจารย์มียังไงมีอะไรไหมก็จะเรียนพระอาจารย์ค่ะคือตอนนี้พยายามอยู่กับลมหายใจค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพออพอลมหายใจมันหายไปก็จะพยายาม ทำให้มันชัดขึ้นนะคะแล้วก็ในระด <L an> ับที่อย่าไปอย่าไปทําอย่าไปบังคับลมให้มันชัดขึ้นมันหายก็ปล่อยมันหายไป <L an> มันมันค่ะพระอาจามันมองไม่เห็นมันก็เลยแบบ <L an> ไป <L an> หายไปไหน <L an> ด, ดูความว่างไป <L an> ดูความว่างไปค <L an> ่ะดูความว่างไปแท น, นอย่าไปอย่าไปหาลมอย่าไปสร้างลมมันเป็นการทํางานของจิตเราต้องการให้จิตไม่ทําอะไรให้รู้เฉย อ๋ออันนี้คือในชีวิตประจําวันหนูก็ไปหมายถึงเวลาเดินหรืออะไรหนูก็จะดูลมใชดูลมท่านไม่เป็นลมให้ดูก็ดูร่างกายเราว่ากำลังทําอะไรอยู่กําลังเดินดูว่ามันกําลังเดิ น, ด น, ด น, ด น, ดนกําลังทํางานได้มันอยู่กับงานาที่กําลังทําอยู่ก็ได้เป้าหมายคือต้องการให้ใจเราหยุดคิดนะไม่ไปที่ถึงเรื่องราวต่างๆค่ะทีนี้เวลาดูลมค่ะมันก็จะมีความคิด ออกมาหนูก็จะพยายามดึงมาอยู่ที่ลมอย่างเงี้ยถูก<ด>หมครับถูกต้องถูกต้ออย่าอย่าปล่้มันคิดถ้าเราเจาะจงดูแต่ลมมันก็จะคิดไม่ได้ค่ะแล้วก็วันนี้ใช้ไหมขัดฟันอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ก็เหมือนเป็นครั้งแรกที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยฟันนี้ไม่ใช่ของหนูอย่างเงี้ยคะ่ะแต่มันก็เป็นแค่แว็บเดียวคะ่ะ<อ>แต่ก็ลองพิจารณากับอวัยวะอื่นก็ยังรู้สึกว่ายังเป็นของหนูอยู่คะ่ะอาจารย์ เออก็ต่อไปมันก็เวลาเป็นอะไรก็ตัดทิ้งไปใช่ไหมเวลาทำไส้มันไิ่มันเสียก็ตัดมันทิ้งไปมันก็ไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของเราชั่วคราวตอนนี้ไม่เป็นของเราชั่วคราวแต่ในที่สุดมันก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมของมันพอมันตายไปร่างกายมันก็จะค่อยๆย่อยสลายไป ดินาน้ำลงไฟก็จะยากออกจากกันไปแล้วแต่ถ้าดินอยู่ทางของมันก็ให้หนูพยายามคิดคิดวิเคราะห์เหมือนเราเรียนหนั ง, นงสือคิดวิเคราะห์เป็นเหมือนวิชาอานาทมนวีวิชาไบโอโลจีชีววิทยาร่างกายมันเกิดขึ้นมาเพราะการรวมตัวของดินาน้ำลงไฟในใ น, ในรูปแบบของอาหาร ลมหายใจน้ําที่เราเดื่มเข้าไปความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาดินน้ํากับลมมาผสมกันมันก็เกิดความร้อนขึ้นมาแมันก็เลยทำให้มีร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วพอมันหยุดทํางานมันดินน้ําลงไปที่อยู่ในร่างกายมันก็จะแยกตัวออกจากกันไปไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเรา แต่ว่านั่งสมาธิยังไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์นั่งขึ้นชั่วโมงได้เท่าไหร่ก็ทําไปอืมันก็ได้ผลเพสติไม่ค่อยดีนั่งแล้วยังคิดนู่นคิดนี่อยู่คะอาจารย์ค่ะเราพยายามทำไปเรื่อยเรื่อยยังไม่ยังไม่ยอมนะคะ พออาจารย์แบบลงอยู่ใต้โต๊ะค่ะไม่ยอมมาไม่ยอมขึ้นมาได้ยินโอเคในเวลาไม่เวลาไปคุยกันแล้วยินนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์โอเคครับดีแคครับามผมอ่ะครับท่านต่อไปคุณหมอแอนอยู่กรุงเทพใช่ไหมตอนนี้กับอาจารย์แล้วค่ะเชิญ ผูค้ค่เจ้าค่ะพอาจารย์หนูจะสรุปสั้นๆให้พอาจารย์ฟัอองคือหนูดูไกลนครมา5ปีแล้วจ้ะค่ะาการสาสบก็ทบทวนกลับไปกลับมาจนจนจนมีความสงบระดับหนึ่งมาประมาณปีนี้แล้วนะจะเจ้าค่ะแต่ทุกๆครั้งที่ที่เราเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิบางทีจิตมันไปนจับตรงอวัยาวะเพศเนี่ยค่ะ ทำให้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูไม่ได้คิดอกุศลหรือไม่ได้คิดส่วนนี้เลยแต่ว่าจิตมันวิ่งไปพอจิตมันวิ่งไปตรงเนี้ยหนูก็พยายามตัดตัดออกไปมันก็ไม่ตัดนะเจ้าค่ะมันก็ค้างอยู่หนูก็เลยกราบเรียนพระอาจารย์ว่าถ้าเราจะพิจารณาปียวะน้อยใหญ่ในร่างกายเนี่ยให้มันเป็นปฏิคูลและไม่สวยงามนั้นในส่วนห่อปียวะเพศเนี่ยคะ่ะพระอาจารย์เราจะพิจารณาอย่างไรนะเจ้าค่ะเพื่อให้มันเกิดปัญญาที่มันจะตัดตรงนี้ได้เจ้าค่ะ โดยเวพาะไปหาตำรัเนี่มีใครสอนเลยเจ้ า, าะคะอก็ถ้าไม่ได้สอนให้เราพิจารณาวัยวรุ่นนะครับพิจารณาการอื่นการสามสิบสองแล้วก็จะถ้าจะพิจารณาก็มันเป็นหนังเนี่ยมันเป็นหนังเป็นเนื้อใช่ไหมเอวัยะุ่นเนีมันก็ทํามาจากมันก็เป็นประกอบของของหนังกับเนื้อซึ่งในที่สุดมันก็ต้องเหี่ยวยน่น่ไปเวลามันแก่แล้วมันก็จะเหี่ยวมันก็จะย่ยนไป อณะนี้จังไม <c oughs> ่เท่ า, ารหร่จะดูว่าเ ป, เป็นที่ออกมาของปฏิกูลต่างๆก็ได้ของปัสสาวะของอะไรต่างๆเป็นช่องสกรปรกอะไรก็ได้ดูไพ่้มันคายความกำหนัดยินดีก็คือดูคือคือตอนที่หนูลองพี่นาเองคือหนูแยกเป็นสองส่วนก็คือว่าส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่เจ้าค่ะว่ามัน มันเหี่ยวมันแห้งมันดำนะหรือว่าบางทีเราตัดออกคือเคยเห็นคนไข้เจ้าค่ะว่าถูกปลูกถูกตัดอะเวอราเพศเนี่ยค่ะแล้วก็บวมบวมโดนเย็บเนี้ยค่ะมันก็ดูแบบไม่สวยงามแล้วเจ้าค่ะอืแล้วก็แล้วก็บางทีอีกพาร์ตนึงก็มาคิดถ้าเกิดว่าตรงนี้มันระงับไม่ได้ก็เลยมาคิดอีกพาร์ตนึงเรื่องของความความที่มันเป็นศพเจ้าค่ะว่าอะเวเนี้ยมันมันมันดำมัน บัวมันนอนช้ำใช่<ค>ชเขียวช้าเขียวช้าขึ้นมาบวมัวะคก็คือที่อย่างเนี้ยก็คือได้อยู่ใช่ไหมจ๊คะครัได้ได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ถ้าเป็นสร้างสมมันก็จะเขียวช้าเบาะพองขึ้นมาแล้วก็ขึ้นอื่นแล้วก็ตอนเน่าต่อไปมันก็จะต้องเน่าเฟะไปแล้วค่ะก็คือหนูก็คิดในสองสองโซนที่ได้คือมีชีวิตกับเป็นศพก็ได้นะเจ้าค่ะได้ คือเป้าหมายมันอยู่ที่ถ้ามันเป้าหมายไปนหนึ่งไม่ให้เราไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราไม่อยู่ไปอย่าไปยึดว่ามันจะต้องเป็นเที่ยงแท้แน่นอนจะต้องอยู่ไปเรื่อยๆจะต้องอมันต้องเปลี่ยปั่งไปตลอดเวลามันก็ต้องมันก็ต้องแก่ไปตามวัยตามเวลาถ้าเกดมันก็ต้องกลายเป็นซากศพไปแล้วค่ะเพราะว่าพิจารณาดูแล้วเอ๊ะ อาการ32ก็พินามมาหมดแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่ได้วิ่งจับอะไรแต่ว่าภาพนี่มันลอยขึ้นมาโดยที่เราแบบเราก็ไม่ได้มีความคิดอะุณสนนะเจ้าค่ะมันก็ลอยขึ้นมาหนูนก็เลยเอาภาพเนี่ยเอาไหนๆก็ลอยแล้วหนูก็าพินาบตามที่หนูสามารถทำได้แล้วค่ะแต่ว่าปาฏิหารย์ที่ผ่านมาท่านไม่ได้ลงรายละเอียดให้ให้ฟังเจ้าค่ะว่าทำยังไงก็เอาตามหลวงพ่อแนะนำ แล้วก็หนูมันก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะคือมันเป็นหนง<ช>ังเนเป็นหนังกันนล้นแล้วเวลาหนูนั่งสมาธิหนูก็พิจารณาตรงนี้ไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะซ้ำๆถ้าถ้าเราต้องการจะใช้มันเป็นเนเอารมณ์เราก็พิจารณาได้ขอคุณค่ะกลับครบพระคุณเจ้าพานุพงศ์ค่ะโอเคสาธุ ต, ต่อไปไทยแลนด์ t h เอชไทยแดไม่ทราบว่าได้ยินไหมฮัลโหลให้ยินไหมคะได้ยินนะอยู่ที่ไหนอยู่อยู่ที่บ้านพูค่ะที่ไหนบ้านพูที่ที่บ้านพู่อันใดจังหวัดอะไรนะจังหวัดสงขลาอ๋อสงขลาอา๋อมีอะไรว่ามาเลยป้าอาจารย์ครับ แปลว่าถ้าเกิดว่าแบบถ้าเกิดมีคนนะเนี่ยแบบว่าคิดแบบไม่ดีกับเราอันเราจะทำยัำง <c oughs> <c oughs> ไงก็ให้ความเมตตาเขาไปอย่าอย่าไปถือสาเขาเขาจะคิดดีหรือไม่ดีเราไปบังคับเขาไม่ได้เราไม่ต้องไปทำอะไรเราก็เฉยเฉยไปพระอาารย์เะคะแว่าแบบแบบแปลว่าบางทีนนเวลาแบบเราทำาไรนั้นะ แบบแล้วเขาอะไรแบบชอบเอาเรื่องของเราแบบแบบไปบอกคนอื่นไี่นั่นแหละก็เราลาห้ามก็ได้หรืเปล่าห้าไม่ได้บังคับก็ได้บังไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาทําไปเรื่องของเขาก็เดี๋ยวเขาก็เป็นผู้รับผลของการกระทําของเขาเองแล้วก็บางเทียนแล้วแล้วก็บางเทียนเขาแบบชอบแบบพูดแบบพูดแบบไม่ดีกับเราแบบนี้แบบเหมือนกันก็คิดว่าเหมือนมาเห่าก็แล้วกัน เวลามามันห่าเราเราก็ไม่เห็นไม่โกรธมันไงใช่ไหมเขาพูดเป็นดีก็เหมือนกับเสียงหมาห่าก็ปล่อยเขาห่าไปแล้วแล้วก็บางที่นันแบบว่าแบบว่าไม่อยากโกรธแล้วก็ที่ิงนั้นเราแบบว่ามันก็แบบบางที่ก็ไม่อยากโกรธแล้วจะมีวิธียังไงแบบแบบไม่ก็ต้องพูดโทรไปแล้วเดินหนีไปอย่าไปอย่าไปฟังเลยถ้ามันทําให้เราไม่สบายใจเราก็อย่าไปฟัง แล้วก็แบบบางเทียนแ้วเขาชอบบัวเลาะแบบมันบัวเลาะแบบเยอะเยอให้เราเขาเหมือนกันล่ะก็าเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นเหมือนกับเขาเป็นกล้วยเอาจะไปให้เขาเป็นส้มได้ไหมใช่มไม่ไดอนั่นแหละเขาเป็นคนแบบนี้เขาชอบเป็นคนที่ไปสร้างเวทสร้างกรรมให้กับคนอื่นเราไปเปลี่ยนย้อนให้เขาเป็นคนใจบุญใจดีได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เป็นเหมือนผลไม้ เขาเป็นทุเรียนเราอยากจะให้เขามาเป็นซ่อมนี้ทําได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ค่ะแล้วก็ต้องไปก็เป็นทุเรียนไปไปอยให้เขาเป็นแบบนี้ไปเขาอยากจะหัวเราะย้ะเย้อนก็ปล่อยเขาหัวเราะย้ะเยอ้ยอนไปไม่ใช่เรื่องเ ท, ท่าแบบบางเทียนแบบแบบคนเยอะๆแล้วเขาแบบช่าหัวเราะแล้วก็แบบพูดอะไรแบบนี้เพราะนั่นแหละก็เราไปห้ามเขาได้ไหรือเปล่าไม่ได้ค่ะแต่เราห้ามใจเราได้ใช่ไหมค่ะอะ ก็ห้ามใจเราทำใจให้เฉยๆอย่าไปโกรธเขาอย่าไปอยากให้เขาพูดดีๆกับเราพระอาจารย์สุชาติแล้วก็ตอนนั้นะแล้วก็ดวงตามหาบุญเคยพูดถึงเอกเคยพูดถึงพระอาจารย์สุชาติด้วยที่ว่าแบบอยู่แล้วก็แบบแบบดูจากลักษณะท่าทางเหมือนหลักใจอ๋อหลวรตาท่านก็เป็นคนที่ดูคนเป็นเนี่ยเพราะท่านมีประสบการณ์มามากคน จะทำแสดากิริยาการอะไมาท่านก็จะรู้ว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีแบบแบบแบบตอ น, นั้นเคือไปดูคลิปแล้วก็แบบหลงตามาไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงได้ยินไหมค ะ, ะได้ยินนะแบบตอนนั้นที่อาไปดูคลิปมันแล้วก็หลงตา ม, มาบัวญาติสัมบะนวนท่านบอกว่าดูจากลักษณะท่าทางเหมือนมีหลักใจแล้วก็แบบท่านแบบมันท่านโวยละอันนั่นแหละก็เพราะท่านเป็น เป็นอาจารย์นะท่านมีประสบการณ์แล้วแล้วแล้วก็พระอาจารย์สซชานแบบมันกับปฏิบัติตามตามแนวทางปฏิปทาอะไแบบยิตหลักใหญ่อะไรแบบดอกบูมั่นอะไรี้ก็เห็นเนี่ยก็เห็นว่าทําอะไรนะเินตบาทก็เป็นตบาดฉันเมื่อเดียวว่าฉันเมื่อเดียวท่านสอนให้ทำอะไรก็ทำตามท่านท่านไม่ท่านสอนให้ไม่ไปรับกิจนิมนต์ก็ไม่ได้ไปรับกิจนิมนต์เนี่ย ท่านสอนให้อยู่ป่าอยู่วัดไม่ให้ออกไปข้างนอกแม่ไปตามศูนย์การค้าแม่ไปชอปปิ้งไปอะไรก็ทําตามที่ครูบาอาจารย์สอนเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วแล้วป้าอาจารย์เคยหลวงปูมั่นแบบองุ์จริ ง, รงๆไหม อ, อ๋อไม่เคยเราไม่ทันเราท่านตอนที่ท่านเสียเนี่เราอายุเราเพิ่ง เ, เ, เ, เกิดได้ขวดเดียวเนาะแล้วเกิดเก้าศูนยลงปู่มั่นท่านเสียปีเก้าเนี่ยถ้าจำถ้าจำ ไ, ไม่ผิดเนี่ย ถ้าหลวงปู่มั่นนี่แบบท่านอยู่แบบมีปัญญาแล้วก็แบบแล้วท่านดูแบบดุดุแล้วว่าแบบแล้ว่าแต้ว่าแบบจริงจริัท่านแบบมีปัญญาแล้วก็แบบท่านมีจิตใจที่บริสุทธิ์เนี่ยท่านเมตตางที่ท่านดูดาก็เหมือนพ่อแม่ว่าลูกสอนลูกเห็นลูกทำผิดก็ต้องสอนต้องบอกแล้วพระนี่แบบมีแบบที่เป็นแบบปูถุชนแล้วก็มีแบบ อริยะด้วยใช่ไหมเจ้าคะใช่ส่วนใหญ่เวลาเริ่มต้นก็เป็นพุทธชนนั้นนหละเวลาบวชใหม่ๆแล้วพอไปศึกษาไปปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ ก, ก, ยกไ็ไม่ช้าก็เดี๋วก็ได้บรรลุเป็นพระอาริยบุกคลกันแล้วแบบถ้าถ้าเกิดว่าไปเกิดเป็นคนแล้วก็ได้จากจากการเป็นคนแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานแบบนี้ไปได้ไหมถ้าเป็นตั้งอาริยแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปเกิดเป็นสัตว์จิต จิตพ้นจากการไปรเกิดในอบายออแล้วก็พระอาจารย์สุชาติแล้วก็แบบว่าเขาแปบลบว่าหลวงตามาบัวบอกว่ า, วาทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้าเราวัดไปนิพพานแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่มีแต่ความสุขตลอดเวลานิพพานังปรามังสุขขังอารมณ์มสุขตลอดยี่สิบสีชั่วโมงแปลว่าพระอาจารย์สุชาตินี่แบบเป็นผู้มีบุญ แต่ว่าแต่ว่าข้าพเจ้านี่อยากเป็นผู้มีบุญมากจังก็ทำตามที่พระเจ้าสอนไงทำทานรักษาศีลภาวนาไปเดี๋ยวก็ได้บุญเองแต่ว่าแต่ว่าแบบนั่งสมาธิแอนแบบแบบบางทียนนั่งแล้วแบบจิตวุ่นวายมากเลยก็ไม่มีสติ่งฝึกสติสวดมนต์ไปก่อนพุทโธไปก่อนแล้วก็ แล้วก็แบบบางเทียนแบบว่าตั้งใจแบบอยากตื่นเร็วๆวันแล้วก็แบบถึงทีจริงๆแล้วมันง่วงแล้วมันตื่นไม่ไหวแล้วก็นอนต่ออีกนอนให้มันหัวค่าหน่อยเถอะนอนตัหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยมันก็ตื่นเช้าเองไปนอนดึงมันก็ตื่นไม่ได้นอนหัวค่ำดูนอนหกโมงเจ็ดโมงกิ่ข้าวเย็นเสร็จก็นอนเข้านอนเลยเดี๋ยวตื่นเราก็ตื่นขึ้นมาเองแล้วก็แบบบางเทียนแบบ เหมือนกับแบบเวลาเราอยู่นแบบมันกลับมาจากโรงเรียนนี้แล้วก็แบบแล้วก็อยากแบบแบบออมเงินแบบนี้แล้วก็แบบบางทีก็ไม่ซื้ออะไรกินแล้วก็แบบกลับบ้านเลยก็ดียังไงประหยัดอย่าไปใช้เงินท่าที่ไม่จำเป็นเก็บมาไว้เผื่อไว้ข้างหน้าเกิดขาดแคลนเราจะได้มีเงินไปไปจิไปซื้อมาได้ mm hmm. ถ้าไปใช้หมดมันก็ไม่มีอะไรที่จะ mm hmm. จะซื้อต่อไป อ้าวหายไปแล้วนะหยุดไปแล้วฮัลโหลอ้ายังอยู่เลยทำหมดด้วย่างคำถามเอาแค่นี้ก่อนดีไหมแค่นี้ก่อนก็ได้นีให้คนไหนเข้าถามมาได้โอเค <Okay. S 2> สาธุสาธุจ้าขอบคุณไอโฟนกลับมาแล้วตอนนี้ลองเปิดไมคได้ไหมคุณไอโฟน as t o u un unview คุณไอโฟนได้ยินไหมได้ยินแล้วคงไม่ได้ยินเอง หนึ่งครับหนึ่งยันบ่ายเจนคุณสุกัลต้าจากนิวมอสซัสกลับน้มรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอวันนี้ลูกวันนี้ลูกไม่มีอะไรเจ้าค่ะเข้ามาฟังเจ้าค่ะโอเคได้ฝึกฝึกต่อเนื่องเจ้าค่ะฝึกต่อเนื่อง ตอนนี้เขาให้เราไปฉีดวัคซีนแล้วยังไม่ยังเรายังต้อรอคิวอยังเจ้าค่ะยังไม่มีอะไรด้วยค่ะต้องคนหกสิบขึ้นไปนะหกสิบกว่าเนี่ยยังยังยังยังไม่ถึงอีกอีกอีกนานอีกสักระยะหลายหลายปีเจ้าค่ะลุกยังฝึกต่อเนื่องด้วยค่ะพยายามไม่ขี้เกียจอย่างใช้สติใช้ปัญญาปล่อยวางเนาะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกับพระบคุณเจ้าค่ะ คุณนอมคุณนอมจับจากแม้เวลาใช่ไหมอันนี้คุณจี๊บยังไม่เข้ามาเลยคุณนอมลูกที่เรายังไม่เข้ามาหล่น อ, นอ่ า, าอาีว ม, มีคำถามเจ้าค่ะอา่ะเอาเวลาโยมเดินจงกรมใ น, นเจ้าค่ะ โยมเดินไปโยมก็บางครั้งก็มองการเดินที่เราเดินนะเจ้าค่ะบางครั้งก็ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วทีนี้แฟนโยมเขาก็มองโยมแล้วก็อืคือเขาเคยไปปฏิบัติมามานะเจ้าค่ะแล้วทีนี้เขาก็ถามโยมว่าเฮ้ hey, ฉันไปปฏิบัติบานไม่ใช่อย่างนี้นี่อะไรเงี้เจ้าค่ะ เขาเดินอย่างนี้เขาก็เลยเดินเดินเดินเดินอย่างนี้เจ้าค่ะเดินไปแล้วก็ติดเดินแล้วก็ติดเดินแล้วก็ติดเดินแล้วก็ติดชาเดินแล้วก็ติดโยงก็บอกว่านั่นเป็นการฝึกหันเรื่องต้นแต่เราใช่ไหมเจ้าคเราเราอยู่ขั้นที่สูงกว่าแล้วเราไม่ต้องมาหัดเดินเราเดินเดี่ยวได้สติเราไวลราทันมันใช่ไหมเจ้าค่ะโยงก็แบบเอ๊ะ โยมก็ดีที่เขาถามแสดงว่าเขามองที่เราปฏิบัติออน ท, ทีนี้นใช่เจ้าค่ะโยมว่าการปฏิบัติมันไม่ใช่มีรูปแบบเดียวโยมว่ามันมีหลายรูปแบบแล้วแล้วยอมโยมก็บอกว่าถ้าจิตโยมออกไปขี้เนี้ยโยมก็ดึงมันกลับเข้ามาในการที่เราเดิน อ, อ เดินช้าเดินเร็วมันอยู่กับการที่ว่าโยมองมองสิ่งที่โยมกระทําในขณะนั้นใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องอ่าทีนี้บางครั้งโยมก็สงสัยเหมือนกันเจ้าคะ่ะเวลาโยมเดินมากๆเนี่ยโยมจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยขายโยมมันก็เหมือนกับว่าเดินช้าลงแล้วก็มันเหมือนกับว่า มันเหมือนเป็นสเต็ปสเต็ปเหมือนที่เขาบอกเดินช้าแล้วมันเหมือนกับว่ามันเหมือนจะพูดว่ายังไงดีเจ้าคะคือความหมายของการเดินจงกรมหรืออะไรก็ช่างแต่มันขึ้นอยู่กับว่าจิตเราอยู่ณนะตรงนั้นใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วต้องการให้จิตอยู่ในปัจจุบันไม่ให้จิตไปคิดเรื่องราวาต่างๆจะเดินช้าเดินเร็วได้่างนั้นไม่สําคัญทำไมเจ้าคะโยง โยมก็คิดเหมือนพระจาย์นี่แหละเจ้าค่ะ hmm. แล้วแล้วออีกคําถามหนึงเจ้าค่านะนายโยมกลับมานั่งสมาธิเจ้าค่ะพระอาจารย์โ hmm. ยมกลับมานั่งสมาธิทีนี้โยมนั่งแล้วตัวรู้สึกร้อนค่ะพระอาจารย์แบบมันเหมือนมันเหมือนร้อน รอเหมือนพลังงานมันอยู่ในที่ตัวโยมในเจ้าค่ะอย่าไปสนใจ อ, อะไรอย่าไป ส, สนใจมันมันเป็นธรรมดามันก็เป็นเรื่องของร่างกายบางทีมันก็ร้อนบางทีมันก็เยน็นไม่ต้องไปสนใจใมันเป็นผ้า อ, อะไรหรอกให้เราอยู่กับพุทโธไปหรืออยู่กับลมไปอย่าไปสนใจแล้วเดี๋ยวพอจิตสงบมันก็จะหายไปใช่ไหมเจ้าคะโยมโยมก็คิดเช่นนั้นเจ้าคะ่ะโยมก็เลยว่า สงสัยพยามาลกำลังจะมายมคิดนี้ยมก็เลยใจสู้ใ จ, ใจเอาใจมาสู้มาฮึดขึ้นมาสงสัยพยาบาลไม่อยากให้เรามาทําใช่วเวลาดูหนังมันไม่เป็นใช่ไหมนั่งดูหนังดูละครเลยพอเราสมาธิหนอยเป็นขึ้นมาเลยเปิดอัดตรงนั้น น, นั่ น, น, น, น, นอะไรเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้สารพัดสารเพอย่าไปสนใจก็เลยกิเลสสมานะ เอ่อพาจารย์เจ้าคะเวลาเราโยมเวลาโยมนั่งสมาธิโยมดูลมหายใจค่ะดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วทีเนี้ยมันเหมือนมีอะไรมันดิงมันมันคือมันสงบแล้วทีเนี้ยมันมามันเหมือนอะไรมันอยู่ตรงที่เนี้ยพอาจารย์แล้วมันเหมือนมีอะไรมันดึงเงี้ยพอาจารย์มันมันเป็นอะไรพอาจารย์อืเงี้ยพอาจารย์มันเป็นอาการของจิตจิตมันแสดงอาการต่างๆ แล้วแล้วแล้วโยมควรทําเช่นไรเจ้าคะดูลมไปอย่าไปสนใจมันอ๋อแต่โยมกลับมาดูที่ลมมันดันไม่มีลมอันนี้ค่ะเจ้าค่ะป้าจางก็ดูเฉยๆไปคือเอาเอาเอาเอาจิตเอาเอาเรามาดูเอามาดูตรงที่จมูกใช่ไหมเจ้าคะไม่ต้องไปดูไอ้ตรงนี้ใช่ไหมเจ้าคะไม้ดูตรงนั้นให้ดูที่เดิมให้อยู่ที่ลมหายใจเออเท่นั้นอ๋อเจ้าค่ะ โยมมีคําถามแค่นี้เจ้าค่ะเพร่อโยมอมก็ว่ามันเหมือนมีอะไรใหม่มีพ่อจาร์ดื้อๆๆอย่างเงี้ยไ <Okay. S 1> ด้ค่าวจากคุณคุณจิ๊บบ้างเปล่าโอ้ไม่ไม่ไม่ไม่ติดต่อกันเลยไม่ได้ติดต่อเลยครับพ่อจารย์พ่อรพยมพยายามจะสงบวาจาโ okay. <laughs> ยมพายพายามจะสงบวาจาเจ้าค่ะก็เลยไม่ได้โทรหาค่ะ ได้ไม่เป็นไรครไม่เฉยทำที่ไม่เฉยเจ้าค่ ะ, <น>ะเดี๋ยวยมต้องโทรหาแล้วเจ้าค่ะได้ไปท่าน<อ>ต่อไปนะคุณคุณแทนเน่ยนจากเชียงใหม่แทนนะ<อ>ต้องเปิดไมโครโฟนก่อนโอเคพูดได้แลอ๋อกลับน้ำมัสการพระอาจารย์ครับอสวัสดีผมมีความกังวลใจเรื่อง งานที่พ่อผมจะให้ไปทำแบบแกยังไม่ได้ให้ไปทำํำแบบรอตั้งนานไม่รู้จะได้แล้วไงกังวลทำไมล่ะก็ยังว่างานนับรองานที่พ่อจะให้ไปทา<ง>ํายู่ก็หางานทําเแต่นั่งสมาธิไปเดินโยกกลมไปงานดีๆไม่ทำเลย<อ>ใช่ไหมครับอจริงๆงานเดินโยกกลมนั่งสมาธิ หนูตามมาฮะบอกไปงานเลือดเือดเือพบชาติหรือถอนพบชาติอครับความช่วยต่ตางๆผคว<น>รจะเอาโ อ, อกาสที่มาเวลาที่ว่างงานเนี่ยมาทํางานที่เป็นประโยชน์ๆๆจริงๆดีกว่าการชมพมนั่งสมาธิถ้าทาที่บ้านไม่ได้ก็ไปหาวัดไปอยู่ที่วัดชั่วคราวไปก่อ น, นจะได้ไม่เครียดจะได้ไม่ต้องกังวล แต่เวลาเขาจะจ้างเราก็เขาก็จะเขาก็จะเรียกตัวเราเองมานั่งเรอมันก็ยิ่งเคียดไปกวปลไม่เกิดประโยชน์อะไรผมผ ม, ผมก็คิดอยู่ไว้จะว่าไ ป, ไปถือไปถือเศียที่อ่าดีไปเถิดนะฮะไปวัดที่ไหนไปอยู่นั่ง ก, ก็ไปอยู่ไปถือศียแปดแล้วก็หัด ก, กินมือเดียวไม่ได้หรือกินสองมือกอนเที่ยงวันแล้วก็เดินจงรมนั่งสมาธิ ฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสืธรรมมากไปจ้ตใจจนได้เย็นจะได้สบายอ่านเครียดถ้าเวลาเดินจู ก, กลมนี่ถ้าผมเปลี่ยนจากเดินพุโทโธมาเป็นเดินนับเก้าได้ไหมครับได้นับเ ก, กา้าก็ได้พุทโธก็ได้ซ้ายขวาก็ได้เป้าหมายคือไม่ให้ใจ่ายไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอมีเรื่องต้องทําก็ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ แล้วก็เดินเมื่อยก็มานั่งต่อพอนั่งเมื่อกันลุกขึนมาเดินใหม่ทําสลับอย่างนี้ไปเดี๋ยววันนี้ก็หมดได้วเวลา<ะ>เกิดๆไม่เครียด ก, กับเรื่องงานเรื่องการไม่เครียด ก, กับเรื่องอะไรนันสบายนี่ไม่ดีตอบแา่อาจจะไม่อยากจะไปทํางานก็ได้อสสาทําทงานดังธรรมนี้กับได้ประโยชน์มากกว่าได้ความสุขมากกว่าลดแห่งธรรมชนะลทั้งปวง ไปทำงานก็เครียดเองได้างานก็เครียดเองได้งานไปทางานก็มีเรื่องให้เครียดอีกแล้วก็คำว่าเนี่ยถ้ถูกเขาตรวจออกถ้าเขาก็เริ่มจ้างก็เครียดขึ้นมาเองมันวิ่งไปหาความเครียดกันแท้ๆคนจะหนีวิง่งหนีจากความเครียดกันไปหาความสงบหาความสุขกันดีกว่าไปหาลดแห่งธรรมที่จะ น, น่าลดทั้งปวงนะครับ ส, สนาุการในตอนนี้นะครับตอนนี้ครับรสาธุการมากแก อันนี้เรามีโอกาสดีมันเป็นวิกฤตเราวพลิกมาให้เป็นโอกาสได้อารวจอารวลอาจารย์อยู่กรุงเทพอารวจตมมา ก, การครับมีอะไรไหมเออความอยากทราบว่าความคิดหรืออารมณ์การฝึกส ต, ตินี่มันจัดการความคิดแล้วความคิดไปแต่าการเอ้ยไม่ใช่จัดการอารมณ์หรือความคิดยังไงอ่ะครับอาจารย์ อ๋อสติมันหยุดความคิดได้พอหยู่ความคิดได้อารมณ์ก็จะหยุดตามเพราะความอารมเกิดจากความคิดของเราแต่มันจะหยุดชั่วคราวมันไม่ได้หยุดถาวร อ, อ๋อแต่จะหยุดถาวรต้องใช้ปัญญาการการทําให้ตัวเองมีความมั่นใจตัวเองให้ในการปฏิบัติทำมากขึ้นทํำยังไงเหรอครับก<ค><ญ>็ต้องปฏิบัติมากขึ้น เรปฏิบัติมากขึ้นมันก็ได้ผลมากขึ้นมันก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นไ ป, ปนไผลมากขึ้นต้องปฏิบัติให้ได้ผลต้องปฏิบัติให้ได้ผลได้ผลแล้วปรากฏวันต่อมาเอา้าทําได้ทําไม่ได้เหมือนเมื่อวานเลยมันก็ก็แต <c oughs> ่ว่าเรายังน้อมรุบกุกการอยู่ไงกินอย่างนี้สามวันดีสี่วันไข้ก็ต้องอย่าท้อแท้สู้ไม่ถอยทําไปเรื่อยๆ<บ>เดี๋ยวต่อไปมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อย มันจะ ม, มันเป็นการยิ่งทํายิ่งมีความมั่นใจใช่ไหมครับถ้าได้ผลมันก็จะมีความมั่นใจถ้าไม่ได้ผลมันก็จะไม่มั่นใจครับพยายามปรับปรับฝึกสมาธิมาเจอเรื่องทางโลกบางทีเจอเรื่องบางอย่างมันช้าใจพอช้ําใจเอา้าพุดโธเอา้าพุดโธมันยังช้ําใจอยู่เอ๊ะอไงวะเราเราพูดโธไปเรื่อยๆไม่ใช่พูดโธคํา้งสอาครั้แล้วมันจะหายช้ำใจไม่ใช่เราพูดโธไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่มันจาย ต้องเร่งอะไรอิธิบาตสี่ของผมนั่นแหละก็ความเพียงไงเพียรสร้างสติพุทโธพุทโธไปแล้วมันจะหยุดความคิดหยุดอารมณ์ได้แล้วใจจะเบาใจจะว่างจะเย็นจะสบายไม่มีอะไรแล้วครับฝากให้ผมผมก็ผว่าแข็งแรงนะครับ คุณเวลาไม่ได้เปิดกล้องไม่ทรบาบว่า อ, อยู่หรือเปล่าเอยไม่ไ ม, ไม่ไม่ตอบอะไรนะครอาจารย์ไม่ตอบครับโอเคงั้นก็ไปที่ทางระ ย, ยกภูผากับมุกกับหมายมุกหมายอ่วาวาง่ายเด็กๆวาพภาส่วนเินกันลนะครับอครับ การบ้านจะมาะรายงานครับน่าเชิญอาทุลครอาทละค น, ะคนีผมมีสองคำถามครับคำถามแรกคือไปโส่งการบ้านก็คือมนนั่งนั่งเหมือนเดิมก็ตอนนั่งอยับก็ไม่รู้สึกอะไรแต่พอนั่งเสร็จปุ๊บขาเน็บขาชาขยับขาไม่ได้เลยครับอไม่เป็นธรรมชาติของร่างกายเวลานั่งอยู่เฉยๆเลือดอมมันไม่ค่อยไหลมันก็เลยเหน็บชาขึ้นมาได้ ดียวมันก็ ไ, นไม่ไป็นไรส่วนในข้อนึงคือยานกับฌานอันไหนมากก่อ น, นะครับคําว่ายานนี้แปลว่าความรู้ฌานแปลว่าสมาธินั่น<ม>เราต้องฝึกสมาธิก่อนให้ได้ฌานก่อนแล้วเราถึงจะสามารถไปสร้างยานขึ้นมาอีกทีหนึ่งสรางปัญญาขึ้นมานี่ต้องฝึกสมาธิก่อนให้ได้ฌานมาได้ฌานแล้วก็ไปเจริญปัญญาเพื่อให้ได้ยานต่อไป ใายต่อไปผูรา ล, ลูกไหมลูกไหมใช่ไหมไม่ลืมแล้วทํายคือใบยกอ่ะใบหยกหม่ลืมแล้วเหรอลูกแม่บอกมันมีคำถามเดี๋ยวนึกไดกก่อนนะปรหยกมีม <laughs> ไหมหนูมีเรื่องมารายงานค่ะคือว่าหนูนั่งสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงกับคุณแม่ค่ะด้วยกันับประคำ แล้วก็สวสดอิทิปิโสไปอะค่ะเอ่อดีแสดงว่าหนูปรับเอ่อลิงได้ริงคือคือจิตของเราเนี่ยให้มันอยู่นิ่งๆเฉยๆได้แสดงว่าเก่งต้องทําบ่อยๆทําทุกวันน ะ, ะต่อไปหนูจะได้ควบคุมลิงได้คือจิตของหนูเนี่ยหนูจะได้ไมนต้องไปเป็นลิงหนูจะได้เรียบร้อย ลุกหมายมีหมายมีอะไรไหมไม่มีจะจะได้ไปสู่ท่านอื่นต่อไปเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วท<ม>ุกแบบมีไหมแม่ก็ยังฝึกอำเลี้องอยู่ค่ ะ, ะสวดมนุก็ตอนนี้พยายามพยายามดูแลลูกแล้วก็กลับมาสวดเข้าห้องพระจะ ยังตั้งตัวเองไว้ว่าพอไม่เกินห้าโมงเยนต้องเข้าห้องพลาอันเนี้ยค่ะแล้วก็มาสวดมนลจดมลหรือนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อยหนชั่วโมงแล้วก็ก่อนนอนก็พาเด็กๆมานั่งสมาธิอีอย่างเนี้ยค่ะทําแบบนี้ทุกวันค่ะดีดีอ่ะเราต้องเป็นหัวหน้าพาเด็กทําถ้าเราไม่เราไม่ทาพาเขาก็ไม่ทํากันนะค่ะงั้นเราแล้วก็มีความตั้งใจมีเวลาทําเนี้ยถูกต้องแล้วนะยังตั้งยมอยากขอเมตตา เราขอเมตตาหลวงตาเมตตาสอนลูกๆสามคนคะ่ะว่าเวลาที่เขาดื้อรั้นเนี้ยคะ่ะเวลาแม่สอนเนี้ยแม่เรียกเนี้ยคะ่ะให้วาแล้วเ้าบางทีเขาอาจจะอารมณ์เขาก็อาจจะรู้สึกมีความรู้สึกกับเราเนี้ยคะ่ะแล้วอยากให้เขาแบบไม่ต้องชักสีหน้ามีมีมีวิธีสอนเขาไหมคะอ๋อถ้ายังไม่เป็นบ้าอาหารมันยังไม่มีวิธีเลยเนาะก็ต้องไปก็มีสีหน้าไป เป็นธรรมดาอย่าไปถือสาอบางทีเราก็มีสีหน้าบางทีใครเขาสั่งให้เราทํำในที่เราไม่อยากจะทำํำเราก็มีสีหน้าขึ้นมาค่ะเวลายอยาควบ ก, กุบใจเราไม่ได้หรอกก็ต้องยอมรับสภาพไปว่ามันเป็นธรรมดานะก็ปล่อลยก็มีสีหน้าไปอย่าไปถือสาเขาค <Okay. S 1> ่ะเดี๋ยวเขาก็ลืมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หายไปค่ะ ฝึกไปได้เรื <S <S ่อยๆต่อไปก็จะควบคุมใจเขาได้ดีขึ้นไปต่อไปค่ะจ้าค่ะน้อยเสียด้วยว่านี่นี่คือปัญหาที่เราจะต้องมาคอยแก้กันเลยควบคุมใจของเราไม่ให้แสดงสีหน้าอาการต่างๆออกมาเวลาไม่ถูกใจไม่พอใจค่ะแต่ไม่หมา ย, ายจะไม่จะได้ยังถ้มีฝึกสติไปเรื่อยๆ แ, แล้วมันจะมันมันจะควบคุมได้ต่อไปนะค่ะ น้องกายก็ถาดโยมเวลาบางครั้งโยมก็เป็นอิติปิโสบางครั้งโยมก็เป็นพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยสลับใช้แทนกได้ได้ได้สลับกันได้ใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีระหว่างวันอย่างเนี้ยค่ะคืออิติปิโสมันจะยาวใช่ไหมคะโยมก็ใช้พุทโธค่ะได้ได้ดูใจเฝ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ได้กำลังกินข้าวก็อยู่กับการกินข้าวไปก็ได้ก็คือให้เราระลึกถึงอารมณ์ว่าขณะนี้เราทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตองดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ นะคะข้าวหน่อค่าสาธุค่ะสาธุการรู้เช่าชาติหนูได้ไม่ได้ทำเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะได้ให้คนอื่นร่้ัเจ้าค่ะสาธุค่ะนาคคุณ W Brunskal รู้สึกจากนอร์เวย์ได้ยินไหม Brunskal อ่าว่ายังไงสบายดีเรอะเปิดไมค์ก่อนจ กับน้ำมันสกัดใจาแทนค่ะจากน้องเมย์นนะจำไม่ผิด น, นะค่ะค่ะจากน้องเวย์ค่ะมาส่งการบ้านกับใต้แทนอ่าเชิญค่ะเอ่อก็ตั้งแต่คราวก่อนนะคะก็ได้อ่า ม, มีการเอ่อาจารย์ให้ไปถือศีลห้าให้ปฏิบัติให้นั่งสมาธิใช่ไหมครับอืมก็ก็ได้นั่งสมาธิอ่าแล้วก็ได้ ตอนแรกๆ ก, ก็ไม่มีกำลังพอค่ะก็ก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธในขณะที่ร่างกายเราพักผ่อนอยู่อะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้นั่งสมาธิตื่นมานั่งสมาธิบ้างอะค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีขึ้นนะคะพระอาจารย์ก็ดีทำไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้น ด, ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ แ่แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันพระด้วยก็เลยได้โอกาสถือศีลนะคะอาจารย์เพราะว่าหยุดหยุดการหยุดการถือศีลกินเจนานแล้วพอสมควรนะคะค่ะวันนี้ก็เลยได้ได้มีโอกาสเริ่มกิน เ, เริ่มกินเจรครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์เอ่อคนกินเจนี่จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่ที่สำคัญต้องรักษาศีลแน้ใช่ค่ะเอ่ อ, อส่วนมากก็ ก็รักษาศีลนะคะพระอาจารย์แต่ว่าก็มีมีมีบ้างที่เราแบบดื่มใบอะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ก็วันท้าก็อยกสักวันหนึงไม่ได้อ๋อไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นครับพระอาจารย์แบบตั้งแต่โควิดมานี่ก็น้อยมากเพราะว่าปกติก็เป็นคนไม่ดื่มอยู่แล้วครับพระอาจารย์อ่าก็ดีเิได้แล้วย่คดี่อค่ะดื่มตยูแ่ตแต่ต้แต่้ง้งแต่ั้แต้งงแต่ด้งแ้ต่ตั้่้แต่ตั่่ ได้ดื่มน้ำเปล่าถ้าไปข้างนอกก็ราคาก็คล้ายใกล้เทียงกันก็ได้ก็ไม่เป้ <c oughs> มันไม่มีิใครเหมือนเหล้าที่นเหล้าีันข เ, เ, เมาได้ใช่ครับอา<ม>จารย์ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดเรื่องเรื่องเรื่องดื่มครับอาจารย์เพราะว่าเหมือนที่บอกก็ไม่ค่อยดื่มอะคะอ่ะเป็นคนไม่ค่อยดื่มกันแล้ว แต่ว่าก็จะมีซื้อลอตโต้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จ๋าก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคกแล้วกันอย่าไปหวังอย่าไปแบบเล่นแบบเอาเป็นเอาตายก็แล้วกันไม่อะค่ะก็ะไม่ได้มีกําลังขนาดนั้นก็เป็นเป็นบ้างตามเวลาค่ะบางครั้ง<ด>อยากเสี่ยงโชคก็ทําบ้างอะคะ่ะคิดว่าทดสอบดูว่าบุญของเรามีมากอีน้อ ย, ยถ้ามีบุญมากเดี๋ยวัน <c oughs> ก็ถูกถ้าไม่ถูกก็แสดงว่ามีามบุญน้อย <c oughs> จะได้เียบุญได้มากขึ้นถูกไม่เคยไม่เคยถูกได้เยอะขนาดที่เท่ากับที่เราซื้อไปครับผู้รัดแต่บางทีก็แต่ก็มีมีบุญอย่างอื่นนะคะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่ามีมีความรู้สึกอ่ามีความเป็นอยู่ที่ดีมีการงานที่ดีมีลูกที่น่ารักเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นบุญของเราอย่างหนึ่งนะค่ะถูกต้องดูคนที่ก็ลำบากกับเรายากกับเรา ใช่ชใช่ก็ก็รู้สึกแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าการนั่งสมาธิพักหลังหนับเดี๋ยวขอลูกชายเล่นบาสเกตเสียงดันงนิด น, นึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนเราพยายามให้เรามีสติแต่ว่าด้วยการที่เราป่วยเหมือนที่บอกพอาจา์ว่ามีเลือดล้มนะคะแล้วก็ หัวอะหัวสมองนี่มีเลือดออกก็เลยแบบต้องพักเยอะหน่อยแต่ว่าการที่แบบเราพักมาทิศกว่าแล้วเลือดนี้เรามีความกังวลใจนิดนึงอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบทําให้เราแบบเรื่องงานอะไรอย่างนเงี้ยเราก็เลยแบบเอ่อเหมือนกับเราไม่ไม่มีสมาธิอะค่ะพระอาจารย์ก็รเดิมันกลับมาด้วยการท่องพุทโธพุทโธไปแลวสวมดมนต์ไป ก, ก็พยายามท่องพุโทโธพุธโทโธแต่ว่าบางทีก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าอ่ะค่ะต้องท่องไปเรื่อยๆท่องเรื่อยๆอย่ค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนเมื่อวานก็อคิดว่าวันนี้พระอาจารย์คงไม่ได้ซูมเมื่อเมื่อวานก็รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันพระก็เลยมีการจุดไฟเคยปฏิบัติมาครับพระอาจารย์แล้วก็นั่งจะจุดเตาผิงแล้วทีนี้ได้ยินเสียงสวดอิทิปิโสมา ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าจิตเราหรือเปล่าหรือว่าเราอยากปฏิบัติหรือเปล่าหรือว่าคือรู้สึกเาให้ดูว่ามันเป็นเสียงนะดูว่ามริกาดแล้วดับไปก็พอไม่ต้องไปสนใจค่ะก็เลยก็เลยก็เลยเหมือนแบบก็ก็ได้แค่ฟังแล้วก็ก็เลยตั้งมั่นว่าอ๋อวันนี้วันผ่านแล้วก็มาปฏิบัติถือสิ่กินเจแล้วกันดีค่ะมีเท่านี้ไหมวันนี้มีเท่านี้ค่ะอาจารย์ การอให้หายเร็วๆนะค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไปคุณนาเรียนาเรีย N A R E อยู่ที่ไหนอันมิวไมโครโฟนตัวโอเคผู้ดังๆหนอจ้ะเข้ามาพูดใกล้ๆหน่อยผานมาสการผ้าจา์เจ้าค่ะโอเคไต้หวันค่ะจากไต้หวันอ๋อไต้หวันเคยเข้ามาะ ใส่ เ, เข้ามาแล้วค่ะมีอะไรไหมวั น, น, มว น, นี้คืออย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะก็เมื่อวานกับวันนี้จะเห็นแบบว่าความคิดเหมือนกับเขาฟุ้งซ่านมากเลยอะค่ะเพราะเลยนั่งดูเขาคิดคิดคิดคิดถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วแล้ ว, ลวก็ลูกค้าที่เขามาพูดให้เราแบบไม่นวายใจอะค่ะแล้วก็นั่งนั่ง นั่งดูเขาอะค่ะมันกับว่านั่งดูเขาคิดนะคะนั่งดูความคิดนะคะนั่งดูเขาคิดแล้วก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็จะโมโหทีญญนี้ก็รู้สึกว่าเออเขาคิดอยู่ก็ก็ดูเขาคิดไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเกิดแรงดันออกมาจากตรงหน้าอกเหมือนกับเราอยากหาคนคุยด้วยอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เป็นค่ะมันกับจะฟุ้งซ่านเรื่องพอดีแฟนนะคะเขาเอาดื่มเหล้าดื่มเหล้าแล้วก็ขาหากัก พอขาหักแล้วเนี่ยเขาดามดามแล้วใส่ใส่เป็นพวกเหล็กอะคะ่ะแล้วเขาเขาดูแลตัวเองไม่ดีแล้วเนื้อมันจะเนื้อมันเจอแบบว่าเหล็กเขาจะโผล่มาคะ่ะเราเห็นแล้วแล้วเราก็ทุกข์ใจอ่ะคะ่ะรู้สึกทุกทุกใจว่าทําไมเขาดูแลตัวเองไม่ดีทําไมจะต้องกินเหล้าทําไมจะต้องสารพัดอะคะ่ะแล้วพ่อของเขานี่ก็อายุมากแล้วตอนนี้ก็ ลุกสุดจะไม่ค่อยไหวแล้วค่ะแปดสิบกว่าแล้วเยอะว่าทาไมบ้านมันแบบรู้สึกเหมือนกับเมื่อกี้ได้ได้ฟังท่านหนึ่งที่ที่บอกว่าเออเหมือนกับเหมือนกับจะต้องถูกพัดพากอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าตัวเองจะยังทําใจไม่ได้ตรงเนี้ยก็คิดไปบ่อยๆเดี๋ยวก็ทําใจได้เองมันไม่มีใครที่จะไม่ตายทุกคนเกิดมาแ ล, แล้วในที่สุก็ต้องตายทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันหมด โลกนี้คือเรื่องของความตายคิดบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะรับได้อคิดไปเรื่อยๆรู้สึกกลัวกลัวมากเลยเจ้าค่ะก็บอกว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายคนที่คิดไม่ได้ตายไปกับร่างกายคนที่คิดไม่มีวันตายพอไม่มีร่างนี้ก็ไปหานั่งใหม่ไปเกิดใหม่ต่อเจช่ค่ะแล้ว แล้วอย่างอย่างสภาวะที่ที่อย่างสภาวะที่ที่แบบว่าเห็นความคิดก็คือเราคิดเองหรือเปล่าเจ้าคะหรือว่าเราไม่หลัง เ, เห็นเองแต่ว่าไม่ควรจะปล่อยให้มันคิดเพราะคิดแล้วมันก็สร้างปัญหาให้เราควรจะหยุดมันด้วยการสวดมนต์หรอพุโทโธไปดีกว่าเจ้าค่ะเราหยุดมันได้ถ้าเราใช้พุโทโธหรือใช้การสวดมนต์หรือถ้าเรามีสติพอเห็นว่ามันคิดกบ็บอกอยากคิดหยุดคิด ถ้ามันหยุดก็ใช้ได้ถ้ามันไม่หยุดก็ต้องใช้พุโทโธหรือใช้การสวดมนต์ไปก่อนนะคะเพระาะว่ามันหยุดคินดีกว่าแล้ไม่คิดได้สบายใจกว่าเบาอกเบาใจกว่าใช่จ้ะค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือคือนาลีนาลีไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งนั่งสมาธิมามาประมาณสี่ปีแล้ว่啊เจ้าค่ะแต่ทำได้แ้เริ่มเริ่มต้นใหม่ได้ไม่เป็นไรเออ แต่เมื่อก็แต่ก็ยังมีมีเหมือนกับสภาวะแบบอย่างกี่วันเมื่อเดือนประมาณเดือนเดือนนี้ค่ะได้ยินเสียงของยายเขาสวดอิติปิ อ, อนาโมตสาค่ะเหมือนเหมือนกับท่านเมื่อกี้ท่านพูดพูดออกมาค่ะเมืเม่อเมื่อได้ยินก็ได้ยินก็รู้ว่าได้ยินก็รู้อย่าไปคิดตึงแต่ว่าเป็นอะไรมาจากที่ไหนไม่สำคัญจะาค่ค ไปยืนแล้วมันก็หมดไปมันมาแล้วก็หมดไปหมดไปก็ปล่อยมันหมดไปก็เท่านั้นเองเจ้าค่ะมันไม่เที่ยงเกิดแล้วดับอนาตตาไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้เจ้าค่ะถ้าไปอยากให้มันไม่มามันก็จะทุกข์ด้อยากให้มันมาแล้วมันไม่มาก็จะทุกข์เห็นต้องปล่อยมันมามันมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปเท่านั้นเอง เจ้าค่ะ อ, อยากงเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะทจําใจยังไงเรื่องเรื่องเรื่องแฟนนะเจ้าค่ะก็เนี่ยต้องสวดมนต์ไปก่อนทําใจให้สงบแล้วก็จะรับกับความเป็นจริงได้ว่าทุกคนไม่ช่าง ก, ก็แล้วก็ต้องแก่เจ็บตายแล้วนิสัยคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ระมัดระวังบาคนก็ไม่ระมัดระวังบางคนขี้เกียจบางคนก็ไม่ขี้เกียจ เป็นเสิ่งที่เราไปไปร่วมเกยเขาเราเข้าไปไม่ได้ในชีวิตของเขาก็เป็นอย่างนั้นเองก็นำไปปล่อยเขาเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาไปเจ้าค่ะอคืออยากจะช่วยเขาเท่าที่ช่วยได้แต่บางครั้งเขาก็ไม่ยอมรับความช่วยเหลื อ, อจากเราใช่เมื่อเขาไม่ยอมรับเราจะทํำยังไงก็รู้สึกตัวเองเป็นทุกข์ว่ะนะเจ้าค่ะพอเราอยากไปช่วยเรา ใช่เจ้าค่ะก็ไม่เขาไม่ยอมให้เราช่วยเราก็ต้องหยุดช่วยแล้วไม่หยุดอยากไอยากช่วยแต่ว่ามันแต่ยังยังอยู่ในบ้านบ้านเดียวกันแล้วเราเห็นแล้วเราก็ทําใจไม่ได้เจ้าค่ะทําทําไม่ได้ก็ทุกไปเลยก็ทำไมอยากจะทุกกันก็ทุกไปเลยเจ้าค่ะทำไมอยากจะทุกก็ต้องทาใจถ้าเขาเขาไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากเราเราก็ต้องปล่อย อล่อ ย, อยใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ถ้าลรับเงินเขาก็าไม่เอาเลยจะทำไง เ, เ, เ, เราต้องเก็บเงินีเวาไว้ไปใช้อย่างอนี้ไม่ดีกว่าใช่เจ้าค่ ะ, ะก็ก็ใช่เจ้าค่ะอ่านะก็อย่างนั้นนะเราจะช่วยเขาก็ไม่เอาก็เราจะให้เงินเขาก็ไม่เอาเขาไม่เอาเราก็เก็บเงินไว้เจ้าค่ะนะเจ้าค่ะโอเคหมนแล้วนะหมดแล้วเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะไปอยู่ไต้หวามากี่ปีแล้วล่ะ ออยู่มาสิบกว่าปีแล้วเจ้าค่ะได้กลับมาบ้านมากกว่อได้กลับลงไทยบ้างมากกว่ากลับเมื่อสองปีที่แล้วเจ้าค่ะอ้ยังอยากจะกลับมาอีกบ้าเนี่ยหรือต้องรอให้โลกนี้หายก่อนต้องรอให้ให้ให้โลกนี้หายก่อนเจ้าค่ะเพราะตอนนี้ถ้ากลับไปกลับมาถูกกักตัวก็ประมาณเดือนกว่าแล้วเจ้าค่ะในธุระก็อยากเพิ่มานีนบ้านนะ จ้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> าค่ะขอบคุณทำใจนะปล่อยวางตัวใครตัวมันนะเพื mm ่อ hmm. จะช่วยแล้วก็ไมา่ยินดีก็ช่วยไม่ได้นะจ้าคโอเคคุณออดีอ่า uh ห้า huh. อยากนักเกลือก า, การธรรมสการอีกครั้งครับะยนี้มาอยู่ถึงกี่ <c oughs> กี่โมงมาปฏิบัติที่วัดถึงกี่โมงวันนี้ออกจากวัดประมาณ ประมาณบ่ายโมกว่าค่ะประมาณบ่ายยังไงสงบไหมดีค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ไปที่เป็น ไ, ไปนั่งสวดมนต์ธรวันเช้าแล้วก็นั่งสมาธิวันนี้นั่งคือเป็นเหมือนแบบที่เคยฟังของท่า น, อ, นอื่นๆที่เคยพูดนะคะ่ะเป็นอาการเหมือนกันทุกที่ว่านั่งแล้วรู้สึกว่า เราตกจากที่สูงอะค่ะาาอาจารย์จะนูไม่ได้หลับนะเพราะหนูนั่งสมาธิตอนเช้ า, ายังไม่ง่วงอะไรเลยเรู้เ <ไป S 1> ลยว่าตัวเองตกแต่พอตกเงี้ยแบบกแบบ็ก็เลยให้กลับมาที่พุทโธเลยทันทีกลัวกลัวแบบว่ากลัวหลุดกลัวลืมตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอพอนั่งอีกจะพับมันก็จะลงมาอีกเงี้ยอาจารย์ก็ไปมันลงไม่ลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปห้ามแล้วก็พุทโธเราไปกันแล้วกันค่ะคือพอมัน เหมือนตกที่สูงแล้วหนูพุทโธต่อก็ให้มันลงต่อแต่ก็อยู่กับพุทโธอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะได้ไดค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้นั่งแต่ว่าอีกข้อนึงก็คือยังยังมีปัญหากับเวทนามากเลยพอาจารย์ในั่งนา<ป> น, นพอมันเจ็บ ก, ก็พุทโธพุทธโทรไปอย่าไปดูความเจ็บอย่าไปสนใจความเจ็บเดี๋ยวพอใจลืมมันเองก็มันก็จะไม่ทรมานค่ะ ก็พยายามท่องเร็วๆแล้วนะพุถุทูลแต่ว่าแบบมันเจ็บเจ็บจนแบบออืจะทนไม่ไหวเลยแอแงเวทนาอยู่ตอนนี้อให้มันขาดใจตายไปกับพุถุทูลอะไรก็ได้ค่ะตัวคนเดียวก็อยากจะขาดใจตายไปเลยเหมือนกันพระอาจารย์อยู่กับปุถุทูลไม่มีค่ะปฏิบัติต่อไปค่ะเข้ามาฟังแต่เวลาทุกวันที่ฟังฟังอย่างนี้นะพระอาจารย์มัน มันมันทำให้เราได้ได้ได้คิดเลยนะคะพระอาจารย์คือทุกคนมีความทุกข์เวลาทุกคนเข้ามานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยในซูม <median> เราก็ได้พิจารณาไปด้วยใช่ทุก <median> แล้วคล้ายๆแบบตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาปีที่แล้วแล้วหนูก็เริ่มฟังธรรมะจากพระอาจารย์ไปวัดตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสจากโควิดตกงาน <the first> <alı> <Kos> <Joker> แล้วจากเมื่อก่อนที่แบบมันติดอยู่กับความทุกข์พระอาจารย์ปีหนึ่งผ่านไปหนู หนูไม่ทุกข์แล้วอะตอนเนี้ยจนตัวจนรู้สึกว่ากลัวตัวเองรู้อะค่ะว่ามันมันติดสุขหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ก็พยายามมองว่าโอเคละรู้แล้วว่ามันไม่ทุกข์กระจกต้องวางอะไรอย่างนี้ยอย่างนี้ถูกต้องไหมพระาอาจารย์ถูกต้องอย่าไปทุกข์กันจนใช้รอบคุณอบอกว่าหนูเปลี่ยนไปแล้วอะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยใช่เป็นจากคนที่ไม่มีสติมาเป็นคนมีสติค่ะก็มันดีอะพระอาจารย์แต่เรา ก็เธอเรียกปัดจักตังบอ่ะค่ะพระอาจารย์เราไม่สามารถช่วยคนอื่นได้นะแต่เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรใช <Ha. S 2> ่เรื่องนี้การปฏิบัตินี้ตัวใครตัวมันอัตตาอัตโนมัโอค่ะโอเคนะปฏิบัติต่อไปนะค่ะพระอาจารย์ okay. คุณเน่งสุโขทยัยเชิญอยู่ที่สุโขทัยเหรอกลับมากราบนมัสการครับพระอาจารย์ที่ครับอ่า เดี๋ยวรอใจนะคุณนิงคุณไอโฟนเพูดแล้วเชิญอ๋อได้ค่ะเชิญคุณไอโพูดได้เลยไม่พูด่ะพอจะให้พูดไม่พูดยังกลับมาที่คุณนิ่งกันกลับนัสการครับอาจารย์ครับนั้สการ์นะครับว่ามาันจะมีอะไรก็พูดผ ม, ม<ะ>ผมชื่อผมชื่อเนครับผมชื่อเนครับมีอะไรไหมผม หน้าสมาธิในรูปแบบนะครับก็คือทําสมาธินะครับจนลมหายใจหายไปจิตนิ่งสงบเย็นทีนี้ผมอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าเวลาเราจะขึ้นวิปัสสนานเนี่ยเราเราจะต้องรอหรือว่าอะไรเป็นที่สังเกตว่าเราเราสามารถจเจริญวิปัสสนานได้แล้วครับคือก็ให้ออกจากสมาธิกัอนเช่นตอนเนี้จเจริญวิปัสสนานได้ พอเรามีความคิดเราก็ดึงความคิดมาคิดทางทางทางปัญญาคือทางไตรลักพิจารณาทุกอย่างว่าไม่เทียมคือ เ, เรานั่งเรานั่งต่อเลยใช่ไหมครับพ่อจันย์ครับนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้อยู่อยู่ที่ไหนก็ได้ยกเว้นเวลาที่เราสงบเกียงอย่างเดียวที่เราใช้คิดพิจารณาทางปัญญาไม่ได้เวลาจิตไม่สงบเราก็สามารถพิจารณาได้เวลาจิตทําคิดปูแต่งก็สามารถเรามาคิดทางปัญญาได้ เช่นคิดว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาร ว, พวมพลความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้คิดอย่างเนี้ซ้ําๆซักๆคิดให้มันไม่ให้ลืวนี่เราปัญญานะคือพอเวลาเรานั่งจนเวลาเรานั่งจนนิ่งแล้วรวมหายใจหายแล้วเนี่ยบางทีเราก็นั่งนั่งอยู่อย่างนั้นจนเราเราไม่รู้ว่าเราเราจะต้องไปออ เหมือนกับมาพิจารณาการสามสิบสองไม่ไม่ไม่ไม่ไต้องพิจารณาเวลามันเน่งมันไม่ต้องการให้พิจารณาแต่มันนน่งไปนานๆกาวจกาวแล้วมันจะมันจะคิดไปเองใช่ไหมครับอาจารย์ครับไม่หรอกมันพอมันมันหายจากความสงบมันก็กลับมาคิดเหมือนตอนที่เรายังไม่ได้นอนสมาธินั่นเองมันมันเป็นของมันเองโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยครับอพราะมันอิ่มตัวมันก็ออกมามันก็คลายออกมา ทีนี้เวลามันายนี่จมาคิดทางปัญญาก็ได้ลูกศิษย์เข้าใจแล้วครับอเคขอบพระคุณครับอาจารยนะ <Okay. S 1> ครับผมคุณเน่งาจารย์คุณเน่งสกุลไทยการธรรมารค่ ะ, ระอาจารย์อของหนูเนี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้ามาค่ะเพราะว่าอ่าไม่ไม่ได้มีคําถามอะไรแต่ว่าตอนนี้หนูหายป่วยแล้วแล้วก็มีคําถามนิดนึงก็คือ หนูเริ่มเร่งความเพียรขึ้นมาใหม่ค่ะพระอาจารย์ครนี้หนูก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆมันนั่งไปได้ถึงสองชั่วโมงโดยที่แบบเราไม่รู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดอะไรเวทนาอะไรไม่มีเลยสักอย่างเนึ่งค่ะครนี้พอมันเริ่มออกจากสมาธิค่ะเริ่มออกจากสมาธิเนี่ยหนูก็เก็บเรื่องหนึ่งที่มันมีคนทาให้เราโกรธแล้วค่ะทำให้เราโกรธมากจนแบบตัวสั่นจนแบบเราอยากจะไปแจ้งความเขาเลยรอ่ะค่ะ ท่า น, นี้พอเราเอาเรื่องเนี้ยมาพิจารณาก็พบว่าอ่าเกิดจากตัวเรานี่เองะคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็กลายเป็นว่าเราอะ่ะคือกลายเป็นเมตตาเขาไปเลยอะเท่าค่ะตอนนี้ก็ไม่โกรธไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องไปทําอะไรเขาต่อเพราะว่าไม่อยากจะมีแบบเวีกรรมต่อกันถูกต้องพ อ, พอโกรธแล้วใจก็เครียดใจก็ร้อนขึ้นมาใช่ค่ะ พอเราสงบแล้วาก็สบายไม่มีเรื่องไม่ดีเาใครดีกว่าเจ้าค่ะครันี้พ อ, อมองไปค่ะทั่วไปนี่ก็คือเหมือนกับว่าจิตมันแบบมีเมตตามากขึ้นอย่างเวลาลูกลูกป่วยลูกแบบซนอะไรเงี้ยค่ะหนูมีลูกชายสองคนก็กําลังซนสามขวบกุมหขวบเจ้าค่ะคันี้พ อ, อ, อเราเห็นเขาซนเนี่ยแต่ก่อนแบบจะปี๊ดมากเจ้าค่ะอะ ตอนนี้นก็แบบแใช่ค่ะเขาเหมือน ก, <c oughs> <c oughs> กับเป็นวัยของเขาด้วยแล้วก็แบบ <c oughs> ที่อาจารยงป ร, ริญญาลันตุเจ้าแคบบ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็สอนเขาไปแต่ก็คือไม่ได้ปล่อยปลาละเลยเจ้าค่ะคือนี้อ่าลูกชายหนูคนโตอะค่ะเขามีก้อนเนื้อเหมือนกับต่อมน้ำเหลืองโตมานานแล้วค่ะสี่ปีแล้วคือนี้ก็มีก้อนขึ้นมาใหม่ตรงแขนเหมือนกับเป็นเนื้องอกประมาณนี้ค่ะหนูก็ไปคุยกับแพทย์หลายๆท่านท่านก็แนะนําว่าให้ ให้พาลูกไปพบหมอเฉพาะทางคร น, นี้หนูก็เลยเอ๊ะวันนั้นฟังพระอาจารย์เรื่องธรรมโอสถเจ้าค่ะ mm hmm. อันนี้หนูก็เลยลองอธิฐานดูว่ า, าถ้าเกิดว่าลูกชายหนูเนี่ยเขาสามารถจะทำประโยชน์ให้กับตัวเขาเองหรือว่าตอบภพบภูมิต่างๆได้เนี่ยก็ขอให้เจ้ากรรมในเวรของลูกอมาเหมือนกับว่าเราอธิฐานให้เขามาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราแล้วก็ ช่วยให้แบบลูกชายหนูได้ไปต่อประมาณนี้เจ้าค่ะ mm hmm. อัศจรรย์ใจมากๆเลยเจ้าค่ะเพราะอาจารย์คือยังไม่ถึงที่จะได้ไปพบคุณหมอเลยค่ะ mm hmm. ไอ้ก้อนเนื้อก้อนนั้นมันยุบหายจนแบบมองไม่เห็นสัมผัส mm hmm. ไม่ได้เจ้าค่ะ mm hmm. คือเหมือนกับว่าตั้งแต่หนูปฏิบัติมานี่คือแบบมีเรื่องอัศจรรย์หลายๆอย่างมากๆเลยนะคะคือหนูไม่รู้ mm hmm. ว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าอ ะ, อะไรอะไรเงี้ยค่ะเจ้าค่ะ หรือว่ามันรู้เฉยๆในการดูเป็นอย่างนี้อเจ้าค่ะครนี้เวลาพอแบบอคือหนูจะเปิดร้านขายยาด้วยไง้ยนะคะเวลามีคนไข้มาเงี้ยบางโลกอ่ะหนูก็แบบแจกโบส่วนโบนเดี๋ยวกว่าก็คือต่ายยาด้วยแล้วก็แบบอ่าพี่ไปส่วนโบนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจ้าค่ะเหมือนกับสบาใจกินยาก็รักษากายเจ้าค่ะ เหมือนกับบางโรคที่เขาอย่างเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเร า, เราก็รู้ว่าอ๋อมันเ<ม>อเขาก็ต้องใช้อย่างเงี้ยไปคือมไม่ได้บอกเขาว่าต้องทําใจหรืออะไรนู่นนี่นะคะก็พ<ม>ี่ไปสวดบนแล้วกันถ้าแต่ทําไม่ทำก็คือแล้วแต่เขาเราก็ทําประมาณนี้เงี้ยจ้าค่ะเด็กถูกต้องเจ้ะคะ่ะให้ให้ให้ทั้งยาทั้งทางร่าง ก, กายและยาทาง จ, จิตใจเจ้าค่ะทำเอาสวดกันรักษาใจ ใช่ชค่ะของร้องก็รักษาร่างกายไปหายก็หายไม่หายก็ตายเจ้าค่ะแต่ตายทุกคนเจ้าค่ะพอะนี้นหนูก็บอกลูกชายคนโตที่เขาแบบมีปัญหาก้อนเนื้อนุ่นนี้น่ะเขาหนูก็บอกเขาว่าคือเราอ่ะคือเกิดมาทุกคนมาต้องตายอยู่แล้วคือหมัอนกับว่าร่างหนวไม่ได้ทุกอะไรแต่ว่าแต่ว่าก็สอนลูกไปเรื่อยๆว่าถ้าในอนาคตอะไรจะเกิดเนี่ยมัน ถ้าถ้าหนูตายไปแล้วเนี erm ่ยหนูจะมาสวดมนต์กับแม่ทอก็ได้นะหรือว่าจะมาฝึกเขาหนูก็จะพยายามสอนเขาให้สวดมนต์ก่อนนอนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็พาไปวัดนู่นนี่แบบนี้ใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช้ได้เจ้าค่ะยึดพระพุทธธรรมวสังเป็นสานะทางใจเจ้าค่ะตอนนี้ก็ชวนไปนอนวัดลูกเดียวเลยค่ะอยู่ใกล้บ้านที่สุดเจ้าค่ะแล้วก็เรื่อง อ่าพอพอนั่งสมาธิรอบนั้นนะคะที่ว่ามันนั่งนิ่งๆ น, นานๆจนมันอุเบกขามันเกิดขึ้นนะคะพระอาจารย์ตอนนี้เหมือนกับว่าตอนนี้หนูถือศีลหกอยู่นะคะออคือคือที่จริง อ, อ, อยากวิ่งออบนทางด่วนแล้วะคะ่ะพระชาชาอาจารย์ออ <laughs> พอารมณ์แบบก็อยากคือแบบรู้สึกเสียเวลามากเลยเนี่ยผมหน้าผมอะไรพวกนี้เนะจ้าค่ะเรา <laughs> ตัดให้มนสั้นลงไม่ได้เรื่อนเลย เจ้าค่ะไม่ต้องกกนทีเดียวก <c oughs> ค่อยๆอยไ ป, ไป <c oughs> แต่หนูก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้สนแบบคนร <c oughs> อบข้างเท่าทไหร่นะคือหมายถึงว่าเออถ้าเขาจะทักเรานู่นนี่เราก็ไม่ไม่ได้อะไรอะไรต้นอย่างเงี้ยเจค่ะตอนเนี้ย <c oughs> นนที่บ้านก็เลยแบบอสร้างห้องพระให้แล้วก็ทําทางจงกรมให้บอกให้ทํา <c oughs> ที่บ้านเป็นวัดแล้วกันอะไรอะไรเี้าค่ะได้ยังไงก็ได้ตอนนี้ก็ต้องทำอยู่ดีก่อนเจ้าค่ะแล้ววัดเจ้าความเช่าระภาก็ไปหาวัดอยู่ <c oughs> คือตอนนี้บ้านปลายเนี่ยไม่ได้คิดอะไรแล้วเจ้าค่ะบอกขอบุติสักหลังหนึ่งพอนะบอกแฟนแล้วก็แบบ <c oughs> คุยกับเขาว่าเธอถ้าสมมติฉันไปก่อนเนี่ยเธอช่วยดูลูกได้ไหมอะไรเงี้ยพอดีบ้านแฟนก็ค่อนข้างจะมีฐานะแล้วเขาจะเข้าใจหนูประมาณเนี้เจ้าค่ ะ, ะคือแบบรู้สึกแบบออ <c oughs> แต่วันนี้เด็กๆไม่อยู่ค่ะหนูก็เลยมีโอกาสได้สนทนาธรรมต่อพรอาจารย์เจ้าค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเจ้าค่ะอยู่ที่เชียกุฎไทยใช่ไหม เจ้าค่ะใช่แล้วค่ะอยู่อำเภอใรอยู่อำเภอสี่สำรงเจ้าค่ะใช่ค่ะพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ขึ้นทางด่วนเองนะเจ้าค่ะตอนนี้ทําทางบวนขึ้นมาเองไม่รู้จะประมาณไหนเจ้าค่ะแต่ก็ทำไปเรื่อยๆรู้สึกอัศจรรย์ใจมากๆเลยหนูแบบอยหลายๆเรื่องเจ้าค่ะแต่พอเราลดความเพียรช่วงที่หนูป่วยเจ้าค่ะมันก็ อสมาธิมันก็ลดลงนะเจ้าค่ะถือว่ามันค่ะมันก็เป็นธรรมดาบางทีมันก็เหมือนถนนมันมีมันมีก่อสร้างมีอะไรมันก็วิ่งเร็วไม่ได้มันก็ต้องช้าหน่อยทำเท่าที่เราทําได้ก็แล้วกันเจ้าค่ะค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะเจ้าค่ะจ้าสาธุเจ้าค่ะคุณประวิทจากเดลัสเท็กซัมีอะไรไหมยังไม่ได้เปิดใบเลย อันรับการอาจารย์ขอบคุณ uh. ที่พอาจารย์ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินชัดเจนทุกได้เลยขอบคุณที่พระอาจารย์ลงเรื่องไตรักกับเลยก็เลยนึกถึงอาจารย์ต่างๆที่ผ่านมาที่มาสอนผมที่อเมริกาก็มีอาจารย์จากวัดป่ามันขอบ้งอางอะไรเงี้ยก็มาสอน<ข>อเรื่องไตรักตลอดอแล้วก็มาจากวัตสุการามท่านก็มาสอนเรื่องการปล่อยวาง วัดธรรมมงคลก็มาสอนเรื่องสมาธินี่ผมไม่มีโอกาสได้ถามคือการทําสมาธิเนี่ยผมจะเอากสินเข้ามาร่วมผสมด้วยได้หรือเปล่าได้ ไ, ด ไ, ดไดกสินก็เป็นวิธีหนึ่งถ้าเราเราชอบใช้กระสินก็ใช้กสินแทนพุทโธก็ได้แทนลมหายใจก็ได้ในขณะที่ผมทํานี้เราไม่มีอาจารย์เหมือนกระสมัยก่อนที่มาตรวจเราว่าเราทําผิดถูก เราจะแก้ไขได้อย่างไงครับเราก็ดูดูตัวเราเองดูว่ามันสงบหรือไม่สมบงบถ้าสงบก็แสดงว่าเราไปถูกทางถ้าไม่สงบก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ผลหรือไปไม่ถูกทางก็ได้ก็ต้องค้นคว้าดูบ้างอานหนังสือเกี่ยวกับเรื่องฝึกสมาธิดูของหลวงตา ม, ตมหาบัวก็ได้นะครับก็ก็อ่านอยู่ครับแต่ที่ผมอยากทราบอีกครั้งหนึ่งคือว่าที่ เห็นว่าหลวงปู่มั่นท่านเดินจากออกไปตอนตอนวันออกจะไปทันตกเนี่ยการเดินสมาธิในการเดินจงกรมเนี่ยเพราะเหตุใดครับอันนี้ก็ไม่มีใครก้าถามท่านแต่ก็ไม่ใช่การว่าคือท่านก็แนะนําถ้าเราทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรทำอยู่ในที่ที่มันทําไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าทําได้ก็ทําตามที่ท่านบอกดีกว่าท่านอาจจะมีเคลอะไรที่เราไม่รู้กันท่านเอง ครับผมก็ก็ผมต้องต้องเปลี่ยนทางดูครับก็ทําแล้วนะครับเปลนไม่ได้ก็เปลี่ยนไรอือขอให้ได้เดินอยู่กับไม่ได้เดินง่ายง่ขอให้มีทางเดินดรกวไม่มีทางเดินครับครับผมก็ขอบคุณที่พระอาจารย์ลงเรื่องไตรลักครับเลยนึกถึงอาจารย์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ยังสอนผมอยู่ขอบคุณมากเลยครับได้โอเคชาติ ได้ฉีดยาแล้วยังไม่ยังรออยู่ยังครับยังไม่ถึงควบผมเลยครับขนาดเราสูงอายุเราก็ยังไม่ถึงครับออยาเขาไม่ปอครับนอาจารย์ไม่กลัวเลยได้ข่าว่ามีคนแพ้บ้างมีคนเป็นอะไรบ้างเข็มแรกจะเป็นเป็นเป็นเข็มแรกที่เขาบอกว่าจะมีแพ้กันนะครับก็คือจะเป็นคื่นมีมีการปวดเจ็บเล็กน้อยก็ขนาดโจไปเดินเขาฉีดเข็มที่สองแล้วเขายังไม่กลัวเลยครับอาจารย์โอเคเนี่ยเราก็มีตัวอย่างแล้วนะมันยังไม่น่ากลัวเลยนะ ครับผมการมาตรการครับพระอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับที่ลงสิ่งจริงดีๆให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้อ่านได้ฟังครับอังนี้ก็มีภาพลูกศิษย์อยู่รุ่นหนึ่งท่านเป็นคนทําให้ทุกวันล่าเสร็จดีมากเลยครับเพราะว่าขอบคุณมากเลยครับที่ลงแล้วก็มันทําให้เรามีอะไรที่ยึดมั่นมากขึ้นนะครับท่านได้ยินได้คนจะดีใจเพราะท่านนันได้ท่านทําทุกวันโอ้ยคณะคณะของท่าน ขอบคุณมากเลยครับลูกสิษทางใกลขึ้นโลกก็ยังได้อ่านได้เห็นได้เห็นทำในสิ่งที่ได้เอามาร่วมปฏิบัติกับตัวเองให้ดีขึ้นครับได้ดีโอเคนะขอบคุณมากครับอาจารย์สาธุคุณเพื่อธาพรบัวสุกจะไปไหนแล้วอยู่ในรถคุณได้จ้า ไปได้เอะเดียวมารับน้องริวที่โรงเรียนเจ้าค่ ะ, ะก็เลยก็เลยจอดรถฟังเจ้าค่ะก็เลยจอดรถฟังก่อนอยังไม่กลับบ้านเจ้าค่ะอืค่ะยังไงสบายดีนะทุกสบาเเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็สังขารแต่ว่าลูกไม่ได้ไปสนใจมันก็ไปโรงพยาบาลอาทิตย์ที่แล้วก็ไปตรวจโควิดแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาล วันหนึ่งเพื่อตรวจว่าเราแพ้กงหรือเปล่าใชค่ะ mm hmm. แต่ว่ารู้ตัวเองขอแบบว่ามีสติยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพ mm hmm. ยาบาลนะเจ้าค่ะหลว ง, งพ่อเขาเจาะลูกแล้วก็เขาเจาะแล้วแบบเจาะไม่เข้าอ่ะค่ะเ mm hmm. จาะเจาะไม่เข้าแต่ว่าลูกอะกลับแทนที่จะมาโหเขาแต่ว่าลูกกลับไปกอดเขาไปตบไหลว่าให้อยู่ใจเย็นๆ mm hmm. คือเขาเจาะ เก้าเก้าเข็มสิบเข็มอะไรก็เจาะลูกไม่เข้าแล้วโยลูกก็ไปกอดเขาว่าอยู่ใจเย็นถูกไปเรียกคนมาช่วยก็เลยก็รู้ว่าเอ๊ะเรามีสติเรามีสติเราไม่โขดเขาเรายิ้มแล้วเราก็กอดเขาให้กำลังใจพยาบาลนะเจค่ะอย่างนี้ลูกทําถูกจะไม่รู้ปะจบนะถูกมีความเมตตามีความเมตตาเค่ะเกิดไปโกรธเขาก็ไม่เกิดไปอยู่ได้เจ้าค่ะเจค่ะ <Yeah. S 2> แล้วก็ <Yeah. S 2> ก็มองเห็นเอ๊ะโอเคนี่เราสติเราไม่ได้ขาดหายไปเราเรากลับแทนที่ถ้าเป็นสมัยก่อนอยู่กรุงเทพสมิธเดเวนไปใส่พยาบาลแล้วจะเจาะขนาดนี้อะไรเงี้ย <Yeah. S 2> ก็กลับไปเมตตาเขาเห็นเขาค <Yeah. S 2> ุยเขาน่าสงสารจังเราเห็นแบบ <Yeah. S 2> เขาหัวยุง่งเราแบบเขาฟ <Yeah. S 2> ุดฟัดแล้วก็หัวยุง่งแต่เรานอนอยู่ตร <Yeah. S 2> งนให้เขาเจาะแบบเ <Yeah. S 2> จาะ้าเจาะแขนแล้วเราก็แบบอืมมีสติมองเขาแล้วก็มองเห็นว่า ว่าเขาว่าเขาโกรธมองเห็นตัวโกรธของเขาเขาหัวยุ่งวบอโอเคอยู่ไปเรียกคนมาช่วยแล้วก็กอดเขาให้สําังใจเขาแล้วก็นี่เรามีสติสติก็มีสตินี่คือการแผ่เมตตาที่แท้จริงไม่ใช่ตามที่เราสวดมนต์นะตามที่เราสวดมนต์ไม่ได้แผ่เพราะไม่มีใครรับนะ<า>ต้องมีคนรับ<า>เช่นเนี้คนที่ในโรงพยาบาลเนี่เราสงสารยขแล้วก็แผ่เมตตาให้เขา ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องขมวนอาจารย์โยมบางท่านไม่เข้าใจที่ว่าการแผ่เมตตาคือการสวดมนต์การการสวดบทแผ่เมตตาที่ไม่ได้แผ่นะเปนการซอมเป็นการสอนให้เรารู้ว่าวิธีแผ่เมตตาต้องแผ่ยังไงฉันไม่โกรธเขาเอาเวลาหุนตุบไม่โกรธไม่จองเวรกันตัวเจ้าค่อ ขอคุณเจ้าคหลงพ่อสาธุสาธุขอบพระคุณเจ้าค่ะไม่มีอะไรนะครับเดียวไม่มีอะไรจ้าครับไม่มีนะอาบังหลวงตาให้หลงตาดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอเคขอบคุณค่ัถ้านนี้ก่อนนะสาธุขอบพระคุณเจ้าค่ะหลงพ่อสาธุเจาค่ะอันนี้มาจากสเปนพูดไปมาจากสเปนมาจากอิิซา เมื่อกี้เหนคุณพวินทรเหะคุณพวินทรใช่ไหมพวินทรเชิญอยู่ที่ไหนสวัสดีครับผมฟังตั้งหลวงตามาจาก y o u ูทูบนะครับเป็นคลิปสั้นๆบ้างยาวบ้างก็ฟังฟังมาเยอะมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าได้ได้ได้เห็นอะไรกระจ่างกระจ่างขึ้นมากจาก จากคำสอนที่หลวงตาไ ด, ได้สอนใน u ู u ูบนะครับ uh huh. ก็จะนำมาปฏิบัติแล้วก็นำมาคิดพิจารณาในหลายๆเรื่องก็ยังมีเรื่องที่ยังไม่กระจ่างอยู่บ้างครับวันนี้ก็อยากนำมาถามครับได้ช่วยพูดดังๆหน่อยครับพูดใกล้ๆหน่อยครับโอเคอันนี้ดังขึ้น uh huh. ดังขึ้นแล้วนะครับ uh huh. okay. ครับ อ, อยากถามว่าคือในในในโลกของเราก็คือประกอบไปด้วยธาตุหก ถูกไหมครับที่ที่ลงรละเอียดแล้วก็มีแค่ธาตุหกแล้วหนึ่ง<า>นั้นก็ก็มีตัวเราคือ<า>วิญญาณธาตุเป็นจิต<า>ถูกไหมครับเป็นจิตเป็นธาตุรูท้ทีนี้ผมก็ยังงงอยู่ว่าในคําสอนพระเจ้าก็มีมากมายที่บอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถบ้างจิตนี้คือดวงจิตของเราอย่างนี้อย่างนี้บ้างแต่ก็มีคําสอนอีกคําสอนหนึ่งก็บอกว่าสัพเพธรรมะอนัตตาว่าดวงจิตเหล่านั้นก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน อยากให้หลวงตาช่วยก็เป็นธาตุรู้กันเดี๋ยวงจิตดบดวงที่มีอนี้เป็นธาตุรู้แต่เนื่องจากมีความหลงเข้าไปซ่อนอยู่ในธาตุรู้มันทำให้ธาตุรู้ไปคิดว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาท่านเองอ๋อแสดงว่าถ้าเพียวๆแล้วก็คือเหมือนกันหมดหมายก็นหมดเป็นธาตุรู้เออเหมือนกันหมดร่างกายก็ดินน้าลมไฟเหมือนกันหมดต่างกันตรงที่รูปร่างหน้าตาท่านเองแต่มันส่วนประกอบก็เหมือนกัน เหมือนทำขนมเค้กเนี่ยก็ทําใช้เครื่องประกอบเหมือนกันหมดแล้วก็มาแต่งหน้าแต่งสีแต่งอะไรไม่เหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นพอความหลงไปยึดละและตัวตัวแต่ละดวงก็ก็ปรุงต่างกันไปต่างกันไปทํากรรมต่างกันไปทําให้เกิดความแตกต่างกันไปทําบนตามกรรมไปเลยเกิดเป็นสัตว์สูงตสัตไปเป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอะไรไป แสดงว่าก็แต่ละดวงก็เป็นดวงที่แยกกันถูกไหมครับดวงใครดวงมันรับผิดชอบตัวเองใช่และในท้ายที่สุดแล้วถ้ากระจายหมดแล้วจะต้องไปไหลรวมไปรวมกันไหมครับไม่ก็มันก็อยู่ต่างกันไปเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะอยู่แบบไม่ต้องไปเกิดอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระอรหันต์ท่านก็จิตของท่านก็หยุดไปเกิด แต่ก็ยังเป็นธาตุรู้อยู่มันเดิมแต่ไม่นไม่ไปรวมกวับธาตุสี่ก็ดินน้ำลมไฟอ๋อไม่ไม่เอาเข้าไปรวมกับรูปแล้วก็อยู่เป็นวิญญาณธาตุเปลี่ยวเปียวเปลียวไปไม่มีไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขอืมแล้วผมก็อยากรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสัญญาครับโมตาว่าตัวสัญญานี้ที่เขาบอกว่าสัญญาไม่เที่ยงนี้มันคือสัญญาที่ปรากฏขึ้นมา ต่อการรับรู้เพียงช่วงนี้หรือว่าสัญญาที่ผ่านมาทั้งหมดมันจะหายไปไหมครับผมกังวลเรื่องเราจะลืมอะไรอย่างเงี้ยครับในอดีตคือมันมันเกิดขึ้นช่วขณะแล้วมันก็หยุดแล้วมันเกิดขึ้นใหม่มันกระดับกระดับเหมือนแสงเห็นห้อยอย่างงี้แต่มันไม่หายมันอยู่ในใจเราเนี่ยอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะไปดึงมันออกมาได้หรือเปล่าแสดงว่าไอตัวสัญญาที่เกิดดับคือสัญญาที่เกิดขึ้นมาณช่วขณะที่ปรากฏต่อวิญญาณวิ ทางความคิด ม, มนุวิญญาณอาของเราถูกไหมครับงานจิตเราเนี่ยพอเราเลือกถึงเมื่อวานนี้เราก็เราก็ใช้สัญญาแล้วเมื่อวานนี้ทําอะไรวะเราก็ใช้สัญญาแล้วแต่ข้อมูลที่บันทึกไว้ทั้งหมดมันก็มันบันทึกไว้หมดตั้งแต่เริ่ ม, มกำเนิดจิตมาเลยใช่ไหมครับยุที่เราจะจะไปดึงมันออกมาได้หรือเปล่า<อ>ยุทธีกำลัขงของจิตของเราพระพุทธเจ้าเราเลกชาติได้เป็นเป็นเป็นเป็นหมืน่นเป็นแสนล้านชาตได้ แต่ก็ไม่มี ก, ก็ก็ไม่ก็ไม่ย้อนไปถึงต้นกําเนิดของกิจล้<ว>แรกได้ไม่เคยเจอต้นต้นกําเนิดเมันมันมากมายกายกองแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรู้ใช่ไหมครับไม่จําเป็นให้รู้ว่าวิธีหยุดการเกิดทําหยุดยังไงเท่า น, นั้นก็พออื <ừ> เพราะการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยเกิดมาแล้วทุกข์ไหมบอยมีร่างกายแล้วทุกข์ไหม ครับมันมันต้องมานั่งมันต้องมานั่งรับผิดชอบต้องมานั่งปรุงแต่งให้มันดูได้ให้มันดูดีเอแล้วทํางานมันก็ไม่ดียังไม่ต่อไปมันก็เหี่ยวใช่ครับนันเดี๋ยวมั น, มนก็ตายมันก็เจ็บไม่ต้องมาเกาะกับรูปดีกว่า อ, อยู่เป็นจิตเพียวๆดีกว่าใช่นั่นแหละคือการตัดสัมโนวัตเจ้าอืม ก, กระจ่างขึ้นเยอะได้ครับเดี๋ยวไปฝึกแล้วก็ปฏิบัติต่อครับอขอบคุณมากครับหลวงตาฝึกสมาธิฝึกศีลสมาธิปัญญาทตามตัวนี้นะ ครับครับซับท่านต่อไปคุณบุญชัยเชิญบุญชัยเพราวันนี้คนเยอะนะเกือบจะสามกี่โมงนะคุณบุญชัยได้ยสวัสดีครับพระอาจารย์ครับผมฮัลโหลครับได้ยินไหมครับพระอาจารย์ได้ยินได้ครับคือผมอยากจะสอบถามพระอาจารย์นะครับเรื่องเอ่อการปฏิบัตินะครับคือเมื่อติดเอ่อ มาถึงขั้นหนึ่งครับพระอาจารย์ตรงที่แบบปฏิบัติแล้วจิตมันแบบเออเหมือนเราเหมือนแบบสภาวะจิตมันล่องลอยอยู่กาอากาศนะครับอาจารย์แบบไม่มีไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็รวมแล้วก็เอขั้นตอนต่อไปความปฏิบัติยังไงครับพรอาจารย์เมื่อไม่มีตัวไม่มีตนก็ไม่ต้องไปยึดไปถือว่ามีของอะไรเป็นของเราอย่าไปยึดว่าร่างกายเป็นเราอย่าไปยึดว่าทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองอะไรต่างๆเป็นของเราไหวหว่า ครับตอนนี้ถึงมองถึงแบบว่าผมไม่รู้ว่ามองถูกไหมครับอาจารย์เออคือมันเหมือนแบบว่ามองว่าทุกอย่างมันโลกอะครับอาจารย์เหมือนว่าเราอ่ะมีมีแค่คนเดียวมันโลกส่วนนองนั้นคือสิ่งประกอบอะครับอาจารย์ก็เราก็เป็นหนึ่งในหลายๆคนนี่หลายๆดวงจิตวิญญาณที่มายึดมาติดกับร่างกายนี้แล้วในที่สุดก็ต้องทิ้งมันไปเลยต่อไปก็ต้องทิ้งมันไปหรืครับพระอาจารย์ครับ คืออยากจะเก้าไปสู่ของพระอสกิทาคามีนะครับพระอาจารย์ทา่า<ค>นม<ะ>ีความปฏิบัติอย่างไรครับต้องไป้<ข>าางย่อาสมามต้องไปพิจารณ า, าสุภาษดูความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อตัดตามอารมณ์ครั้งหนึ่งเคยเคยเค ย, เคยปฏิบัติได้แค่นิดหน่อยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจิเสเต๋ยวมาพระอาจารย์ก็ต้องปฏิบัติ<ว>ต่อไปพิจารณาอาสุภาษอยู่เรื่อยๆดูอาการ32ดูซากศพเวลาร่างกายตายเป็นซากศพ มันจะได้ระดับความอยากเศษกลารได้เศษการมโนได้ถ้าอาจารย์ครับเมื่อถึงจุดนี้ครับมันรู้สึกว่ามันก้มเกึ่งระหว่างทางโลกทางธรรมครับอาจารย์มันเหมือนแบบว่ามันแบบมันใช้ชีวิตลาบากครับอาจารย์ท่านนี้ควรปฏิบัติอย่างไรดีครับก็พยายามพิจารณาไปเรื่อยเืยเนี่ยมันมีกำลังมากมันก็ไปปวยได้มันมันเหมือนจะไปแล้วครับอาจารย์แต่ว่ามันทางโลกอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันควรมันแบบมันใช้ชีวิตในการลําบากเพราะว่ามันแบบ <Ừ. S 2> เ อ, อ่อเรามองกับคนอื่นที่มันต่างกันนะครับแต่เรา <Okay. S 2> เข้าใจเขาแต่แต่ผมก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาฝ่ายเขาไปตามเรื่องแล้เราก็ไปทางของเราไปนะครับเขาเขาเมาไม่เห็นเราเหมือนกับเราเห็นเราเห็นนสุภาพเขาไม่เห็นนสุภาพเร า, า, เ, าเห็นความตายก็ไม่เห็นครับตายกันครับเนี่ยงั้นก็ไปคนละทางนะ นั้นอย่าไปวางอะไรกับเขาปล่อยเขาอยู่ตามเรื่องของเขาแล้วก็อยู่ตามเรื่องของเราไปเข้าใจนะเข้าใจครับโอเคท่านต่อไปคุณอ้อฮอหรืคุณอ้อฮ่ออ้อออเลยคุณอ้ออ้ได้ยินไหมคุณอ้เปิดเปิดใบได้หน้ามืดเปหน่อยมองไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรไม่อยากจะเห็นหน้าก็ไม่ว่ากันอ่า คเดี๋ยนะคุณคุณอ้อนสวัสดีค่ะพอดีสวัสดีค่ะพอดีหนูเป็นเด็กขี้งอนค่ะอ๋อเดี๋ยวที่ให้ตุ๊กตาที่ให้ตุ๊กตาสีเขียวพ่อที่สองอ่าแล้วหนูจะแก้ปัญหาขี้งอนยังไงดีคะ ก็อยังนอนสิยังนอนเวลาจะนอนก็บอกยังนอนอยังนอนอยังนอนอ๋อออืร้องไห้บ่อยร้องไห้บ่อยก็ด้วยค่ะอ๋อก็อย่าร้องอยู่แล้วเวลาจะร้องก็บอกไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องหนูก็จะร้องค่ะอ๋อต่อไปเวลาจะร้องก็บอกไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องเป็นนอนต่อไเข้าใจค่ะโอเคนะ ค่ะนามสกันค่ะนามสกันค่ะหลวงพ่อจำหนูได้ไหมคะหลวงพ่อจำหนูได้ไหยคะที่ให้ตุ๊กตาหนูมาหนูหนูชอบมากๆเลยที่แม่ที่แม่กำลังทำงานทําใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ตกยังตกงานอยู่ค่ะเจ๊อยากมีที่ทํางานใหม่อยากมีที่ทํางานใหม่ค่ะอยากมีที่ทํางานใหม่ จะได้มีเงินเลี้ยงหนูมีเงินเลี้ยงหนูอืแต่ตอนนี้มีโควิดหาขออไม่ได้ค่ะการมีคเป็นตามีงานอะไรทำมาช่วยกําหนงก็ได้นะใช่ใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอืมปิดยังไงคะปิดแม่ปิดไม่เป็นอ่ะค่ะดูสิคุณเอกราล่ะถึงคุณคุณเอกร่าสกลนครเชิญ พูดได้เอ่าผมกับการวิชา ก, การหลวงพ่อผมอ่ามีรางนั้นพอดีได้เข้ามาฟังเทศหลวงพ่อผมว่าจ ะ, อะอาโอกาสกับเยียนถามหลวงพ่อไอ้เรื่องเ ว, เวลาเราภาวนาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผมเหมือนจิตเรามันฟุ้งซ่านเรื่ออะไรเหมือนที่เขาเรียกว่ากําลังสติมันมันมันอ่อนนะครับว่ามันอ่อนก็ต้องพุโทโธไปสวดมนต์ไป เวลามันเริ่มฟุ้งก็สวดทีทีไปโซไปดตจบก็ได้หรือท่าว<ม>ุฒโธวุฒโวไปไเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะหายฟุ้งเอง<ม>อย่านั่งเฉยๆนั่งเฉยๆมันก็ฟุง้งแล้วไงต้องมีอะไรควบคุมใจควบคุมความคิดไว้สวดวนไปก็ได้ท่องวุฒโธไปก็ได้เราทำดูนะโอเควันนี้เอาสั้นๆก่อนนะ ม, ม, มีไหมมีอะไรไหม น่าจะไม่มีอะไรแล้วแล้วโอเคได้จะได้เป็นคนสุดท้ายนะสิได้พอนีี่คุณคุณชเวินหาไปนะเมื่อกี้เห็นโทรมาป๊บมาแล้วเขาทิ้งเขาขึ้ น, นไปคุณชวินขึ้นไปยกมือแล้ว่ครับอ่าคุณชเวินเชิญค่ะครับคุณชเวินเปิดมอว่ามาไม่ดังนีกแล้วไม่เสียงไม่เข้าอีกแล้วเริเสียงเสียงไม่เข้ากดกด กดตัวบังคับเสียงเวลาเข้ามามันบอกให้กดตัวคอมพิวเตอร์ออเดอากลับเข้ามาใหม่ไม่ได้ยินเสียงครับคุณจิ๊บก็หายไปคุณจิ๊ะคุณิ๊บยกมือมาแล้วฮะเดี๋ยวผมกดคุณจิปบจิ๊จากแม้วลเลมาไกลเนี่ยค่ทุกคนสวาสดีค่ะระอาจารย์อ่าว่ามาขอโทษจิ๊ท่ยมมาสายเลยวันนี้เะว่าจะทำงานอยู่ พระอาจารย์ไม่มีอะไรค่ะยมจะมาบอกว่าโยมเริ่มมีส ต, ติมากขึ้นนะคะเวลาที่จิตมันว่างๆเราก็จะพุโทโธพุโทโธไปเองอะคะ่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินได้ยินยมใช่ไหมคะพระยมขับรถแล้วใช้ได้์ค่ะ ด, ดังมากเสียงดังใช่ไห ด, <c oughs> ด้วยขอโทษดิ <c oughs> ไม่เคยได้ยินเสียงตัวเองจากลำโพงค่ะก็ เราไม่มีอะไรก็พยายามจะปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะอาจารย์ได้ <Okay. S 2> พระอาจารย์คะฉันสัญญาที่น้องคนเมื่อกี้ถามอะค่ะเราจะเราจะปฏิบัติยังไงคะให้เราได้จําแต่สัญญาที่เป็นสิ่งที่เป็นมุสอนนะคะแล้วไอ้สัญญาที่ไม่ดีไม่ดีเราจะไม่อยากจะให้มันอยู่ในสมองเราก็อย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีเลยอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีเลยทําแต่สิ่งที่ดี โยมก็ถ้าจริที่นี่แต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรมากระทบใจแล้วเราจะปัดมันไปยังไงให้มันเร็วไปเลยอะค่ะแบบไดพุทโธพุทโธไปต่อพุทโธชทันทีมันก็จะไม่ค่อยฝักอยู่ในสัญญาใช่ไหมคะใช่ใช่เพระเห็นมีคนเคยบอกว่าถ้าเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกินสิบห้าวินาทีมันจะจําอยู่ในในในสมองเราไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่ไม่เป็นไร ค่ะเชิญพระอาจารย์โยมขอโทษไม่ก็ใช้พุทโธพุทโธลบมโนออไปได้เจ้าค่ ะ, ะพระอาจารย์ช่วงนี้หนาวแล้วเดี๋ยวโยมไม่มีคำถามแล้วค่ะพะเห็นพระอาจารย์3ามชั่วโมงแล้วขอให้พระอาจารย์รักษาสุขภาพนะเจ้าค่ะได้ได้โอเคอเดี๋ยวไป เอีกนะราบนมัสการค่ะแล้วก็โมทนาสาธุกับทุกคนกับทีมงานด้วยนะคะอ่าคุณคุณหนาก็แล้วกันคุณหนามีคำถามไหมจากหกท่านมาจากทาง YouTube กับ Facebook เจ้าค่ะเอาเลยมาเลยคำถามแรกจากคุณหญิงอุไทยวันมีทั้งหมดสองคำถามเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะขอเรียนถามว่าข้อที่หนึ่ง ถ้าในขณะเดินจงกรมที่บริกรรมพุโทโธอยู่เรานึกถึงร่างกายที่เป็นโครงกระดูกกำลังเดินจงกรมไปด้วยเท่นนี้ถูกต้องหรือไม่คะไม่ถูกต้องเลยทีเดียวควรจะอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าอยากย้า้จิตมีสมาธิแต่ถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นดูร่างกายว่าเป็นโครงกระดูกนีก็เรียกว่าเป็นการเดินปัญญาแทน คำถามที่สองและเมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆสักพักเราก็นึกถึงร่างกายนี้ที่ต้องตายได้ในทุกเวลาเช่นนี้ถูกหรือไม่คะเวลาที่นึกแบบนี้ทําให้ใจโยมรู้สึกถึงอานิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยค่ะก็เป็นการเจริญปัญญาแทนที่จะเจริญสติก็ใช้ได้ึแต่ว่าเวลานั่งสมาธิมันอาจจะไม่สมงบก็ได้เพราะจิตมันยังขึ้นอยู่ นั่นบางทีถ้าเราต้องการจะหยุดคิดให้หมันเข้าสมาธิเราก็ต้องอยากไปพิจารณาฝึกสติไปก่อนอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวก่อนคําถามต่อไปจากคุณกําพรหงทองมีวิธีไหนบ้างครับพระอาจารย์ที่เราจะช่วยคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้บ้างข้อที่ข้หนึ่งก็คือก็ต้องการขอความช่วยเหลือจากเราก่อนเราก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้ เพราะว่าเหมือนกับเทน้ําใส่หลังหมาอยางเ้เคยเห็นไหมหมามันต้องการน้ำไหยต้องการอาบน้ำํำไม่ค่อยต้องการอาบน้ำํำพอเทน้ําใส่หลังหมาหมามันก็สบัสดีหมดจะไปช่วยคนที่เขาไม่ต้องการการช่วยหรือจากเราก็แบบนั้นเขาก็จะไม่ยินดีเขาจะรับคา น, นก็ลองดูก่อนว่าเขายินดีไหมถ้าก็ยินดีได้ก็ฝึกสติไปแา่นั้นน่ะพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไป คำถามต่อไปจากคุณมาลินีพุทธคมลูกสาวหนูเกเลมากอายุ27ปีแล้วคะ่ะหนูปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาให้เขาตลอดแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคะ่ะหนูควรทําอย่างไรดีคะหรือมันเป็นกรรมคะออการแผ่เมตตามไม่ได้ไปทําให้เขาเปลี่ยนได้หรอกเป็นเรื่องของกรรมของเขาเขามีกรรมเป็นยังเขาเป็นอย่างนี้มาเราทําได้ก็สอนเขาถ้าเขาสนใจ ว่าเราควรที่จะเป็นนิสัยนิสัยไม่ดีก็อยากไปทําทําแต่นิสัยที่ดีคำถามต่อไปจากคุณพงประพัฒน์กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลาพระอาจารย์ปฏิบัติพระอาจารย์ใช้คําบริกรรมอะไรครับว่าส่วนหญ่เราจะใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย น, นะใช้กายากตาสติบางทีถ้าร่างเจ็บบางทีแล้วก็ใช้คําว่า น, นิจจม น, นิจรแทนพุโทโธ เพราะตอนนั้นเราไม่ได้เรียนจากใครแล้วว่าเราคิดขึ้นมาเองรู้ว่าถ้าจิตน่าดีเฉยแล้วมันทุกขวายมันคิดมันยิ่งทุกข์ใหญ่เลย ม, ม่ใช้วุทโธใช้อนิจนจังอนิจจังไปแทนเพราะเราชอบคำว่าอนิจจังคําำถามต่อไปจากคุณปรางสา JW ไม่สะดวกซูมเจ้าค่ะฟังทางเฟ e บุ๊กออนไลน์มีส่งกันบ้านแลวมีหนึ่งคถามค่ะฝาก การบ้านส่งพระอาจารย์ค่ะเรื่องการทำสมาธิได้ลองไปทำสมาธิที่วัดยานที่ผ่านมาทำสมาธิได้ดีขึ้นค่ะไม่มีอาการสับ ป, ปงกพอกลับมาปฏิบัติที่บ้านจิตรวมได้ดีขึ้นนั่งนานขึ้นค่ะคาถามหนึ่งคถามคือจากพุทธปฏิทานของพระพุทธเจ้ากล่าวว่าการจาริก ข, ของพระอริยะพวกเธอจงหยาบ ไปทางเดียวกันสองลูปได้อ่านข้อความนี้มาจากหนังสือพระไตรปิฎกค่ะแปลว่าอะไรคะกราบนมัส ก, การเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าต้องการให้ไปกระจายไปจะได้ไปเผยแผ่ธรรมะได้กว้างขึ้นถ้าไปด้วยกันสองคน้าไปที่เดียวกันมันก็ไปแต่ถ้าต่างคนต่างไปก็ไปได้สองที่ไปชนบุรีแล้วก็ไปฉะเชิงเซาแต่ถ้าไปสองคนด้วยกันก็ไปได้ที่เดียว มันก็เแผแพร่ได้ได้ได้ไม่กว้างเท่ากับไปยากกันไปความหมายอยู่นะเพราะท่านเป็นผ้าหลานแล้วท่านไปคนเดียวได้ท่านอยู่คนเดียวได้ท่านสอนคนเดียวได้ดังนั้นไม่ให้ผ้าหลานไปด้วยกันให้ยากกันไปความธรรมะจะได้กระจายกวา้วางกว้างใหญ่ไพศาลขึ้นไปไม่เป็นกระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึง่งคําถามต่อไปจากคุณวาวดาวเรือง กราบสอบถามพระอาจารย์ครับเมื่อกำหนดลมหายใจจนไม่รับรู้หายใจแล้วลมหายใจเหมือนไม่มีขั้นตอนต่อไปควรปฏิบัติอย่างไรครับขอบคุณรครับให้รู้เฉยๆคอดูว่าเราคิดอะไรหรือเปล่าถ้าคิดก็หยุดคิดให้รู้ให้ให้รู้เฉยๆให้สัตว์แตารู้ไปคถามสุดท้ายจากคุณเพนนภาขณะที่เราเดินวิ่งการที่เราพยายามฝึกน้อมจิต กลับเข้ามาในตัวเราเองสลับหายใจลึกเข้าออกช้าๆสลับพุโทโธสลับดูกายเราขณะเราวิ่งเดินได้ไหมคะได้ไดแต่ทางได้ดีกว่าจเจ้าอย่างเดียวดีกว่าอย่าไปสลับดูการวิ่งของเราไปหรือพุโทโธไปการดูลมนี่อาจจะยากถ้าเรากาลังวิ่งหรือกำลังเคลื่อนไหวอยู่ดูลมนี่จะง่ายกว่าเวลาเรานั่งเฉย หมดแล้วเหรอหมดแล้วเจ้าค่ ะ, ะคุณชเวินอีกรอบหนึ่งดูที่พูดได้ไหมคราวนี้พูดนะไม่ได้เสียงไม่มาเฮ้เป็นอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรนะเอาไว้โอกระน้านอาไปเอาแล้วหน้าที่ว่าก็พอสมควรสมาชิกขายหมดแล้วเนี่ยเนือไม่กี่คนละเมื่อกีสองหน้าอันนี้เหลืเหอเนีือ ควรก็คงยา ก, ก็ได้ยินได้ฟังกันนานพอสมควรนี่ก็เป็นครั้งแรกเนี่ยเกินสมชั่วโมงนะสามชั่วโมงกับห้านาทีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลามีคน ร, รักพระพุทธเจ้าอยากกระถามอะไรไหมปะรัณพพุทธเจ้าไม่มีนะโอเคไม่มีก็ให้โอกาสหน้ากันแล้วกันน ะ, อะขอให้ท่านทั้งหลายจงนำมาเ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปเทอน